ก็เดี๋ยวขอโมทนากับพวกเราโดยเฉพาะยมยอมโจ้นี่เป็นคนสร้างกุดหลังเนี้แล้วก็พระก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยใช้สอยกันมาตลอดก็คือเป็นเป็นวิหาราฐทานเนะที่จริงในเรื่องเนี้ขอสรุปตรงนี้นิดนึงจะได้มีความเข้าใจ ในกูตาทันตสูตรกูตาทันตพราหมเนี่ยสมัยก่อนพวกพรามเนี่ยเขาเป็นเขามีพธิธีบูชายันเขาถือว่าการบูชายันเนี่ยเป็นบุญสูงสุดของเขาวิธีการของเขาก็คือใช้ถ้าบูชันขนาดบูชายันขนาดใหญ่หรือขนาดกลางเนี่ยนะหรือขนาดย่อยเนี่ยจะต่างกันถ้าบูชายันขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะใช้สัตว์อย่างละ700ร ใช้ช้างห้าช้างเจ็ดร้อยม้าเจ็ดร้อยโคเจ็ดร้อยเนี่ก็ใช้แบบเจ็ดร้อยหมดเลยคือค่าท่า น, นเองแล้วก็จะทําพิธีในการที่จะมาปักขุดหลมุมแล้วก็ปักเป็นเสาเสาเส า, สาเลียงเป็นหลายหลายกิโลหลายสิบกิโลเลยแล้วก็เอาช้างมาผูกผูกเขาไว้เอาม้าผูกเขาไว้แล้วก็เอาวัวมาผูกเนี่ยเอาอย่างสัตว์อย่างละเจ็ดร้อยหมดเลยนะไปผูกเขาไว้เนี่ยเขาทำลักษณะอย่างนี้ แล้วก็ทําวิธีในการที่จะเชื่อดบูชายัญเขาถือว่าการจะทําในลักษณะนี้เป็นบุญสูงสุดใช่ไหมเป็นยันนะพิธีเป็นมหายันการทําลักษณะนี้ก็คือให้สัตว์เหล่านี้รับเคาะแทนมนุษย์ไปะฉะนั้นบรรดากษัตริย์ทั้งหลายเขาจะทําพิธีลักษณะอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เจ้าที่ครองปกครองเมืองทั้งหลายอะไรเนี้ยเขาทําพิธีอย่างนี้แล้วจะทําให้บ้านเมืองนั้นอยู่เย็นเป็นสุข เนี่ยในเรื่องหลังเนี้ยเคยเกิดขึ้นในสมัยของพุทธการแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยไปห้ามพิธีกรรมแบบเนี้ยแล้วก็ไปบอกว่าไอการกระทําในลักษณะเนี้ยเป็นการกระทําที่นอกจากไม่เป็นบุญและเป็นการทรมานด้วยเนี่ยแล้วพรามก็เลยถามพระพุทธเจ้าแล้วว่าในาศาสนาพุทธเนี่ยในแบบอย่างของอริยชนเนี่ยเขามีการบูชายันไหมพระพุทเจ้าก็มีเอาวิธีการบูชายัญของท่านทํำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่า ก็คือการนิมนต์ผ้า5้ารลูปไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องมีสัตว์ไม่ต้องน้ําตานองหน้าไม่ต้องมีการเบียดเบียนไม่ต้องมีการไปรทุสล้ายการกระทำของเขาก็คือว่านิมนต์้า500ร้อยบ้าง1000บ้าง 2,000 บ้าง1 0 0 0 0่บ้างหรือก็แล้วแต่2 0งห่นสาูปบ้างก็มาฉันทุกวันแล้วคนก็ตระเตรียมอาหารกันอย่างเงี้ยนะตระเตรียมกันแล้วก็มีการให้ทานมีการรักษาศีลอย่างนี้ก็เรียกว่าหยัน เป็นการบูชายันการบูชายันในลักษณะนี้มีผลมากมีอานิสงส์มากส่วนยันที่เธอทํากันนั้นมีผลน้อยมีอานิสงส์น้อยด้วยแล้วก็มีเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความเจ็บปวดของสัตว์ต่างๆที่โดนกระทาด้วยเป็นต้นพราหมณ์ฟงังปุ๊บก็บอกเอ๊ะถ้าทําอย่างนี้มันลงทุนมากมันต้องทําทุกวันมันต้องเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมก็เลยถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเออมีการบูชายัญอย่างอื่น ที่ไม่ต้องลงทุนมากขนาดนี้แต่ได้ดูบุญมากกว่าเนี้ยมีไหมพระเจ้าบอกมีเอามีแล้วทำยังไงบอกว่าพระเจ้าก็บอกว่าให้สร้างวิหารทานสิถวายสงเมื่อสร้างวิหารทานถวายเดพระสงฆ์เนี่ยนะหรือผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยอาจจะลงทุนครั้งแรกเนี่ยแพงหน่อยเช่นอาจจะลงทุนสิบล้านยี่สล้านอะไรก็แล้วแต่เป็นวิหารลทานเนี่ยนะเป็นที่อยู่ให้กับพระสงฆ์ พระสองผู้ทรงศีลเนี่ยผู้ทรงธรรมมาทั้งหลายเหล่านี้เมื่ออยู่มาใช้สอยดังั้นการที่ท่านใช้สอยเมื่อไรไม่ว่าจะท่านมายืนมาเดินมานั่งมานอนมาสาธยายทำมาพฤติปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่บุญจะเกิดต่อผู้ทําผู้ที่สร้างน่ยทุกๆขณะที่ท่านใช้สอย <c oughs> เออนี่ไหมลงทุนครั้งเดียวอาจจะอยู่ไปสิปียี่สปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ลงทุนครั้งเดียวแต่ได้บุญอย่างติดต่อและต่อเนื่องเนี๋ย <c oughs> <c oughs> กูแต่ท่านธต่พามฟังแล้วก็เออแต่มันก็ยังต้องลงทุนอีกใช่ไหมก็เลยถามต่อไปบอกว่าแบบประเภทที่ลงทุนน้อยกว่า น, นี้แต่ได้ผลมากกว่า น, นี้มีไหมพร <c oughs> ะเจ้าของมีทำไงบอกถึงสารณคมไงเห็นไหมไม่ต้องจ่ายตังอะไรแต่เนี้ยการที่ตนเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นในคุณของพระเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ก็คือให้เข้าใจคําว่าพุทธธรรมะและสังฆะคําออคว่าพุทธธรรมะเนี่ย พุทธรัตนะใช่ไหมก็เรียกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าถึงสารณะเนี่ยพุทธพุทธัทธทงสารนังขฉามิธรรมังสารนังขฉามิสังคังสารนังขฉามิเนี่ยคำว่าสารณะในที่นี้ก็แปลว่าเบียดเบียนก็แปลว่ากาจัดก็ได้หมายความว่าอะไรหนึ่งเมื่อเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพุทธาเนี่ยจะกำจัดกำจัดอะไรกำจัดกิเลส ในใจของสัตว์ที่เข้าถึงด้วยกําจัดความทุกข์กำจัดทุกขติกําจัดภัยอันตรายทั้งหลายเออการเข้าถึงพระเจ้าเนี่ยสามารถกําจัดภัยเหล่านี้ได้ด้วยเนะีเช่นกําจัดทําให้ความทุกคือทุกจากราคะความกําหนัดโทสะความกโกรธและโมหะความหลงเนี่ยให้หมดสิ้นไปจากกระแสของชีวิตเออการเข้าถึงพุทธะเนี่ยสามารถกําจัดภัยเหล่านี้ได้ด้วยกําจัดภัยคือการไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์ดาฉานเปรตอสุรกายด้วย กำจัดภัยคือการไปเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัตรด้วยพ้นจากภัยคือกิเลสพ้นจากภัยคือการเวียนไหวตายเกิดเป็นต้นด้วยแล้วพ้นจากภัยคือความกลัวความหวาดสะดุ้มเป็นต้นด้วยเออสารณะแปลว่าแปลว่ า, วาเบียดเบียนนะคือเบียดเบียนภัยเหล่านี้ของสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปแต่เราโดยส่วนใหญ่เราจะแปลาว่าสารณะแปลว่าที่พึ่งอยู่ใช่ไหมใช่เคยได้ยินคำนี้ไหมสารณะแปลว่าที่พึ่งแต่โดยศัพท์โดยความหมายที่หลักๆเลยเนี่ยก็แปลว่า เครื่องกำจัดหรือสภาวะที่กำจัดภัยเมื่อกำจัดภัยคือความโลภโกรธหลงของสัตว์ได้แล้วเมื่อกำจัดภัยคือทุกขติอบายทุกขติวิธิบาสนรกได้แล้วเมื่อกำจัดภัยคือการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วสัตว์นั้นจึงได้ที่พึ่งที่หาได้ยากที่สุดใช่ไหมเออสารณะก็เลยกลายเป็นที่พึ่งได้ในภายหลังหลังจากกำจัดภัยคือความกลัวความบาดสะดุ้งเป็นต้นเลย เออยังพวกเรายังมีภัยอยู่ไหม ย, ยังมีความกําหนัดยินดีเพื่อเพื่อนไหมมีความโกรธความเครียดความวิตกกังวลใช่ไหมยังมีความหลงความมืดบอดอยู่อันนี้เป็นภัยภัยอย่างหนึ่งก็คือเรายังไม่สามารถปิดประตูใบยภูมิได้ก็คือการไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนี่ก็เป็นภัยภัยที่ตามมาคือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันนี้ก็เป็นภัยนะเนี่ยเนี่ยภัยภัยต่างๆเหล่ธธานี้เอแล้วพุทธะเนี่ยกำจัดภัยได้ยังไง ก็ต้องบอกมาพุทธเวลาเราสวดมนต์เราบอกว่าข้าพเจ้าขอเป็นทาสของพระพุทธเจ้าใช่หมเคยได้เจอบทบทสวดมนต์บทนี้ไหมเพราะบางคนพอสวดถึงบทนี้ปุ๊บสะดุ้งทุกทีเลยนะข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าใชข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมก่เป็นทาสของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าเออทำไมเรายอมยอมเป็นทาสของพุทธะธรรมะและสังฆะ ตรงนี้ดยสรุปก็คืออย่างนี้เราเนี่ยเป็นทาสของกิเลสราคาความกําหนัดโทษาความโกรธและโมหาความหลงเนี่ยเวลาเกิดความโลภความโกรธความหลงไอ้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนะความโลภโกรธหลงเนี่ยมันมาเป็นเป็นเจ้านายของเราทั้งเกดด้นะเวลาเกิดความต้องการเกิดความกําหนัดยินดีขึ้นมาปุ๊บ เราไปทําตามเขาไหมเขาก็มากดขี่มาบังคับเราให้เราทำตาทําตามความต้องการของเขาเวลาโกรธขึ้นมานี่นะเกิดวิตกกังวลขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเราก็เขาสั่งให้เราทําอะไรเราก็ทําตามเขาให้ไปด่าใครให้ไปโกรธใครให้ไปกระทาอะไรในถลึงตามมองใครก็แล้วแต่เราก็ไปทําเวลาความหลงความลังเลสงสัยก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีเกิดขึ้นในใจปุ๊บเราก็ไปตามอํานาจเขาไหมลักษณะนี้เขาเรียกว่าเราเป็น ลูกน้องของโลพทัทโธสัมมาอยังเมื่อเราไปเรียนวิชาแพทย์เนี่ยอันนี้เป็นปัญญาไหมเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นมาอือนี่เป็นเป็นปัญญาเนะยแต่พอเราได้ปัญญาเหล่านี้มาปุ๊บเราไปรับใช้กิเลสได้ไหม <c oughs> ได้ไม่ไดไ้เห็นไหมเอาปัญญาไปรับใช้กิเลสก็ได้นะ<ม>ใช่ไหมเอาละพอเกิดความรู้อย่างนี้ขึ้นมาโอ้โหกิเลสมันบอกเราแล้วคุณมีความสามารถ คนมีปัญญาใช่มหมเอางั้นคุณตามทําตามใจฉันหน่อยฉันต้องการแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นโอ้โหไปเลยทต็ียอมลําบากลําบนเลยเตเนี้ยตื่นแต่เด็กต่นดินเนเพื่อต้องการจะไปทําตามอํานาจเขา อ, อีกโลภะโทสะโมหะเห็นไหมแทนที่เราพัฒนาปัญญาขึ้นมากันเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาแล้วปัญญามันน่าจะเป็นปัจจัยต่อการไปจัดการกิเลสใช่ไหมที่ไหนได้กับการไปเป็นลูกน้องกิเลสอีกทีเอออย่างเนี้ยลักษณะเนี้ยเอาปัญญาไปรับใช้กิเลส โอเยอะเลยเรื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าเรายกตัวอย่างเราจะเห็นชัดหลายๆคนเนี่ยพอมีปัญญาขึ้นมาแล้วแทนที่จะเป็นอิสระเส ร, รีภาพอย่างแท้จริงเออปัญญามันน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันน่าจะไปกําจัดไอ้ราคาความกําหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงเนี่ยให้หมดสิ้นจาก ก, กระแสะของชีวิตไปที่ไหนได้เออเกิดมีปัญญาคิดอ่านอะไรขึ้นดีๆขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาเอาเอ า, เอาปัญญาไปตอบสนองโลภาโทสาโมหาไอ้โลภ า, าโทส า, ามโาามหโาก็เลยมาเป็นนายคอยกดขี่ คนมีความสามารถคนมีศักยภาพมากมายกับกายที่ต้องเป็นทาตของกิเลสนี่แหละพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าเธอยังยอมสิโรราบยอมเป็นทาตของกิเลสอยู่เธอก็เจ็บปวดในสังสารวัฏใช่ไหมใชใใ่ในทางพุทธศาสนาที่บอกเอา้าถ้าเธอไม่อยากเป็นทาตของกิเลสก็เปลี่ยนนะมานับถือมายอมเป็นทาตของพระพุทธเจ้าได้ไหม ทีนี้พอบอกเป็ น, านธาตุของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นยังไงเอาแตเนี้ยแล้วพุทธะคืออะไรพุทธะเนี่ยเป็นชื่อของบุคคลหรือเป็นชื่อของสภาวธรรมนี่เกินคำถามนีพุทธะเนี่ยเป็นชื่อของสภาวธรรมหรือเป็นชื่อของบุคคลพุทธะตรงเนี้ยเป็นชื่อของเช่นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาที่สามารถไปตัดสู้ความจริง ที่ยอมทวิตบอกว่าเอออยากรู้อริยสัจสี่เนี่ยนั้นปัญญาที่เขาไปตัดสู้ทุกตัดสู้เหตุให้เกิดทุกตัดสู้ความดับทุกแล้วก็ตัดสู้ปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เขาถึงความดับทุกก็คือไปตัดสู้ความจริงตรงนี้นั้นปัญญาที่ไปตัดสู้ความจริงตรงนี้เรียกว่าสัมมาสัมพุทธก็คือตัดสู้ได้ด้วยตนเองแล้วสามารถประกาศความจริงให้บุคคลอื่นได้รู้ด้วยนี่คือสภาวธรรมนะแต่ถ้าเป็นพุทธธรรมดาเช่นสาวกาพุทธอ นี่ตัดสรู้ตามสัมมาสัมพุทธะก็คือเป็นชื่อบัญญาเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนตนเองฝึกฝนศีลสมาธิและปัญญาโดยเฉพาะพัฒนาปัญญาเนี่ยจนสามารถจากโล ก, กี้ญปัญญาเข้าถึงโล ก, กุต ร, รปัญญาสามารถตัดสรู้สัจจะ4ี่แทงตลอดความจริงจากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นพุทธะได้ ใช่ไหมจากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นสัมมาสัมพุทธะได้จากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นปัจเจกพุทธะได้จากมนุษย์ธรรมด า, าเป็นอนุพุทธะเป็นต้นได้เนี่ยสามารถที่จะเป็นพุทธะได้มองเห็ น, หนไหมอันนี้คือเป็นชื่อของถ้ามองถึงกระแสชีวิตที่ดําเนินไปเนี่ยที่มีศีลมีสมาธิกํากับและก็มีปัญญาปัญญาที่ไปแทงตลอดความจริงตรงนี้ปัญญาตรงนี้เรียกว่าพุทธะเออเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นพุทธะได้ จากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยพัฒนาตนเองจะกลายเป็นพุทธะแตัสรู้ความจริงตรงนี้ได้พอมารู้อย่างนี้ปุ๊บอ๋อการที่เราบอกว่าเราประกาศตนเองเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นธาตุของอะไรเป็นธาตุของปัญญานี่แหละแทนที่จะให้โลภะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นตัวนาพาชีวิตก็ให้ตัวปัญญาเป็นตัวนาชีวิตเเลย ก็ประกาศยืนยันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปว่าฉันจะไม่เป็นทาสของราคาโทสะโมหะจะไม่ให้ความโลภโกรธหลงนำพากระแสชีวิตอีกแต่จะให้ศีลสมาธิและโดยเฉพาะปัญญานี่แหละเป็นตัวนำพาชีวิตใช่เป็นตัวนำพากระแสชีวิตก็เลยยอมมาเป็นทาสของอะไรพุทธะประกาศตนเองเลยบอกไม่ขอเป็นทาสของกิเลสเราจะบอกพระพุทธเจ้าเป็นนายเห็นไหม ในปัจจุบันเนี่ยเราให้กิเลสเป็นนายบอกไม่แล้วเราประกาศยืนยันใหม่เราจะเอาขอพระเจ้าได้เป็นนายของเราขอให้พระธรรมเป็นนายของเราขอให้พระสงฆ์เป็นนายของเรานับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไอการที่มีความเข้าใจอย่างนี้แบบชัดเจนเนี่ยก็เรียกว่าถึงพุทธธรรมสังฆะเป็นสารณะเป็นเครื่องกําจัดภัยเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าบทีสมาทานก็เลยบอกว่าอัชชะอาทิงกตวะอาหารพุทธสัจอตานังนิยาเทมิเนี่ยบอกว่า ข้าพเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตมอบตอนอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้ามอบตอนอุทิศถวายแด่พระธรรมมอบตอนอุทิศถวายแด่พระสงฆ์ขอสง์โปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้อันนี้แปลว่าชัดเจนไหมถ้าประกาศยืนยันอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ชัดเจนเลยใช่ไหมพุทธะก็เป็นชื่อปัญญาตรัสรู้และธรรมะเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญ า, าเหมือนกันให้สังเกตดูนะพุทธยาบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทำและวินัยที่พระธรรมคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปเองเราโอ้จริงๆมันเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยใช่ไหมเอาละตอนนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วแต่เหลือแต่ธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาวินัยก็คือระเบียบกติกากฎเกณฑ์ที่พระสงค์วางหลักไว้นี่สองอย่างนี้จะเป็นพระศาสดาของเธอเอาละเราจะมาตั้งอยู่ในวินัยก็เดินตามเราจะเดินตามวินัยแล้วก็ ฝึกไปตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ เ, เข้าสู่ความเป็นพุทธายแล้วถ้ามองอย่างนี้เราก็บอกว่าต่อไปเราไม่ยอมเป็นทาตของหรือไม่ยอมเป็นทาตของราคาโทสโมห์ไม่เป็นทาตุของกิเลสและก็ไม่ให้ไม่ให้กิเลสเป็นนายเราจะให้พุทธะธรรมะสังฆเป็นนายอันนี้ต่างกันจากการที่เราไปยอมสิโลราบกับสิ่งภายนอกนะหลายๆคนเนี่ยเวลาเกิดมีปัญหาขึ้นมาสังเกตดูนะสมมติเราทําผิด เกิดเพศภยัยเกิดความผิดหวังขึ้นมาเกิดสุขทุกข์ขึ้นมาสมหวังผิดหวังขึ้นมาเนี่ยโดยมากเราเราโยนไว้นอกตัวนะ ย, ย่างยอมบอกว่าโอ้ช่วงนี้ดวงไม่ดีเลยใช่ไหมเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีมีแต่ความเครียดมีแต่ความกลุ่มชีวิตที่วิตกกังวลตลอดเวลาปุ๊บเนี่ยมนุษย์โดยทั่วไปก็โยนแล้วเออที่เราได้รับความสุขได้รับความวิบัติผิดหวังประสบภัยอันตรายทั้งหลายเหล่านี้ เราโยนไปอะไรนึ่งโยนไปกรรมเก่าใช่ไหมลัทธิโยนไปกรรมเก่ า, ห, กรรกาหลายคนบอกทำไมต้องมาอยู่ครอบครัวอย่างนี้กเป็นกรรมของเราทำไมภรรยาจึงหนีเราก็เป็นกรรมของเราทำไมไม่มีคนเข้าใจเราเป็นกรรมเป็นกรรมเก่าคนโยนเขกากรรมเก่าหมดเลยนะเนี่ยไปย้อนแบบนี้เป็นปุเพกตาเหตุตัวาท้าทิฐินี่เชื่อกรรมเก่า ทุกอย่างที่ตนเองได้ประสบทุกวันเนี้สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากสุขและทุกเนี่ยเป็นพะกรรมในอดีตเนี่ยอันนี้เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งที่พระธญาติเศธนะมีเยอะไหมชี้เชื่อเห็นไหมพอมองในทัศนาในทางพุทธศาสนาก็ไปเชื่อกรรมเกกรรมในอดีตยอมเชื่อกำรรในอดีตไมใช่ไหมบางคนก็โยนไปแบบนี้ออถามว่าบางทีผู้หญิงก็บอกว่าเนี่ยฉันต้องทนอยู่กับผู้ชายคนเนี้ยถามาใช่กรรมไป ชดใช้กรรมไปผู้ชายก็เหมือนกันนีฉันต้องมาทนอยู่กับเธอชดใช้กรรมลันงนักแสดงเนี้ย <c oughs> ก็มองว่ากรรมเก่าลัทธิกรรมเก่ามีประการที่หนึ่งสองอีกกลุ่มหนึ่งแม่โยนไปกรรมเก่าเนะียโยไปพวกสมหวังผิดหวังได้ดีตกยากสุขทุกข์ผิดหวังทั้งหลายเหล่านี้โยนไปให้ว่ามีเทพเจ้าเป็นตัวรุนแรงเรียกอิสรานดมานาวาทะทิฏฐิเชื่ออะไรเชื่อว่ามี ผู้มีฤทธิ์คอยบันดาลเอาประเภทประเภทสองสองอย่างเนี่ยทิฏฐิเชื่อกรรมเก่ากับทิฏฐิที่เชื่อว่ามีคนคอยกําหนดโชคชะตาชีวิตของเราอยู่เนี่ยมีคนคอยดนบันดาลเนี่ยทัศนะสองทัศนะนี้ใครเร็วร้ายกว่ากันเนาะอ้าวทำไมอันที่สองเร็วร้ายกว่าอา้าววาง สองทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีไหนที่ดูแล้ว 4, ด เ, เดี๋ยว๋ยงั้นเอาอีกทฤษฎีหนึ่งนะทฤษฎีที่3ามเาเรียกว่าอหตุกะวาทะพวกนี้เชื่อดวงดาวเชื่อว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวดาวเสาดาวพฤหัสดาวอังคารทั้งหลายเหล่านี้ที่มันโคจรอยู่ในโลกไปเนี่ยมันมีอิทธิพล ต, ต่อชีวิตของเราท้งสัตว์โลกทั้งหลาย ฉะนั้นสุขทุกข์ได้ดีตกยากสมหวังผิดหวังทั้งหลายเนี่ยเพราะไอดวงดาวบนท้องฟ้านี่แหละมากําหนดโชคชะตาชีวิตของมนุษย์หรือมาอย่างนั้นก็เชื่อว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรหรอกมันบังเอิญมันเกิดขึ้นมาแบบลอยๆนี่เขาเรียกอหิทธกวาทะเอานี่มีสมทิศทีเนี่ยเชื่อไหมว่าในสามทิศฐี่สามทฤษฎีสมละที่เนี่ยพุทธเจ้าปฏิเสธหมดเลยนะเนี่ยแต่พุทธไทยเราเนี่ยชาวพุทธไทยเราเนี่ย เชื่อมหมดเนเี่ยเนี่ยเป็นเรื่องน่าคิดมากเมื่อวานเนี่ยมาไปที่อู่ทองไปเห็นพระพุทธโลกสมัยทวารวดีเนี่ยเป็นปางปรปางเทศนาทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปางปฐมเทศนาก็ดีไม่ว่าจะเป็นปรางยืนแสดงธรรมนั่งแสดงธรรมนอนแสดงธรรมก็คือมีแต่ปางแสดงธรรมเต็มไปหมดในยุคเมื่อพันกว่าปีที่แล้วสมัยทวารวดีและยุคก่อนหน้านั้นก็ ที่เก่าแก่กว่านั้นอีกก็มีแต่ยุคแสดงธรรมแสดงธรรมแสดงธรรมทั้งนั้นมาฉกคิดขึ้นมาอะไรรู้ไหมในยุคก่อนเนี่ยพุทธศาสนากว่าจะมาเข้ามาในสวณภูมิเราเนี่ยต้องต้องก็ว่าสวณภูมิในยุคนั้นเขาถืออะไรเขาถือพระศิวะบ้างพระอีศวรบ้างพระพรหมบ้างพระนารายบ้างพระวิษณุบ้างเขาถือพระอินทร์เป็นสารณาบ้างพระพรหมเป็นสารณาบ้างเขาถือดวงจันทร์เป็นสารณาดวงอาทิตย์เป็นสารณาบ้างบางทีก็ถืองูถือปีศาจ ก็คือมาจะมามาอยู่กับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เข้าใจเลยพุทธศาสนาเป็นยังไงเขาไม่รู้เรื่องเลยนะลองคิดดูที่ว่าเขามาในบุคคลที่นับถือสิ่งอื่นพระในยุคนั้นน่ะพระเถราจารย์ยุคเก่าๆทั้งหลายถามว่าท่านต้องเหนื่อยไหมฉะนั้นท่านถึงสร้างพุทธปปลูกปรางแสดงธรรมเพื่อต้องการให้เห็นว่ากว่าจะปักหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหลักการที่ถูกต้องแท้จริงลงสู่กระแสชีวิตของชาว โลกเนี่ยมนุษยชาติได้เนี่ยเหนื่อยมากต้องแสดงทำกันอย่างไม่หยุดไม่ย่อนต้องประกาศคําสอนกันอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถไม่ได้อยู่อย่างสบายๆอย่างปัจจุบันอย่างปัจจุบันนี้เราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราอยู่ในแวดวงของพุทธนะแต่เป็นพุทธที่เลอะเลือนเท่านั้นเองใช่ไหมเรา เ, ออเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าคิดนะหนึในยุคก่อนเนี่ยเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าเลยก็ไม่รู้เรื่องเลยซ้ําไป ลองลองคิดดูว่าเราจะไปต่างประเทศเใช่ไหมคนที่เขาไม่นับถือเลยเนี่ยแล้วเราจะไปสื่อสารเนี่ยเขาเข้าใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจพระธรรมเข้าใจพระสงฆ์เนี่ยเข้าใจพระรัตนตรยัยเข้าใจศีลสมาธิปัญญาวิบูตรวิบูติยานทัศนาเนี่ยจะให้เข้าใจหลักการว่าอริยมรรคโยงแปดหลักการปฏิบัติที่จะนําพากระแสชีวิตเข้าสู่ความพ้นทุกเนี่ยถามว่าคิดว่าจะยากขนาดไหนเนี่ยมนุษย์สื่อกับมนุษย์เนี่ยนะแต่เขาทําได้พระเถราจารย์ในยุคเก่าๆเนี่ย พอทำได้ก็สามารถปักพระพุทธศาสนาลงสู่กระแสชีวิตของชาวโลกเนี่ยได้อย่างแน่นแฟนด้วยมายุคพวกเราเนี่แปลว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นทะเบียนบ้านเป็นพุทธหมดเลยใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นพุทธที่เลื่อน<ๆ>เช่นพอพูดเรื่องกรรมเนี่ยเชื่อมั้ยทุกคนจะต้องมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไม่ใช่มันเป็นกรรมของเราปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมองว่าเป็นเรื่องไม่ดีหนึ่งและสองมองไปเรื่องของอดีต ใช่ไม่ใช่ถ้าพูดเรื่องกรรมปุ๊บเนี่ยหนึ่งไม่ดีแล้วไปพอนะ ย, ยังมองเป็นเรื่องอดีตด้วยย่อมบอกว่ามันคงมีใครลิขิตเราให้เป็นแบบนี้ <laughs> จะ่าเนี่ย <laughs> <laughs> เห็นชัดเลยนะกรรมลิขิตบ้างหรือเทพเจ้าลิขิตบ้างหรือดวงดาวลิขิตเราฟ้าลิขิตเราเนี่ยอันนี้เข้าหลักนี้เลยเนี่ยสามทัศนะนี้เลยเนี่ย ถ้ายอมคิดว่ากรรมในอดีตลิขิตยอมก็เป็นกลุ่มแรกคือปุเพกะตายเฮตุวาทะเป็นทฤษฎีวลัทธินี้ถ้ายอมคิดว่ามีเทพเจ้าหรือพระเจ้าลิขิตหรือพระพรหมลิขิตอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นอิสระนิมานาวาททิฐิรือถ้าคิดว่าฟ้าริขิตดวงดาวลิขิตยอมก็เป็นกลุ่มเฮตุกาวาทะในสามทัศนะนี้พระเจ้าตีตกปุ๊บ บอกว่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเอาเลยหนักไหมบอกบอกเป็นมิจฉาทิฏฐิวก่ก็แปลว่าเห็นผิดสิเนี่ยมิจฉาแปลว่าผิดทิฏฐิแปลว่าความเห็นเป็นทัศนะที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงอ่าแล้วทัศนะที่ตรงตามความเป็นจริงนั้นคืออะไรเนี้ยเอย๊แล้วกรรมเก่าไม่มีหรือเอาสมมติถ้ามนุษย์รอคอยแต่กรรมเก่าการตรัสรู้สัมมาสัมพทธิยานจะเกิดได้ไหม ได้ไม่ได้การตัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณจักมีไม่ได้ปัจเจกโพธิญาณก็มีไม่ได้อักขาสาวกญาณก็มีไม่ได้ภาษาลิบท์มีไม่ได้พระโมคคัลลานะมีไม่ได้เพราะไม่ต้องเพียรนี่ร้อยกรรมเก่าให้ผลนี่พวกเราไม่ต้องไปทําอะไรกันแล้วใช่ไหมก็นั่งคอยนอนคอยเดี๋ยวกรรมในอดีตก็คอยมากํากับเราให้เป็นไปตามอย่างนั้นเองเราไม่ต้องมาขวนขวายไม่ต้องมาใช้ความเพียรในปัจจุบันไม่ต้องใช้ฉันทาในปัจจุบันไม่ต้องมาใช้ปัญญาในปัจจุบัน ในการที่จะมาวิจัยแยกแยะอะไรแล้วก็ร้อยกรรมเก่าในอดีตส่งผลเราก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วชีวิตก็โชดช่วงวชัตจวานเลยโยมแต่มันเป็นงั้นจริงไหมจริ ง, ไ ม, รงไม่จริงไม่จริงฉะนั้นพรธเจ้าสอนเรื่องปัจจุบันกรรมสําคัญกว่าอดีตกรรมเมื่อวานนี้ก็มีโยมที่ก็มีความเชื่อว่า เ, ออเขาเชื่อพระเจ้าแต่เขาบอกไม่เชื่อมั่นโดยเองเขาเนี่ย ไม่เชื่อมั่นตัวเองเลยเขาท้อถอยเขาทําอะไรเขาล้มเหลวมาตลอดจนเป็นสิบสิบปีมาแล้วเขาไปอยู่กับวัดเขาไปปฏิบัติตามสายครูบาอาจารย์มาเยอะแยะหมดแล้วขเขงั้นเถอะเมาจากต่างประเทศนี่เขบอกฉันจะถามเขาว่าคุณเชื่อพระเจ้าไหมเชื่ออะไรคุณเชื่อตัวเองไหมไม่เชื่ออาทําไมคุณเชื่อพระเจ้าบอกพระเจ้ามีบรารมีอาไม่ทำไม่เชื่อตัวเอง ตนเองน็อตบารมีวอกไม่มีบารมีเนี่ยไปไปลักษณะอย่างเงี้ยก็ถามว่าคุณมีปัญญาอย่างรู้อดีตไหมไม่รู้คุณรู้ไหมในอดีตคุณเป็นใครมาไม่ทราบคุณรู้ไหมคุณทํากรรมอะไรมาในอดีตไม่ทราบแล้วคุณทําไมปฏิทำไมคุณไปบอกคุณไม่มีบารมีแล้วบารมีคืออะไรไม่รู้อีกบารมีนี่คือนีคืออะไรอ่ะ เน้แชมบารมีค <le> ouais? ืออะไรเนี่ยตอบก็ไม่ได้เนี่ยบารมีคืออะไรหนูเน้แชมบารมีคืออะไรไม่รู้เลยเอบารมีคืออะไรบารมีเนี่ยก็เรียกว่าปฏิปทาอันยิ่งยวด ข้อปฏิบัติอันยิ่งยวดนะฮะคำว่าบรารมีเนี่ยคุณธรรมหรือปฏิปทานยิ่งยวดการบําเพ็ญที่ยิ่งยวดเพื่อจะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าบ้างพระประเจพรพุทธเจ้าแล้หรือว่าพุทธสาวกบ้างนี่เขเรียกบรารมีใช่ไหมฉะนั้นเราสามารถจะกระทําได้ไหมเช่นจะบําเพ็ญทานให้ยิ่งยวดเนี่ยแล้วการให้ทานอย่างไรเป็นบรารมีให้ทานแบบไหนไม่เป็นบรารมี ถ้าให้ทานที่เป็นไปกับตัญหามานาทิฐิไม่เรียกว่าบา ร, รมีการให้ทานที่สามารถขจัดตัญหามานาทิฐิออกจากความคิดหรือกระแสของความคิดได้จึงจะเป็นบา ร, รมีใช่ฮะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไมการให้ทานถ้ายังมีหวังผลตอบแทนบ้างการให้ทานเพื่อให้คนอื่นรักบ้างการให้ทานเพื่อต้องการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นเหล่านี้บ้างอันนี้ไม่เรียกบา ร, รมีถ้าบา ร, รมี เป็นเรื่องการสละนอกไม่พอสละข้างในด้วยเออยังจะเรียกว่าบารมีอย่างแท้จริงนี้เป็นต้นใช่ไหมเนี่ยพอพอในรักนันนี้พอเธ อ, อโอ้เธอไม่เข้าใจเธอนึกว่าเราเนี่ยเป็นคนเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เป็นคนมีบารมีน้อยเห็นไหมพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาปุ๊บพุทธเจ้าก็บอกว่าอักโขหมัสม oh ีโลกาสานี่ เช陀มัสมีโลกัสาเโธ陀มัสมีโลกัสาอายมัติมาชาตินติธานิบุญะปะวูเราเป็นผู้เลิอที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหลักการคือทําไมท่านประกาศนี้ท่านประกาศนี้เพราะอะไรรู้ไหมท่านบอกว่าเราเนี่ยจะฝึกตนเองให้เป็นผู้เลิอที่สุดเราเนี่ยจะฝึกตนเองให้เจริญที่สุดเราเนี่ยจะฝึกตนเองให้ประเสริฐที่สุด แล้วท่านกำกับไวลชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายท่านจะไม่ทํากระแสชีวิตให้เดินต่อไปในภพใหม่เพราะท่านประกาศยืนยันอย่างนี้เป็นทั้งสัจจะบา ร, รมีเป็นทั้งอธิษฐานบา ร, รมีเลยเนี่ยหลักการที่ท่านประกาศเนี่ยแล้วท่านก็ทําให้ดูเลยว่าทํำยังไงที่เขาเรียกว่าปฏิบัตาที่ยิ่งยวดการกระทำที่ยิ่งยวดเขาทํำยังไงท่านจึงมาในฐานะอตาตมาของความเป็นมนุษย์แล้วก็มาทําให้ดู เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้เห็นที่พระเจ้ายืนยันว่าเราเป็นไก่ตัวพี่นี่แหละเป็นไก่ตัวแรกที่เจาะเปลือกไข่ใช้จะ ง, งอยปากแล้วก็กรงเล็บฉีเปลือกไข่แล้วเดินออกมาในโลกนี้ในโลกกว้างนี่เป็นตัวแรกแล้วก็หันมาดูไก่ตัวน้องๆทั้งหลายเหล่านี้ที่ยังคุดคูดอยู่ในไข่เนี่ยในเปลือกไข่เนี่ยแล้วพระเจ้าก็วางหลักการว่าทํายังไงจะแข็งแรง ทำยังไงจะงอยปากจะแข็งแรงทำยังไงจะกรงเล็บจะแข็งแรงทำยังไงจะสามารถเจาะเปลือกไข่ฉีเปลือกไข่เดินนอกมาสู่โลกกว้างเวทอิสราเอลีภาพโอ้แต่ก่อนเนี่ยไม่มีคนบอกใช่ไหมต้องหาทางเองเ่ยไก่ตัวนั้นเนี่ยไก่ตัวพี่เนี่ยยากกว่าพวกเราเยอะต้องบำเพ็ญอะไรมามากมายแต่พอบอกวิธีการแล้วตรงนี้เราไม่ต้องไปทําผิดเราไม่ต้องไปเจาะตรงนั้นตรงนี้ก็จะมีวิธีการให้เจาะตรงไห น, น ทำยังไงให้แข็งแรงวิธีการจะทําอุณหภูมิให้อุ่นขึ้นมาแล้วทําให้ร่างกายแข็งแรงเมื่อทํอย่างง่อยปากให้แข็งแรงแล้ววิธีการเจาะเจาะที่เดิมยังไงเจาะไปเรื่ย ๆ, ๆ, ๆเดี๋ยวเปลือกไข่ฉีกออกมาแล้วก็ใช้กรงเล็บฉีกเปลือกไข่เดินออกมสู่โลกว้างที่เป็นอิสระเสรีภาพยังไงเนี่ยหลักการวิธีการดังเนี้ยพุทธเจ้าบอกไว้หมดใช่ไหมเราก็เลยไม่ต้องไปยุ่งยากในการที่จะไปลองผิดลองถูก ก็คือทําตามหลักการนั้นก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้เลยเต้นเราเนี้เนี่ยก็เลยบอกให้ยอมเข้าฟังเพื่อโยมเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาเข้าใจผิดเขาไปเชื่อมั่นพุทธเจ้าและไม่เชื่อมั่นตัวเองการไม่เชื่อมั่นตัวเองและเชื่อว่าไม่เชื่อมั่นพทธเจ้าด้วยใช่ไหมเพราะพระเจ้าเป็นมนุษย์ยนี่เป็นต้นเอาทีนี้ก็มาพูดถึงในเรื่องขอ ง, ของคําว่าปุเพกต่ายเฮตัวท้ก็คือคนที่ไป พราะไปนอนคอยกรรมในอดีตก็เลยไม่ค้นคว้าในปัจจุบันอันนี้แปลว่าเสียหายหนึ่งส่วนส่วนในปัจจุบันเนี่ยเสียหายส่วนในอดีตมันมีอยู่นีไม่ใช่ไม่มีแต่ไปรอแต่อดีตให้ผลปัจจุบันไม่ไม่สร้างเหตุปัจจัยก็ไม่ประสบความสําเร็จนี่นี่ประการหนึ่งประการที่สองเชื่อพระเจ้าดนบันดาลพวกนี้เสียหายสองส่วนเสียหายสองส่วนก็คือ พากาพรม์จาได้ไหมที่พระเจ้าขึ้นไปโปรดพากาพม์พากาพม์มีความเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้สร้างพากาพรมนี่แหละเป็นคนเข้าใจผิดไปเกิดแล้วอายุนานมากมากๆๆกพอนานแล้วปุ๊บนะกเข้าก็ลืมมา ด, ดีพอลืมมาดีดขึ้นมาก็คิดเอ๊ะอยากจะมีเพื่อนนัเข้านัเข้าพรหมปริศชาเกิดขึ้นพรหมบรโยโิตาเกิดขึ้นก็เลยสําคัญว่าเออตนเองคิดอะไรแล้วได้อย่างนั้นก็เลยสําคัญว่าเนี่ยเราคิดอะไรก็เป็นอย่างนั้น แล้วต่อมาไอ้พรมน้องๆเนี่ยตายไปหมดอายุ ข, ขายตายมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทาฌานสมาบาัติระลึกชาติได้ก็เลยไปสําคัญผิดว่าโอ้เพราะพรมเป็นผู้สร้างเราเราเป็นผู้ถูกสร้างเพราะผมก็หลงตัวเองว่าตัวนี้เป็นผู้สร้างอันนี้ก็เป็นทิฐิประเภทหนึ่งแล้วต่อมาพุทธเจ้าก็ไปทวนความจําไปทวนความจําที่แรกจริงๆพอพุทธเจ้าขึ้นไปพบเนี่ยก็แสดงฤทธิ์แข่งกันใช่ไหมไปแสดงฤทธิ์แข่งกันนี่แหละแล้วก็ พระพเจ้าแสดงฤทธิ์ให้พรมเนี่ยหาพรมไม่สามารถหาเจอได้ยินแต่พระเสือเสียงแต่ไม่รู้ว่าที่แรกจริงๆเนี่ยให้พรมก่อนให้พรมแสดงพรมจะแสดงฤทธิ์เพื่อหายองคปัจจุบันนี่แหล ะ, อ, ะอง์ปัจจุบันนี่แหละพอพระเจ้าขึ้นไปแล้ว พ, พรมเนี่ยจะจะหนีอา้าวพอหายวับ เข้าสมาบัตดเอาฌานเป็นฐานอันญปิญยาก็ทําให้อัตลท า, านไปพระเจ้าก็ชีว้วันนี้เธออยู่ตรงเนี้ไม่ว่าจะหายหายไปที่ไหนจะไปหน้าที่ไหนพระเจ้าก็เห็นหมดแสดงฤทธิ์แบบไหนก็สามารถและไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้พระต่อหน้าพุระเจ้าในที่สุดเน่ยก็อยู่ตรงนั้นแหละก็เลยยอมก็บอกเอา้างั้นให้พระเจ้าแสดงพระเจ้าก็เลยหายวบไปเลยทตเนี้ยแต่เหลือแต่เสียงผมก็ใช้ อำนาจของตนเองมองดูทั่วทุกจักรวาลเนี่ยไม่เห็นพระเจ้ทาทำยังไงก็ไม่เห็นทำยังไงก็ไม่เห็นก็เลยยอมบอกว่ายอมแล้วขอพระเจ้าออกมาคือพระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่บนศีรษะพรมนี่ก็เลยอราธนาพระเจ้าบอกต้องพูดให้เพาะเพาะถึงจะลงเลยทักพูดอ้อนวอนปัจจุบันเขาก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงที่เวลาพระจะขึ้นเทศก็จะมีเพลงเนี้อัญเชิญพระขึ้นเทศ เวลาพระจะลงจากธรรมะก็เลยมาแต่งเป็นเพลงเป็นทุกวันก็เพลงนี้แหละพระพรมอรรัตนนายพระเจ้าเสด็จลงมาจากศรีรษะตัวเองเนี่ยไม่ใช่กวนอะไรเรื่องเนี่ยพรมตัวนี้มิจฉาทิฏฐิพอพระเจ้าให้ระลึกได้ก็รู้ตัวอ๋อเราไม่ใช่ผู้สร้างสรุปแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้สร้างนี่คือความเข้าใจผิดนะ ได้สมาบัติตนะ ม, มีมีเดินไอทําสมาบัติให้เกิดขึ้นเ ม, มื่อได้สมาธิเกิดขึ้นเออจึงไปเกิดเป็นพรหมทีนี้พอไปเกิดเป็นพรหมพอยุยืนแล้วลืมลืมในดีดก็เลยสําคัญว่าตัวเองเป็นผู้สร้างแล้วต่อมาพุทธเจ้าก็ไปแก้ทิฏฐิเนี่ยแล้วพรหมนี่ก็ได้ไรรบรรลุตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปอ ก็ตายแล้วชานไม่เสือ่อมต้องใช้คำว่าชานไม่เสือ่อมเอนี่ยก็ไปการเป็นพรมไม่ยากใช่ไหมไปเป็นพรมนี่ไม่ยากทีนี้ <c oughs> พอเนี่ยลักษณะนี้ก็จะจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งไปเชื่อว่าพระพรมก็ดีเทวะเจ้าเป็นผู้สร้างความเข้าใจนั้นผิดไม่มีอยู่จริงซึ่งผิดกับแรกนะแรกยังพอมีอยู่จริงบ้างกรรมในอดีต พอเอาความเชื่อไปฝากไว้กับเทพเจ้าหรือพระพรหม porn, หรือพระเทพเจ้าหรือ than, เทวดาเป็นผู้สร้างเป็นผู้โดนดันในอดีตแล้วเนี่ยตนเองก็ไม่ขนขวายต้องอ้อนวอนขอเลยเสียหายสองส่วนเลยนะอดีตก็เข้าใจ nee. ผิดปัจจุบันก็ไม่ขนขวายไม่เชื่อความเพียรในปัจจุบันไม่เชื่อปัญญาในปัจจุบันไม่เชื่อฉันท่าในปัจจุบันเข้าใจนะเสียหายสองส่วนไอเนี่ยเสียหายสองส่วนแล้วประการสุดท้ายเนี่ยโอ้เสียหายเยอะเลย ก็คืออเหตุกาวาธาไปเชื่อดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันมีเรื่องสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันทุกอย่างมีเหตุปัจจัยเกิดแต่เราจะไปรู้หรือไม่กันนั้นเองมันมีเรื่องเล่าที่ฉันเคยเล่าบ่อยๆที่บอกว่ามีพระเจ้าไปดินสองเมืองเนี่ยไปนับถือฤาษีเนี่ยฤาษีเนี่ยเป็นคนที่ตาบดเนี่ยเป็นคนที่ชํานาญในการดูดวงดาวด้วยแล้วได้ฌานสมาบัติ ด, ด้วยนะได้ฌานสมาบัติมีภิญญาที่เป็นโลกิยะด้วย แล้วยังมีเพื่อนเป็นเทวดาด้วยเป็นเท้าสกัดด้วยแล้วสองเมืองเนี่ยเกิดทะเลาะกันสองเมืองนี่เนยเมืองกอกับเมืองขอเนี่ยเกิดทะเลาะกันเมืองกอก็เลยไปหาฤาษีเนี่ยเพราะนับถือฤาษีถามว่าทะเลาะกันเนี่ยใครจะชนะฤาษีก็บอกวันพรุ่งนี้มาหาเดี๋ยวขอตรวจดูดวงดาวด้วยแล้วก็จะคํานวณดูเนี่ยจะถามเพื่อนคือเท้าสกัดด้วยพอไปเปิดเสร็จก็คํานวณ คำนวณเบ็ศเสร็จแล้วก็ดูทั้งที่ความสามารถตนเองด้วยพระเทวดาเพื่อนมาก็ปรึกษาด้วยถามก็บอกว่าเนี่ยเมืองกอชนะทะลบกันเนี่ยลุ่งขึ้นพระเจ้าแผ่นดินเมืองกอก็มาถามบอกว่าเออว่ายังไงท่านอาจารย์ทะเลากันแล้วใครชนะเออเมืองของท่านเนี่ยชนะอีกเมืองเนี่ยแพ้โอโห่หกลับไปดีใจไหมดีใจฮึกเข๋อมมากพร้อมที่อยากจะลบเต็มที่แล้วต่อมาเมืองของก็มาถามเพรนับถือเหมือนกันเนี่ย หเสียก็กแพ้ตรวจดูอย่าไปล็อกเอาไปเมืองขอกลับไปไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยมันคิดว่าอีเราไม่ยอมหมดเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนระบบใหม่ฝึกใหม่ทําอะไรใหม่เข้าไปบอกหัวนหน้านายกรองทั้งหลายเหล่าเนี้ยกองกําลังทหารวางแผนการลบใหม่ฝึกขอเวลาหเดือนโอ้ยเล่งฝึกทุกรูปแบบพครบหเดือนก็ประกาศขอท้าลบ ก, กันเลยทีนี้แล้ว ก, กกองทัพสองกองทัพก็เข้าขําหัน รอบกันอยู่ตั้งเป็นสองเดือนสาเดือนผลประกอบใครชนะเนี่ยเมืองขอชนะไม่ใช่กอแล้วโอ้โหกอเกือบตัวไม่รอดนี่หนีหนีเกือบตัวไม่รอดวิ่งวิ่งพ่านเนี่ยอาสมหรือศีบนเขาเนี่ยไม่ได้ด่าให้สาใจหน่อยเถอะเข้าไป <c oughs> ไปก็ไปหาแต่โกนด่าไวปฤษีโกหกเนี่ยทําเรายับเยินประเทศเรากเกือบพัง น, น, นี่เราเกือบตายในสนามรบด้วยไหนว่าเราจะชนะ เราก็ฮึ่เกิมเต็มที่ต่อสู้เต็มที่ทําไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยโอ้โหสีหมดแล้วชื่อเสียงฉันปนปี่หมดแล้วรอเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ที่เทวดามาไม่โยนความผิดใส่เทวดาเลยแต่เนี้ยพอท้าสก่ามาก็ตําหนีเทวดาอย่างแรงเลยโหเห็นไหมเนี่ยชื่อเสียงที่เราสั่งสมมาทั้งชีวิตเนี่ยมาพังพระท่านนี่แหละเทวดาว่าไงรู้ไหมเทวด า, วาบอกว่าความเพียรของมนุษย์ความอดทนของมนุษย์ ความฉลาดของมนุษย์ความมุ่ง ม, มั่นความไม่ย่อท้อของมนุษย์แม้เทวดาพรมและดวงดาวก็ห้ามความสำเร็จของมนุษย์ไม่ได้เราจะว่าไงนีใช่ไหม <laughs> เรื่องเราจะท้ออยู่ทำไมจะ <laughs> ไม่ล่ะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและฝึกได้นะเห็นไหมดวงดาวดวงจันทร์เทพเจ้าหรือไครๆเนี่ย ไปห้ามความสําเร็จของมนุษย์ได้ไหมไม่ได้เลยหนึ่งปัญญาเนี่ยนะความเพียนขันติเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้ความบากบานก้าวไปใจสู้เทวดาแล้วก็ดวงดาวเป็นต้นไม่สามารถจะห้ามความสําเร็จของมนุษย์ได้เอางี้วัสดสตีมานพร้อมด้วยเสยนามานขัดขวางการบรรลุสัมมาสัพพะริยญาณพระเจ้าได้ไหมโอ้เห็นไหมเนี่ยเห็นชัดเลยอะ เมื่อพุทเจ้าดึงทานบารมีศีลบารมีเนคขมารปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาเวหาบารมีมาเป็นเกาะเลยคุ้มครองกระแสชีวิตเลยเอาสิเนี่ยมุ่งมันเลยไม่ลุกเด็ดขาดเนี่ยเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งไปหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้ตัดส้วนุตตะสัมมาสัมพทาญาจะไม่ลุกจากบันลังนี้เอาลสิตอนเนี้ยอ้างบารมีทั้งหมดเลยนี้เห็นไหมเนี่ยเรียบร้อย งั้นมารพรมเทวดาทั้งหลายห้ามความสำเร็จของมนุษย์ไม่ได้หรอกอันนี้คืออันนี้คือหลักการในพุทธศาสนาสอนอย่างนี้นะหลักการสอนความจริงแบบนี้เลยไม่ใท้อถอยต่ออย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับเทพเจ้าอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับกรรมในอดีตอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับดวงดาวดวงดว ง, ดวงบนท้องฟ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แต่ให้เอาชีวิตไปฝากไว้กับปัญญานะีฝากไว้กับความเพียรฝากไว้กับขันติที่จะฝึก ปรื้ให้มีให้เกิดขึ้นใช่ไหมเออจะมองอย่างนี้ก็เห็นชัดเลยนี่นี่พอจะเข้าใจหลักการตรงนี้นเลอยอจะจะถามเรื่องอะไรไม่มีเลยว่าบีถามเรื่อง คืออย่างนี้หลักการมันมีว่าให้ในทานวัตถุเนี่ยมันจะมีการให้ทานให้ทานระหวหังผลตอบแทนใช่ไหมเออให้ตามประเพณีก็มีให้ให้แบบฉันทาทานังโทสาทานังโมหาทานังพยะทานนางกุรังสะทานังสักขะาทานนางเป็นต้นเลยเหล่านี้ไม่เรีย ก, กว่าเบลมีทั้งหมดเลย โดยสรุปตรงยิงก็คือให้ทานและมีตัณหาความอยากมาน่าความยกตนชูตนเปรียบเทียบตนทิฏฐิคือความมินผิดเข้ามากํากับไม่เดียวกก ห, หมดเลยเป็ น, ปนพระ เ, เจ้าใช้คำว่ามีผลมากแต่มีอา น, นิสงส์ไม่มาก <laughs> ไม่แน่ใจนั่นถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของทานบว ร, รมีเนี่ยเขาจะมีจุดหมายเพื่อใช่หมหนึ่งการสละทรัพย์ใครนอกทั้งหมด แต่วัตถุประสงค์เพื่อสัมมาสัมพธิยานมีจุดหมายอย่างนี้นะที่เป็นพระพุทธเจ้านะี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าเนะี่ยอ๋ออย่างนี้ก็เป็นทานธรรมดานี่แหละทานธรมนธรมดาเพราะว่าทานบา ร, รมีเนี่ยต้องมีปัญญาเป็นตัวกํากับเป็นวิจัยยาทานังศีลบา ร, รมีก็ต้องมีปัญญานําหน้า เนคขมาบารมีก็ต้องมีปัญญานําหน้าวิริยะบารมีขันติสจ่าที่ฐานหน้าทั้งหลายเหล่านี้จะต้องมีปัญญาเป็นตัวกํากับในการพิจารณาเพื่อกําจัดไอราคะโทสาโมหะที่เกิดขึ้นในขณะที่จะให้ทานเนี่ยเพราะการให้ทานในลักษณะนี้จะสังเกตดูว่าถ้าเป็นทานบารมีก็คือกล้าสละแม้วัตถุที่ตนเองรักก็ยังกล้าสละกล้าให้เลยนะเป็นการสละข้างนอกไม่พอสละข้างในด้วยแล้วกล้าสละอวัยวะด้วยใช่ไหม อวัยวะมีเลือดมีตับไตเป็นต้นเหล่านี้กล้าที่จะสละดูราการออกมากล้าสละชีวิตดูยอย่างเงี้ยเรื่องทานบารมีทานนอุปปาลามีและทานนับรมาทบารมีก็เป็นก็เป็นศีลก็เป็นอยู่แล้ว คือคำว่าศีลเนี่ยหมายถึงศีลนะนะสาวเนียนแปลว่าการที่ว่าทํากายกรรมวจีกรรมให้เรียบร้อยดีงามไม่ซ่านไปด้วยความเป็นผู้ทุศีลใช่ไหมลักษณะของเขาเนี่ยแล้วก็กิจของศีลก็คือทําลายกายทุจริตวจีทุจริตทําลายอาชีพที่ผิดได้เนี่ยเป็นไปกับอาชีพที่ถูกต้องส่วนผลประกอบก็คือกายสะอาดวาจาสะอาดสภาพจิตใจที่ดีงามเกิดขึ้นเหตุใกล้ของศีลคือ ความละอายต่อบาปความกลัวเกงกลัวต่อบาปแล้วก็มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรายเป็นต้นเหล่านี้เป็นตัวกระตุนต้นเตือนทําำให้เกิดขึ้นจาการรักษาศีลเอาต้องดูด้วยว่าตอนนั้นเน่เขางดเว้นไหมเขามีสภาพจิตใจที่งดเว้นไหมเอาอย่างยกตัวอย่างนะ อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าคนทั่วๆไปอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดการไม่พูดเทด็จใดๆเลยกับใครพูดกับธรรมดา น, นี่แหละแล้วก็ไม่ได้ไปดื่มของบินเมาใดๆเล ย, เยแต่ถามว่ามีเจตนาไหมมีเจตนาจะ ง, งดเว้นไห ม, ไ ม, มโอ้อย่างนั้นก็ไม่เป็นศียนก็เป็นปกติชีวิตเขาอย่างนั้นเลยถ้าเป็นกุศลเสียเนี่ยมันไม่เป็นไงเพราะเีลจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการละบาป ก็ต้องดูว่าตอนนั้นสภาพกุศลก็เกิดขึ้นไหมถ้าเราพูดถึงด้านศีลแบบธรรมดาธรรมชาติของเขาเราพูดได้แต่ถ้าศีลที่จะเป็นปัจจัยเก่การที่จะพัฒนาต่อไปนี่ไม่เป็นนะโอ้ถ้าอย่างนั้นุ่งแล้วนกประคังกลงไว้ก็เป็นศีลหมดศีลไม่ได้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์เลยเลยเอาคนไปติดคุกไว้ คนไปติดโคกเนี่ยก็มีศีลดีทั้งนั้นเนี่ยเอางี้นะ<า>ยอมทวิตข า, ขายของเนาะตอนเช้าเปิดพอผ่านไปห้านาทีก็ปิด ม, มันจะขายของได้ไหมขายของได้ไหมกรณีนี้ก็เหมือนกันกรณีที่ว่าศีลไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแต่เขาก็ไม่ฆ่าสัตว์เหตุผลเพราะเขากลัว ตำรวจจะจับเขาไม่รักษาบกลัวตำรวจจะจับเขาคิดไปต้นอนะไรเนีไอ้กรณีแบบนี้มันเกี่ยวกับในในกรณีที่เขากายกรรมวจีกรรมอาชีพของเขามันเป็นไปกับความเรียบร้อยดีงามไหมก็มีเจตจํานงตรงนี้เขาเห็นโทษภัยของเขาเกิดขึ้นจริงๆริงไหมแล้วสภาพจิตใจของเขาเนี่ยเขาเกิดปราโมดปิติจากการกระทําอย่างนั้นหรือไม่เพราะเรื่องศีเนี่ยมันเรื่องความเข้าใจล้วนเลยเนะหนึ่งเจดนาสองปัญญา ปัญญาที่ไปรู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้เหตุรู้ผลตรงเนี้เพิ่งที่จะพัฒนาตัวกุศลศีลให้เกิดขึ้นได้เอาเดี๋ยวจะพูดถึงในเรื่องตรงนี้เนี่ยให้สังเกตตัวนะว่าที่ยอมโจ้ถามประเด็นปัญหาเรื่องขันห้าเนี่ยทําไมเวลาเราเจริญศีลหรือเราเจริญกุศลธรรมมันจึงได้ผลไม่เต็มเ<อ>ม็ด เ, เต็มหน่วยมันมาจากอะไรมันมาจากความว่าไม่รู้ส่วนประกอบของชีวิตนี่แหละ เพราะคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจด้วยความเป็นสัตว์บุคคลใช่ไหมไม่ได้เข้าใจด้วยความเป็นขันห้าเราไปเข้าใจเป็นเราหมดเลยนะเนี่ยทีนี้ในสภาพของรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยในกระแสของชีวิตเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่5้าส่วนเนี่ยก็แบ่งเป็นขันห้าเนี่ยทีนี้องค์าประยบเนี่ยเพราะขันห้าประชุมกันอยู่จึงมาบัญญัติเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชายเป็นหญิงเนี่ยมันเข้าใจตรงนี้นะ แท้ที่ М, จริงก็คือมันมีองค์ประกอบอยู่หนึ่งในส่วนของรูปขันนั่นแหละกรูปประสันฐานรูปขันในส่วนของรูปสันฐานก็คือรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยทั้งร่างกายทั้งหมดแล้วก็พฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้ ง, งหมดเลยพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาทั้งหลายเหล่านี้การยืนการเดินการนั่งการนอนการทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดอ่อนพฤติกรรมที่ออกมาทั้งหมดนี้เป็นส่วนของรูปธรรมล้วนๆเลยถ้าเจาะเข้าไปข้างในก็คือกลุ่มมหาพุทธลูปและก็อุปาทายรูป ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกูปาทยโรปก็มีพวกจากครูประสาทในประสาทตาโสตประสาทประสาทหูชิวหาประสาทใช่ไหมประสาทลิ้นคานาประสาทประสาทจมูกกายยับประสาทที่อยู่ทั่วแผ่นกายทั้งหมดนี้เป็นต้นไอตัวนี้ก็คือกลุ่มของอุปาทายรูปรูปที่ไปอาศัยดินน้ําไฟลมอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นส่วนของรูปธรรม ถ้าเรามองไปเจาะไปตามที่เราเห็นหยาบๆกันหน่อยก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไตใหญ่ไตน้อยหันใหม่หันเก่ามันสมองนี่กลุ่มาธาตุดินแต่ในนั้นก็มีดินน้ําไฟลมอยู่นะในผมในขนในเล็บในฟันในหนังเนี่ยก็จะมีาธาตุดินาธาตุน้ําธาตุไฟาธาตุลมจะมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาอย่างเงี้ยนะจะมีทั้งหมหาพุทธลูปแลป้วปาไทายรูปมันอาศัยกันอยู่นี่คือกลุ่มรูปธรรมทั้งหลายแต่รูป รู ป, ปสันฐ า, huh. า, านทั้งหลายเหล่านี้เราไม่สามารถเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงมันได้เลยใช่ไหมแต่พอมองแยกค่อยๆแยกแยกแยกแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนออกมาเนี่ยไอ้ส่วนเหล่านี้เขาเรียกรูปธรรมยากไหมแบบเนี้นี่ไส่วนรูปธรรมทั้งหลายเหล่าเนี้ยเขาเรียกว่ามันก็แล้วส่วนของดีสเลตหนองเลือดเหงือมันค้นน้ําตาเปรียวมาทั้งหลายนี่กลุ่มธาตุน้ําถ้ากลุ่มธาตุลมก็มีลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องล่างถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ย ลมในช่องท้องลมในลใําไส้ลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ที่ทําให้กระดิกมือกระดิกเท้าเดินเนี่ยเนี่ยเป็นต้นอะไรเนี่ยแล้วก็ลมหายใจเข้าออกอันนี้กลุ่มธาตุลมนี่ก็กลุ่มรูปธรรมหมดเลยนะแล้วไฟไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายสุดโทมไฟเผาอาหารที่เรากินอาหารกันเข้าไปเนี่ยย่อยอาหารเนี่ยกลุ่มพวกนี้ไฟที่ทําให้แกงงอมป่วยไข้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี้กลุ่มธาตุไฟสรุปก็คือมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม เนี่ยมันมันหมุนอยู่ในกระแสชีวิตเราตลอดเวลาเลยอันนี้กลุ่มรูปธรรมหมดเลยนะเนี่ยนี่คือรู ป, ปรสันฐานเป็นรูปธรรมทั้งส่วนที่รูปหยาบแล้วก็รูปละเอียดอันนี้คือชีวิตไหมใช่ชีวิตนเนี่ยเนี่ยชีวิตในส่วนของรู ป, ปรกรรมรูปธรรมทั้งหลายที่มันเป็นเป็นตัวพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกายแล้วก็เป็นสะสรพลังงานฝ่ายวัตถุด้วยพร้อมทั้งคุณสมบัติพฤติกรรมต่าง ที่มันเกิดจากศาสสารพลังงานนั้นๆเป็นต้นเนี่ยมันก็เห็นชัดเลยทีแต่เราไม่เคยได้ไปเรียนเจาะรายละเอียดตรงนี้ไหมในส่วนรูปธรรมทีนี้ไอ้ส่วนรูปธรรมเหล่านี้มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเกิดจากกรรมบ้างเกิดจากจิตบ้างเกิดจากตตูบ้างเกิดจากอาหารบ้างเอาละสิแต่เนี้ยเห็นไหมทั้งหมดเหล่านี้กลุ่มของรูปธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนี่เป็นส่วนของส่วนหนึ่งของชีวิต อภิการที่สองคือเวทนานี่เจาะไปนามธทําแล้วเวทนาภาษาไทยเรียกเวทนาได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเวลามันเกิดจากภาษาในตัวเวทนาเนี่ยใช่ไหมความรู้สึกสุขมีใช่ไห ม, ม, ม, ไหมเป็นนามธรรมไหมมันเป็นคุณสมบัติของจิตนะสุขทุกข์เนี่ ย, ยแล้วก็เฉยๆนี่เขาเรียกเวทนาอาจจะบอกวสุขเวทนาทุกขเวทน า, ท, า, นาทุกขมาสุขเวทนาก็ว่ากันไป พอเห็นเนี่ยนะจากการเห็นปุ๊บก็เกิดสุขเวทนาได้เกิดทุกเวทนาได้ใช่ไหมการได้ยินการได้กลิ่นทั้งหลายอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยสรุปแล้วก็นี้กลุ่มเวทนาโดยมากเกิดจะเราทุกวันไหมตอนนี้สุขเวทนาหรือทุกเวทนาตอนนี้เป็นสุขเวทนาหรือทุกเวทน า, อ เ, นาเอาด้านไหนเอาด้านจิตใจเอาด้านจิตใจ เห็นไมมันจะมีทั้งส่วนของว่าสุุกายทุกกายนแล้วก็ความรู้สึกเฉยๆบางทีก็มีโทมานัสด้วยเนี่ยลักษณะเนี้ยเขาเรียกตัวเวทนาขันอันนี้กลุ่มนา ม, มาทมประการที่3คือสัญญาเนี่ยไอความกำหนดหมายเนี่ยหมายรู้เนี่ยกำหนดเครื่องหมายลักษณะจำในรูปจำในเสียงจำในกลิ่นจำในรสจำในสัมผัส จำในเรื่องราวจำทั้งในอดีตทั้งหลานนี่ยตัวสัญญานี่สสำคัญมากเลยนะตัวสัญญาเนี่ขาเรียกว่าเป็นตัวจิตสังขารสาคัญมากในอดีตที่เราจำจำจจำ จ, ำจำอะไรมา น, นะไอตัวเนี้ยบางทีคนบางคนเป็นมีอกุศลสัญญาเยอะเข้าใจคำว่าอากุศลสัญญาไหมไปจำเรื่องที่ไม่ดีไปเยอะเช่นเราไปจำว่าเราเคยมีความสุขกับผู้หญิง มีความทุกข์กับผู้หญิงใช่ไหมนะความสุขความทุกข์ที่เราเคยเนี่ยที่เราเคยมีสุขมีทุกข์เคยไปเที่ยวด้วยกันไปเล่นด้วยกันไปทำกิจกรรมร่วมกั น, นความจำเหล่านี้หรือเคยตำหนิกันด่าว่าการขัดแย้งกันอะไรก็แล้วแต่หรือไปจาเรื่องอื่นก็ได้ที่มันเป็นอกุศลสัญญาทั้งๆเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านไปแล้วเรื่องราวเหล่านั้นหมดไปแล้ว แต่สัญญาเหล่านั้นมันถูกเก็บไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้พอมันเก็บมาเรียบร้อยสัญญาเหล่านี้มันพร้อมที่จะมาเปลี่ยนเป็นปั่นจะสัญญาได้คำว่าปัันจะสัญญาเขาเรียกิเลสสัญญาก็เรียกสัญญาตรงนี้จะเป็นสกิเลสตัวปั่นมันจะปั่นใจให้กลุ่มปั่นความคิดปั่นความเพียรปั่นความกลุ้มปั่นปั่นความเหงาว้าวเกิดขึ้นมาทันทีเคยเป็นไหมล่ะเคยอยู่เนี่ยมัน มันจะเกิดขึ้นมาในยามที่เราไม่มีกิจกรรมในปัจจุบันนี่ทํา ไ, ไปอยู่ง่อยๆเ ง, งาๆขึ้นมาก็คิดหรือไปเจอเหตุการณ์คล้ายๆหรือเจอเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่มันก็จะฟกกลับขึ้นมาแล้วมันจะจินตนาการไปเลยเนีก็จะทําให้สุขให้ทุกข์ให้สมหวังผิดหวงังเนี่ยเงาหงอยเศร้าซ้อยบ่นเพ้อลำพันเนี่ยแปลว่าอะไรไอ้สัญญานี้เขาเรียกจริจเรียกว่าเป็นจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งจิต แต่บางคนในยะตรงกันข้ามบางคนจะมีกุศลสัญญาเยอะไปเคยให้ทานยังไงรักษาศีลอย่างไงฟังธรรมยังไ ง, ง, ง, ไ, งไปไหว้พระยังไงไปบูชาพระเจ้าไปฟังธรรมอย่งงางนั้นศึกษาสูตรนั้นศึกษาสูตรนี่นะโอ้ฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิทั้งหลายเหล่านี้ไอความจําตรงนี้เขาเรียกกุศลสัญญาไอกุศลสัญญาก็มาปรุงแต่งจิตเหมือนกันปรุงให้สุขกุศลเกิดขึ้นมาโอ้มีความสุขมากระลึกเมื่อไร่ก็มีความสุขสรุปแล้วกุศลสัญญากับกุศลสัญญาอะไรมากกว่ากัน เห็นไหมอิทธิพลของสังขารและเอเส้น ญ, ญาขันเนียมีอิทธิพลมากไหมมีอิทธิพลมากก็จึงเรียกว่าเป็นจิตตสังขารเวทนาก็ช่วยเสริมสุขทุกเนีตัวเนี้ยสองตัวเนี่ยถ้าไปดูในเวทไปดูในอานาปานาสติสูตรเนี่ยพระเจ้าจะบอกว่าเป็นจิตสังขารองคทำได้แก่สัญญาและเวทนาเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานด้วยเป็นตัวปุงแต่งมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์มา นนมนุษย์หลายๆคนก็เนี่ยสร้างกุศลสัญญากุศลสัญญากันโดยส่วนใหญ่เป็นอกุศลสัญญาง <c oughs> ั้นบางทีเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็จําตั้งแต่สมัยที่เคยมีความสุขความทุกข์ยังไงแล้วบางคนก็อยากอยากจะให้สถานการณ์เก่าๆมันย้อนกลับมาใหม่พยายามทุกวิถีทางนะทั้งความทั้งใช้วิธีการทั้งหลายมากมายอยากให้เหตุการณ์ต่างๆมันกลับมาแต่มันไม่มาแล้วเข้าใจไหม มันผ่านไปแล้วคือถึงแม้จะเอาคนเดิมมาไปจับมันมาก็ได้ไปบังคับมันมาให้มาอยู่อย่างเดิมเดิมความรู้สึกเดิมเดิมมันหายไปหมดแล้วมันจะไปต่อยังไงมันสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันจะกลับย้อนมาได้ยังไงมันก็เป็นความรู้สึกใหม่บุคคลใหม่ใช่ไหมเพราะสถานการณ์นั้นมันเปลี่ยนไปหมดเหมือนน้าเนี่ยเมื่อวานนี้มันขุนแต่อาการขุนมันหายไป แต่ไอความรู้สึกของเราที่มันไม่ยอมหายแล้วลองสังเกตดูทีเราไม่อยู่กับความเป็นจริงอะ่ะมองออกไห่ครับว่าความเป็นจริงเนี่ยคือกระแสชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ทุกวินาทีเราต้องมองอะไรได้โดยตลอดสายอย่าไปมองแบบบล็อกและจำไว้แค่ตรงนั้นอย่างที่ได้ยอมโจ้ไปจำได้แต่เฉพาะว่าตอนเอง เ, ออเคยเคยอยู่กับเพื่อนแล้วก็จำเหตุการณ์ตรงนั้น่ะ แล้วก็อยากให้สถานการณ์นั้นมันเป็นอย่างเดิมมันจะเป็นได้ยังไงถ้าเราดูเหมือนเงี้ยถ้าเราดูดูมนุษย์ก็ต้องดูตั้งแต่อย่างว่าถ้าเราจะดูวันหนึ่งจะดูแต่เช้าเหมือนภาพเคลื่อนไหวดูแต่เช้าเหมือนถ่ายภาพภาพวิดีโอนี่ต้องดูตลอดสายจนถึงเย็นดูกระแสชีวิตก็เหมือนกันต้องดูว่ามันเปลี่ยนแปลงทุกขณะยังไงต้องสามารถเห็นสัญญามไม่ใช่ไปบล็อกไว้ตรงนั้นอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็มาจําไว้ในใจ แล้วก็มาปรุงแต่งต่อแปลว่าเราอยู่กับความเป็นจริงไหมเนี่ยเราอยู่กับอยู่กับความคิดหรืออยู่กับความจริงความเห็นอยู่กับความคิดเห็นแล้วก็ไปปรุงแต่งนั้นมนุษย์ก็จะสามารถสร้างจินตนาการปรุงแต่งแม้แต่ในเรื่องของกุศลนะสมาธิกุศทานากุศลศีลกุศลสมาธิกุศลเป็นเรื่องการปรุงแต่งหมดเลยนั้นคนที่เขาเดินสมาธิได้หรือไม่ได้ทั้งหลายใครปรุงแต่งสุขได้คนนั้นก็ได้สมาธิ ถ้าปรุงแต่งไม่ได้จบไม่สามารถจะทําสมาธิได้ทั้งหมดนี้เขาเรียกเป็นสังขารขันเป็นการปรุงแต่งหมดเลยปรุงแต่งทําให้เกิดขึ้นทํากุศลให้เกิดขึ้นพัฒนาขึ้นจากปลาโมดเป็นปีติจากปีติเป็นปัสสติจากปัสสติเป็นสุขสมานาจากสุขสมานาจเป็นสมาธิจากสมาธิระดับที่1เป็นระดับที่2ระดับที่สองเป็นระดับที่3ระดับที่3าเป็นระดับที่4ต่อมาก็เป็นอรูป อารมปสมาบัติระดับที่หนึ่งสองเป็นการปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้นเลยใช่ทั้งหมดเลยเรื่องการปรุงแต่งหมดแต่เป็นการปรุงแต่งสุขไม่ใช่ปรุงแต่งทุกข์เขาจึงแลกสังขารละขันนี่เห็นไหมเนี่ยพอสัญญาก็มาสังขารสังขารได้แก่องค์ประกอบหรือคุณสมบัติของจิตมีเจตนาเป็นตัว น, นํานีซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วเป็นกลางๆได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยปรุงแต่งการตรึกนึกคิด ในการแสดงออกมาทางกายวาจาเป็นต้นเหล่าเนี้ยเป็นเรื่องของเจตนาเป็นตัวกระตุ้นเตือนเคยได้ยินคําว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิเจตยิตวาเป็นต้นเหล่านี้ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเมื่อบุคคลคิดแล้วนะเมื่อบุคคลมีเจตจานงแล้วจึงทําจึงพูดจึงคิดอันนี้แสดงให้เห็นชัดเลยเนะี่ยกรรมเนี่ยใช่เจตนาไหมเจตนาตัวเดียวเป็นกรรมได้ทั้งหมดไหม ไม่ได้นะต้องมีองค์ประกอบเจตขั้นกล่าวถึงเจตนาเป็นตัวนําเท่านั้นเองแต่ลําพังเจตนาแล้วเป็นกรรมไม่ได้ต้องมีเวทนาเข้ามาประกอบต้องมีสัญญาเข้ามาประกอบต้องมีสังขารขันเข้ามาประกอบและต้องมีวิญญาณขันเข้ามาประกอบจะต้องมีองค์ประกอบของกลุ่มนา ม, มาทําทั้งหลายเนี่ยเข้ามาร่วมส่งเสริมเจตนาให้เป็นไปตามเจตจําน ง, งทุกอย่างในองค์ประกอบนั้นต้องทํากิจทั้งหมดด้วยมันถึงจะเป็นกรรม เป็นมโนกรรมเมื่อเป็นมโนกรรมแล้วก็กำกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาอย่างนี้เป็นต้นอกีกเขาเรียกว่าสังขารละขั น, นสรุปแล้วก็ 1. เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ใช่ไหมเฉยเฉยสสัญญาความจำได้หมายรู้ 3. ส, สังขารละขันการปรุงแต่งจิตที่เป็นบุญและเป็นบาตแล้วก็ก็วิญญาณเนี่ยการรู้แจ้งอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ลักษณะอย่างนี้ก็คือการเห็นการได้ยินทั้งหลายเล น, นี้พวกวิญญาณขันก็เกิดขึ้นอันนี้คือเป็นด้านขององค์ประกอบของขันห้ายากไหม ย, ยากตรงไหนยากตรงไหนยอมยากไหม ย, ยากใช่ไหม อ้าได้คือคือเมื่อคือเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงในเรื่องของตัวสัญญาเนี่ยเป็นความรู้จําพวกหนึ่งก็หมายถึงการหมายรู้นี่นะการจําลักษณะสวดทรงก็ดีสีสันฐานตลอดถึงชื่อเรียกต่างๆเลยเนี่ยเขียวบ้างขาวบ้างดําบ้าง ดังเบาทุ่มแหลมเป็นต้นอะไนี้โตเก้าอี้ทั้งหลายอะไรนี้เป็นต้นไอ้ที่เราสามารถไปจำสิ่ ง, งต่างๆเหล่า น, นี้ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นตัวกรรําหนดหมายรู้ก็เรียกสัญญาสัญญามีอิทธิพลกับมนุษย์มากมนุษย์ที่จําเรื่องที่ดีไว้ก็จะมีอิทธิพลในการปรุงแต่งจิตในทางเรื่องที่ดีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถจะอยากจะลืมบางเรื่องมันลืมไม่ได้ใครเคยเป็นไหม อยากจะลืมมันมากเลยแล้วไม่อยากจะอยู่กับมันด้วยนะเพราะมันโผล่ขึ้นมาวันไรมันก็นําความทุกข์ความเครียดความกลุ่มมาให้เราใช่ไหมเออวิธีการจะทํำยังไงจะยังไม่บอกก่อนนะตรงนี้คือคือคือให้เข้าใจในเรื่องของคําว่าไอตัวสัญญามันเป็นอย่างนี้ไอความจําหมายทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น มันจะมีสองส่วนจะมีทั้งส่วนของกิเลสสัญญาเขาเรียกปัปปัญจาสัญญาเขาแปลว่าสัญญาซ้อนเสริมขึ้นมาจากการจำธรรมดานี่แหละจำในสีในเสียงในกลิ่นในรสในผลพระจาในเนี่ยสัตว์สิ่งของโต๊ะปากาปลาแมวคนเขาเราท่านเป็นตัวเหล่านี้ในการกำหนดหมายในลักษณะอย่างนี้นี่เป็นความจาฉะนั้นความจาหมายต่างๆเหล่านี้ มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีอิทธิพลถ้าเราไปมีสัญญาซ้อนเสริมขึ้นมาก็คือว่าเราไปเคยจําในสิ่งที่เราทําไม่ดีเคยผิดหวังสมหวังทั้งหลายเราเ่ยเนี่ยเคยเครียดเคยกลุ่มเคยริ้ตกกังวลทั้งหลายอะไรเนี่ยไอความจําต่างๆเราเนี้ยไอตรงเนี้ยจะมีอิทธิพลในการมาทําให้จิตของเราเนี่ยมีความทุกข์มีความกัดกลุ่มแล้วก็เดือดร้อนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิเลสสัญญาหรืออกุศลสัญญาเนี่ยนี ส่วนเวทนาก็เป็นไอเวทนาก็แปลว่าการสวยอารมณ์เนี่ยหรือเสพก็ได้นะบางแห่งก็แปลว่ากินเสพอารมณ์กินอารมณ์รู้สึกต่อสิ่งที่ถูกรับรู้บางครั้งก็รู้สึกสุขบ้างสบายบ้างถูกใจชื่นใจทุกข์บีบคั้นเจ็บปวดบางทีก็เฉยเฉยเราชอบเวทนาประเภทไหนสุขเวทนาใช่ไหมนี่ชอบใช่ไหมรู้สึกว่าถูกใจชื่นใจเนี่ยชอบถ้าทุกข์บีบคั้นเจ็บปวด อันนี้ไม่ชอบถ้าเฉยๆเรื่อยๆเ อ, อยๆก็จะโดยมากก็จะเป็นไปกับโมหะด้วย mm hmm. เห็นไมอันนี้ตะเวทนาก็ตามหลอกหลอนมนุษย์เราอยู่นี่แหละประการต่อมาคือสังขารอันนี้เป็นเครื่องปรุงแต่งคุณภาพจิตนี่นะเจตนาเป็นตัวนํเพอเจตนาเป็นตัวนําถ้าเจตนาที่เป็นไปกับความโลภมันจะเกิดความกาหนัดยินดีนะชวนให้รักชักให้ไติดใจกาหนัดเพลิดเพลิน ถ้าเจตนาที่เป็นกับความโกรธมันจะเกลียดบ้างโกรธบ้างทุกในะวิตกกังวลเป็นต้นเหล่านี้ในนั้นมีเวทนาประกอบด้วยนะแล้วก็เจตนาที่เป็นไปกับความหลงมันจะเป็นไปกับลงัเลงเลสงสัยแล้วก็พุ่งสัน้นเนี่ยนะอันนี้ความหลงของจิตแต่ถ้าเจตนาที่เป็นไปกับการเชื่อมั่นเจตนาที่เป็นไปกับสติไปกระตุ้นเตือนกับสติเนี่เจตนาที่ไปกระตุ้นเตือ น, นปัญญาความรู้ความเข้าใจเป็นต้นเห็นไหมในส่วนของเจสังขารเนี่ยเป็นไปสองส่วนส่วนที่เป็น ส่วนดีและส่วนที่ไม่ดีเป็นต้นแล้เนี่ยทีนี้ตัวสัญญาเนี่ยไอตัวกําหนดหมายรู้อารมณ์เนี่ยว่าประสบอารมณ์ปุ๊บมันก็กําหนดหมายเอาไว้จับมาเทียบเคียงทีนี้ตัวสัญญากับตัวสตินี่มันต่างกันสิสติมันก็อยู่ในลักษณะเหมือนจําเหมือนกันสัญญาเก็บสติก็ดึงดึงข้อมูลออกมาให้ปัญญาตรวจสอบถ้าอย่างนี้ก็ดีใช่ไหม ถ้าไประลึกเนี่ยถ้าปัญญาก็แปลว่ารอบรู้แปลว่าเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วตรงนี้ก็คือทั้งรูปรูปธรรมอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนั้นส่วนของนั้นก็จะเป็นไปตามสภาพของนามธรรมอยู่แล้วในส่วนของเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์นี่เป็นนามธรรมในส่วนของสัญญาความจําได้หมายรู้อันนี้ก็เป็นกลุ่มนามธรรมกลุ่มของสังขาร เจตนาเป็นตัวนํากระตุ้นเตือนทั้งฝ่ายที่ดีและไม่ดีแนวความคิดปรุงแต่งและ ว, วิญญาณก็คือไปจิตพอพูดถึงวิญญาณเนี่ยหลายๆคนคิกว่า <c oughs> มันเหมือนเป็นดวงๆ ว, วิ่งออกจากร่างกายนี่ไม่ใช่ใช่ไหมวิญญาณนี่เป็นกลุ่มนามาทำล้วนๆอย่งนีไหมพอพูดพอบอกถึงวิญญาณปุ๊บสรุปแล้วก็เนี่ยได้ครอบขันห้าเลยหนึ่งรูปขันพระเจ้าบอกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงขันห้าและอุปาทานขันห้าเธอทั้งหลายจงฟังนี่เนะื้อขันห้าเป็นฉไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอน า, าคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวพราณีไกลและใก ล, ใก ล, ใกล้อันนี้อันนี้เรียกว่าขันห้าแล้วอุปาทานขันหเป็นยังไง อุปาทานขัน5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกนอกอยา่าละเอียดเลวประนีตไกลและใกล้ล ก, ล ก, ลก็ตามที่ประกอบไปด้วยอาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทานิยะนี่แหละเหล่านี้เรียกว่าอุปาทานขัน พิกสูทั้งหลายเราจะแสดงทำทั้งที่เป็นที่ตั้งของอุปาทานและตัวอุปาทานเธอทั้งหลายจงฟังเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือทำมันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานส่วนฉันทราคะเนี่ยความชอบใจจนติดหรือความอยากอย่างแรงจนยึด ต, ติดยึด ต, ติดในรูปยึด ต, ติดในเวทนายึด ต, ติดในสัญญายึด ต, ติดในสังขารยึด ต, ติดในวิญญาณนั้นคืออุปาทานในสิ่งนั้นๆ เออแล้วมันจริงๆไหมเรายึดติดไหมในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดที่เป็นส่วนของรูปธรรมว่าเป็นของเราไหมเป็นของเราเนี่ยเวทนาสุขทุกเวลาเกิดขึ้นเรายึดติดไหมว่าเป็นเราสุขเราทุก <c oughs> สัญญาเวลาจําสิ่งที่ดีแล้ไม่ดีทั้งกุศลสัญญาอกุศลสัญญาทั้งกิเลสสัญญาทั้งปปัตจัตสัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจําในเรื่องที่ดีแล้วไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราก็าไปยึดว่าเราจําได้ไหม สุขทุกข์ก็ใช้เราจําก็ได้การปรุงแต่งความคิดทั้งที่เป็นบุญเป็นบาปทั้งที่ดีและไม่ดีทั้งหลายนี้ก็เราเนี่ยเป็นผู้ปรุงแต่งเห็นใครเห็นเราเห็นใครได้ยินเราได้ยินใครได้กลิน่น เ, เราใครลิ้มรสใครสัมผัส ถ, ถูกต้องใครคิดนึกอดีตอนาคตเนี่ยการที่เข้าไปยึดติดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปาทานนะนี่เป็นอุปาทานในสิ่งนั้นๆ น, น, นี่เขาเรียกว่าคือทํามันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานคือฉันทราคะนี่แะ ความชอบใจจนติดและความอยากอย่างแรงความอยากอย่างแรงจนยึดติดในรูปยึดติดในเวทนายึดติดในสัญญาในสัญขาในวิญญาณเป็นต้นเออพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยว่าไม่มีเรายคืออัตตาเนี่ยจริงๆอัตตานี่มีอยู่จริงไหมอัตตามีอยู่จริงหรือไม่จริง ยับจ้ามีจริงไง อ, อัตตามีอยู่จริงไม่จริงออัตตาไม่มีอยู่จริงใช่ไหมขันห้ามีอยู่จริงไหมขันห้ามีอยู่จริงใช่ไหมแต่อัตตาไม่มีอยู่จริงให้สังเกตตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวดูตัวสัญญานี่อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึง สัญญาเนี่ยหมายถึงว่าความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในสัญญาได้กความกำหนดหมายรู้นี่รวมทั้งความรู้ที่เกิดจากการกำหนดหมายความคิดนึกความจำทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้รูปประสัญญาจำในรูปเกี่ยวกับรูปสัทธาสัญญาความจำที่เกี่ยวกับเสียงคันธาสัญญาก็จากลิ่นใช่ไหมจำได้ไหมแล้วก็ราศศสัญญาจำในรส พภถ้าสัญญาก็จำในสิ่งที่มากระทบกายธรรมสัญญาก็จำในเรื่องที่ใจคิดนึกเรื่องราวต่างๆสัญญามีสองระดับดังที่ได้กล่าวระดับแรกเป็นระดับต้นไอ้ความรู้สึกนเนี่ยนะความจำเนี่ยเช่นสีเขียวสีขาวสีดำแข็งอ่อนเปรี้ยวหวานกลมแบนยาวเปอรตเหล่านี้ไอ้ความจำโต๊เก้าอี้ทั้งหลายเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นสัญญา ธรรมดาที่ยังไม่ยังไม่มีอะไรซ้อนเสริมมาทีนี้พอสัญญาที่มันซ้อนเสริมเข้ามายกตัวอย่างเช่นว่ามีความรู้สึกว่าสวยเห็นไหมหน้าเกลียดหน้าชังสัญญาที่ไปจําว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยสัญญาประเภทนี้เขาเรียกปัปปัญจะสัญญาเป็นกิเลสสัญญานะตัวเนี้เป็นสัญญาที่เกิดจากกิเลสนันไอ้ตัวสัญญาที่เกิดจากกิเลสนี่แหละมันเป็นตัวปัญหาขึ้นมา พอไปจําขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บมันก็มีความรู้สึกว่าชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมาเลยจ้ะเนี้ยตัวเวทนาเข้ามาประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีเนี่ยสรุปตรงนี้การที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้ความจริงตรงนี้ได้เพราะการที่เราไปยึด ต, ติดแท้จริงถ้าเราเข้าใจว่ากระบวนการขององค์ประกอบต่างๆของขันห้าเนี่ย ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันประชุมกันอยู่ถ้ามันเข้าใจอย่างนี้เสียเนี่ยมไม่มีปัญหาอะไรนะมนุษย์นะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ไม่ได้ไปเข้าใจอย่างนั้นเพราะมนุษย์เนี่ยไปเข้าใจในเรื่องของความว่าพอมีบอกว่ารูปเวทนาสัญญาพอไปยึด ต, ติดวันเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาเนี่ยอันนี้ปัญหามันมาตามมาตรงนี้แหละมองมองถึงตัวในเรื่องของ พอไปยึดติดว่ารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราพอไปยึดในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ายึดโดยความเป็นอัตตาเป็นตัวตนแล้วพอยึดในเรื่องของความเป็นอัตตาเป็นตัวตนขึ้นมาปุ๊บตรงนี้แหะท่านถึงบอกว่าการไม่เข้าใจตามความเป็นจริงนี้อย่างที่บอกว่าคําว่าอัตตาอัตตาศัพท์เนี่ยมายจากคาว่าอัตมัน ภาษาสัญสกิลก็เรียกอาตมันนะเขาแปลว่าตัวตนที่เป็นแก่นเป็นแกนเราเรามีความเข้าใจกันอย่างนั้นจริงๆเนี่ยในกระแสชีวิตเนี่ยเราไปเข้าใจว่ามันมีมันซึมมันแทรกซ้อนมันแฝงมันอบคมอยู่และเป็นตัวตนที่มันเกิดขึ้นมันสถิตอยู่เป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองด้วยเป็นผู้วงการด้วยมันเข้าใจอย่างนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกว่ารัฐธิภายนอกเนี่ยเขาก็สอนลึกลงไปว่า เบื้องหลังเนี่ยเบื้องหลังของโลกแห่งปรากฏการ์ทั้งหมดนี่แหละมันอยู่เหนืออัตตาเหนืออัตมันก็มีก็มีเคยไปกาหนดว่ามีผู้สร้างมีผู้โดนบันดาลขึ้นมาเรื่องมันเลยไปกันใหญ่เลยทอนี้แท้ที่จริงในคําสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนเสนียะศาสดานี้ใดทั้งในปัจจุบันก็หมายถึงพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็จะไม่บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้ แม้ในเบื้องหน้าคือพระเจ้าจะมาตรัสในเบื้องหน้าก็ไม่บัญญัติอัตราโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้นี้เรียกว่ า, าศาสดาผู้สัมมาสามัมพุทธะก็หมายความว่าเวลาเราจะบัญญัติเป็นชื่อบุคคลแต่ละคนบัญญัติเพื่อให้สื่อกันเท่านั้นเองเพื่อจะได้หมายรู้กันว่าได้ถูกจะได้ไม่เข้าใจผิดพอมอกออกไหม เช่นมาใส่ชื่อว่าบีใส่ชื่อว่าโยมโจใส่ชื่อว่าโยมทวิตจต้นอเนียเนี่ยเวลาบัญญัติอัตตาว่ามันเป็นตัวเป็นตนกันขึ้นมาหรือเป็นชื่อเป็นเราเป็นเขาเป็นเสื้อผ้าเป็นสิ่งของเนี่ยเป็นการบัญญัติแต่มันไม่ได้มีอยู่จริงนะอ่าเป็นสมมุติขึ้นมามันจึงมีการแสดงในเรื่องของสัจจะสองขึ้นมาสัจจะสองก็คือแสดงในเรื่องของสมมติสัจจะก็จริงโดยสมมติ แต่ต้องหมายรู้กันนะด้วยนี่สมมติสมมติชื่อสมมติเป็นเด็กชายเอเป็นผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนสมมติว่าเป็นสามีสมมติว่าเป็นภรรยาสมมติว่าเป็นลูกสมมติว่าเป็นพ่อเอ๊ะแต่บางคนต้องต้องเข้าใจด้วยนะคว่าสมมติเนี่ยสมมติว่าเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสิทธิสมมติว่าเป็นนายจ้างเป็นลูกจ้าง สมมติว่าเป็นพระสมมติว่าเป็นอุบาสกบาสิกาเนี่ยอันนี้คือขั้นการสมมุติแต่เป็นสมมุติที่ต้องปฏิบัติต่อการให้ถูกเห็นไหมแต่ว่าสมมุติเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะลองไปเจาะดูจริงๆไม่มีนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจที่ดินน้ำไปลมสีกินรสโอชาเนี่ยไปเจาะดูที่มันใช่ไหมมันไม่มีอยู่จริงเราและสิ่งเหล่านี้ก็เกิดดับเกิดดับเร็วขนาดไหนเร็วเท่ากับฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บมันเร็วกว่า น, นั้นอีกอะ ทั้งรูปธรรมและนมามธรรมเนี่ยลองคิดที่เราไปยึดไอ้สภาพที่มันเกิดดับรวดเร็วยิ่งกว่าฟ้าแลบเนี่ยว่าเป็นเราเนี่ยขั้นเดียวกัมาเหมือนกวางโง่อะไอ้กวางโง่ตัวหนึ่งมันไปเห็นพยับแดดว่าเป็นน้ํามันวิ่งวิ่งไปเนี่ยยอมไปนั่งรถเร็วๆเลยเห็นพยับแดดเป็นทะเลไหมมันเห็นเหมือนทะเลเลยนะไอ้กวางโง่นี่ก็วิ่งไปมันนึกว่าน้ำจะวิ่งไปกินน้ํา๋อเนื้อกูีอยู่จริง เธอ้อุปมาผูุ้ชนคนบอดทั้งหลายที่ไม่มีไม่มีปัญญาที่ไปเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเหมือนกวางโง่ตัวเนี้ยไปยึดถือรูปธรรมรูปประสันฐานและก็นามธรรมเนี่ยเกิดดับเร็วกว่าฟ้าแลบอีกเกิด<ร>ดับเร็วกว่ารูปธรรมอีกเกิดดับสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้มีแก่นไม่มีแกนไม่มีเราไม่มีของเราอยู่ในนั้นเลยเพราะงั้นเธอแล้วไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ย ท่านเลยอุปมาเหมือนกวางโงต่ตัวนี้แหละที่ไปเห็นพยับแดดว่าเป็นน้ํานี่นแหละมันก็วิ่งที่จะไปจับว่าเรามีเราอยู่แล้วพยายามที่จะจะยึดถือว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราอยู่นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นไปยึดถือในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงฉะนั้นโดยสมมุติแล้วเนี่ยอัตตาต้องบอกว่ามันไม่มีอยู่จริง เพราะอัตตาเนี่ยมันเป็นปัญหาของปัญญาถ้าพัฒนาปัญญาขึ้นมาปุ๊บปล่อยรู้ความจริงมันไม่ต้องไปละนะอัตตาไม่ใช่รมที่ควรละเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอยู่แล้วจะไปละอะไรมันใช่อัตตามันไม่มีตัวตนมันไม่มีอยู่จริงฉะนั้นเขาไม่ให้ละอัตตานะใช่ไมแต่ต้องไปละอะไรละอาทิติละตัณหาที่ไปสําคัญว่ามันมีอัตตา มันต้องไปละไอตัวนี้ตัวตัณหาเนี่ยตัวทิฏฐิเนี่ยตัวความเข้าใจว่ามันมีอัตตาไอความเข้าใจว่ามีตัวมีตนเนี่ยต้องเวละตัวนี้อัตตาไม่ต้องเวละเพราะมันไม่มีแล้วไปละในสิ่งไม่มีเวละได้ยังไงเล่าแต่ทําปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วไปเห็นตามความเป็นจริงเสียมันก็หมดเรื่องแล้วจบแล้วเพราะอัตตาไม่มีไมนมีอยู่จริงใช่ไหมแต่รูปเนี่ยมีอยู่จริงนะเกิดดับสืบต่อมีอยู่จริงเวทนามีอยู่จริงสุขทุกข์เฉยๆมีอยู่จริง สัญญาความจํามีอยู่จริงนะเกิดดาบสืบต่อสังขารปรุงแตง่งทั้งที่เป็นบุญเป็น บ, บาปมีอยู่จริงจกักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายเยาวิญญาณมีอยู่จริงทั้งรูปปสันฐานนามสัน ต, ติเช่นการเห็นเนี่โนะมบีนะเาเรียกว่าทัศนาสันติโอ้โหกระบวนการการเห็นนะปัญจทวารราชนะจักขุวิญญาณสมปตินชนะสนติรณาวัฏวนาชวนะตาตาธาลัมนาดูทิเนี่ยแค่มองพิบไปเนี่ยมันหมุนพบเเกิดดาบสืบต่อเงี้ย คนที่มีปัญญาก็ไปเห็นเลย้เห็นทัศนาสันติการสืบต่อทังทวารตาได้จริงๆด้วยเห็นปัญจทวารวัชนะอวัชนะลูปาลมเห็นจักขูญย า, านทำหน้าที่เห็นลูปาลมสัมปติชนะรับลูปราลมสันตินระ น, นาตัดสินลายส่วนลูปาลมในวัฏฏพนัตัดสินลูปราลมเฉวนะเกษบลูปราลมเฉวนะเจ็ขณะเสพรูปราลมตถาณัสมารับอารมณ์สืบต่อเจ็ดเฉวนะแล้วก็ลงภูวังก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยการเห็นแต่ละจุดจระจุดจนสามารถเห็นเป็นวงกลมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างหรือว่าเป็นวงรีบ้างเนี่ย กว่าจะเห็นครบแต่ละจุดแต่ะจุดนิวโหว่จากคูญานทํากิจอย่างมากมายเลยเก็ดับสืบต่อเป็นทัศนสันตติไอ้นี่เราไม่รู้ความเป็นจริงอย่างนี้ใช่ไหมและเราก็ไปยึดว่าเราเห็นลองคิดดูที่กระบวนการเห็นมันเกิดดับสืบต่อปุ๊บปุบปบ๊เหมือนในไฟที่มันวิ่งอยู่เนี่ยเราเห็นว่าไฟสว่างเนี่ยแต่ที่ไหนได้มันเป็นระบบการสืบต่อติดต่อกันอยู่ต่อเนื่องลองคิดที่เราไปยึดขนาดว่าเราเห็นเนี่ยนี่ความเข้าใจผิดขนาดนั้นเข้าใจใช่ไหม ทัศนะสันติคือการเห็นแต่ละครั้งโอ้โหมันมีกระบวนการสืบดับสืบดับกระดับสืบต่อเราไม่เคยรู้เลยกระบวนการในนั้นมีอะไรบ้างมีตัวจักขู่ประสาเป็นรูปปัะคั้นจักขูวิญญาณเป็นเป็นเป็นวิญญาณขันทาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินจริยมรดิการเป็นทั้งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันปรุงแต่งอยู่ในนั้นเสร็จโอ้สภาพของขันฮะรูปประันห้าทั้งหลายเกิดดับสืบต่อกันอยู่อย่างเงี้ยนี กลุ่มนามมาทำก็เกิดดับสืบต่อญี่ปุ่นเหมือนฟ้าแล้วป๊๊บแป๊บแสืบดับสืบสืดต่อเงี้ยลองคิดดูที่ว่าถ้าเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นในความไปยึดถือว่าเราเป็นผู้เห็นมันหมดแล้วแล้วในคนที่เจริญญาปัญญาก็เขาสามารถเห็นขนาดไหนเขาสามารถไปเห็นตัวรูปธรรมรูปประสันฐานตามความเป็นจริงด้วยเนีว่าแต่ ต่กระจายยังไงเป็นต้นแล้วสามารถไปเห็นนามนธรรมด้วยเห็นกลุ่มนามนธรรมเห็นจกักวิญ ญ, ญาณเนี่ยออทำหน้าที่เห็นยังไงไปเห็นบกผัสสะทํากิจในการกระทบอารมณ์เวทนาทํากิจในการเสวยลดขอังอารมณ์สัญญาจําอารมณ์ยังไงสังขารปรุงแต่งวิญ ญ, ญาณเขาไปรู้อารมณ์ยังไงไปเห็นการสืบต่อกัน เ, นเป็นเขาเรียกว่าสันตติคณะเนี่ยขาดเลยก็ เ, เห็นแต่ละขนาดคณะเห็น แล้วน่ยเขาไปเห็นตัวสมูหะคณะในแต่ละขณะนั้นองค์ประกอบของขันหะองค์ประกอบของนามะทำมีอะไรบ้างแล้วก็ไปเห็นการทําหน้าที่ของเขาแต่ละอย่างก็ทําหน้าที่อะไรความเป็นสัตว์บุคคลจะหมดไหมแบบเนี้นันก็หมดเลยใช่ไหมเนี่ยการไปเห็นในลักษณะทั้งหูเขาเรียกว่าเสาณสันตติก็เกิดดับสืบต่อทั้งจมูกเขาเรียกกายณสันตติก็เกิดดับสืบต่อตลอดในขณะที่รู้กิน การกินอาหารก็เป็นสายชนะสันติการสืบดอกต่อการทางทวารลิ้นทางกายก็เป็นพุดชนะสันติสืบต่อทางใจก็เป็นกินตนะสันติการคิดนึกเอาสิเนี่ยกระบวนการมันเกิดจับสืบต่ออย่างเนี้แล้วมันจะมีถ้าไปเห็นตามความเป็นอย่างนี้จะเห็นสาระไหมสาระของความงามมันจะมีไมั้งไม่มีสาระของความเที่ยงมันก็มีมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดสาระของความที่เป็นสุขมันไม่สุขแล้วมันบีบคั้นมันเบียดเบียนมันขัดแย้งตลอดเวลา สาระของความเป็นตัวตนมันไม่ใช่แล้วมันมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหากมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราจะเบงบังคับอัตตาพระพจาต้องบอกว่าพระพจาตบอกว่าเมื่อบุคคลเห็นถูกต้องสมบูรณ์เนี่เป็นทิฏฐิสัมปันโนนะเป็นพระโสดาบันนะเป็นผู้ไม่อาจจะเป็นไปได้ไม่อาจจะเป็นไปได้ที่ยึดถือทําใดๆว่าเป็นอัตตาอันนี้แปลว่าอะไรเป็นความเห็นที่สมบูรณ์แล้ว เพื่เจ้าบอกก็พลิกษูทั้งหลายสมณะทั้งหลายก็ดีพรามทั้งหลายก็ดีเราใดเหล่าหนึ่งก็ตามทั้งที่มองเห็นอัตตาตัวตนแบบต่างๆหลากหลายเป็นอนเนกอันนี้จริงย่อมมองเห็นอุปาทานขันเหล่านี้ทั้งหมดหรือไม่ก็มองเห็นขันใดขันหนึ่งในบรรดาขันเหล่านั้นว่าเป็นอัตตากวคือบุุรชนในโลกบุตรชนคนบอดนี่นะที่ไม่ได้สดับเนี่ยบางกลุ่มก็มองเห็นรูปเป็นอัตตา แล้วก็มองอัตตาในรูปบ้างมองเห็นรูปอยู่ในอัตตามองอัตตาในรูปบางคลก็มองเป็นสัญญาว่าเป็นเราใช่ไหมบางกลุ่มก็ไปยึดถือสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างเวทนาบ้างเป็นต้นพระเจ้าบอกพระภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะอาศัยอะไรจึงยึดถือก็ทิฏฐิไงทิฏฐิบอกว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา พิสูจทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารนั้นจึงเกิดทิฏฐิว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาตัวตนของเราไอ้ตรงนี้ท่านต้องการจะสอนในเรื่องของทิฐิจะพูดยากไหมวันนี้ยากไหมไม่ยากเลย เ่พราะไปยึดถือตรงนี้แหละก็เลยเป็นสำคัญว่าโดยสรุปอย่างนี้ 1. ไม่มีตัวตนที่แท้ที่จริงในสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นแกนเป็นแก่นมีอยู่จริงนี่นะไม่มีอยู่จริงเพราะเจาะเข้าไปไปพิจัยดูแลไม่มีไม่มีอัตตา 2. ส, สภาพที่ปรากฏนั้นเกิดจากองค์ประกอบมาไปชุมกันแต่งขึ้นพอมีรู ป, ปรขันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาระชุมแต่งกันขึ้น ก็จึงสมมุติเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอาศัยองค์ประกอบรวมกันถ้าแยกชิ้นส่วนองค์ประกอบความเป็นสัตว์บุคคลมันไม่มีท่านก็เลยยกอุปมาเหมือนรถถ้าเอาล้อเอาดุมเอาแรงตังหลายเนี่ยเอามาส่วนประกอบของรถมารวมกันปุ๊บความเป็นรถก็มีใช่ไหมถ้าแยกชิ้นส่วนองค์ประกอบออกไปรถหายไปเลยนี่ก็เหมือนกันเพราะองค์ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับเป็นต้นเหล่านี้ เอาอประกอบของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมารวมกันปุ๊บขึ้นมาความเป็นสัตว์บุคคลก็มีถ้าแยกองค์ประกอบจะไม่มีองค์ประกอบเหล่านั้นเกิดขึ้นสลายอยู่ตลอดเวลาไหมรูปเกิดขึ้นสลายอยู่ตลอดเวลานามธรรมายิ่งเร็วมากทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณสลายตัวอยู่ตลอดเวลาและสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันประมวลขึ้นมาเป็นกระบวนธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกัน ท่านเจ้าอุปมาว่าเร็วกว่าฟ้าแลบและลองคิดดูที่มนุษย์เนี่ยไปยึดสายฟ้าแลบว่าเป็นตัวเป็นตเนตเนี่ยนะกำหนดแยกออกมาเป็นกระบวนการย่อยๆมากมายหลายอย่างมีความสัมพันธ์เป็นปัจจัยต่อการระหว่างตัวกระบวนธรรมนั้นๆเนี่ยเนี่ยองค์ประกอบต่างๆมี4ประการอย่างที่ได้กล่าวไว้สรุปแล้วก็คือว่าไม่มีตัวตนจริงแต่มนุษย์ไปสําคัญว่ามีก็เลยไปติดสมมุติ เอาแล้วแต่นี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างไงพระพุทธเจ้าบอกว่าอาศัยเครื่องไม้เถาเชือกดินฉาบและย่ามุงแล้วก็มีช่องว่างแวดล้อมย่อมเรียกว่าเรือนชั้นใดอาศัยกระดูกอาศัยเส้นเอ็นอาศัยเนื้ออาศัยหนังมีช่องว่างแวดล้อม ย่เรียกว่าเป็นตัวคนเป็นรูปฉั น, นั้นใช่ไหมวชิลาภิกษุณีบอกว่าสัตว์ตัวบุคคล น, นี้ใครสร้างผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์เกิดที่ไหนสัตว์ดับที่ไหนอันนี้มารถามมารถามภิกษุณีภิกษุณีบอกว่านี่แน่มารท่านเชื่อหรือว่าสัตว์ท่านเชื่อไหมว่ามีท่านเชื่อหรือว่าเป็นมีสัตว์ตัวมีบุคคลท่านมีความเห็นอย่างนั้นหรือ การเห็นของท่านน่ยวิปริตในทำรองนี้นเน่ยนี่คือกองสังขารล้วนๆจะหาตัวสัตว์นี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะประชุมส่วนประกอบเข้าด้วยกันย่อมมีศัพท์เรียกว่ารถเนี่ยองค์ป ร, ป, รประกอบของรถเนี่ยชิ้นส่วนของรถเนี่ยเอามาประกอบกันเรียกว่ารถชั้นใดเมื่อขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยกองอห่งรูปธรรมและนามธรรมา ท, ทั้งหลายมีอยู่ก็สมมติเรียกว่าสัตว์ฉั้นนั้นแท้จริงทุก คือสภาพที่ไม่คงที่เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกขท่นั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่สลายไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับแล้วก็บอกว่าร่างกายนี้ไม่มีใครสร้างตัวนี้ก็ไม่มีใครบันดาลอาศัยเหตุมันก็เกิดมีเพราะเหตุสลายมันก็ดับมเมล็ดพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาหว่านไว้ในนาอาศัยรดในแผ่นดินและยางในมเมล็ดพืช ทั้งสองอย่างนั้นก็ย่อมงอกงามขึ้นได้แม้ชัน้นใดก็ฉันนั้นเหมือนกันประดาขันทั้งหลายรูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณาธาตุทั้งหลายมีปฐวีธาตุธาตุดินนะอาโปธาตุธาตุน้ทาทํทาเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตธาตุลมอากาศธาตุช่องว่างวิญญาณธาตุก็คือนามนธรรมอาศัยยตอายตนาทั้ง6 โสตาคานาชิวหากายยะแล้วก็ใจเนี่ยอาศัยตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยแหละเหล่านี้อาศัยเหตุเนี่ยย่อมมีเพราะเหตุสลายก็ย่อมดับโอ้พูดอย่างนี้เหมือนจะไม่ให้ยึดถือกันเลยใช่ไหมจริงๆคือต้องการอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเอาสรุปตรงนี้เลยว่าเวลาเราเห็นบุคคลมองเป็นสองส่วนหนึ่งมองเป็นตัวบุคคล กลับมองไปที่สภาวะให้มองสองส่วนนะถ้ามองไปที่ตัวบุคคลก็เนี่ยเห็นเป็นสาานัตว์บุคคลกลับมองไปที่สภาวธรรมถ้าไปมองที่สภาวธรรมจะเห็นสองส่วนใช่ไหมส่วนหนึ่งเป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งเป็นนามธรรมถ้ามองไปที่ตัวบุคคลเนี่เราเราเราเราจะยึดติดมหมยึดติดหรือไม่ยึดติดยึดติดใช่ไหถ้ามองไปที่สภาวะ ก็จะแยกองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ได้ยอมจอดด้วยเลยงั้นถ้ามองมองไปสองส่วนนะหนึ่งในส่วนของกระแสชีวิตเนี่ยถ้ามองไปในลักษณะอย่างนี้จะแยกออกแยกสภาวธรรมดีชั่วกุศลนะกุศลแยกออกใช่ไหมคือเราสามารถจะดูบุญดูบาปจากการกระทำของคน ผลของบุญของบาปท่านผู้นี้กําลังรับผลบุญผลบาปและกําลังทําบุญและทําบาปแล้วก็จะมองถึงกายกรรมเขาทําอะไรวจีกรรมเขาพูดอย่างไรมโนกรรมเขาคิดอย่างไรที่แสดงออกมาทางกายการรมวจีกรรมอันนี้มองไปที่ส่วนของกระแสชีวิตไม่ไม่ไม่ไปจํากัดบุคคลถ้ามองแบบผิวเผินก็มองไปที่ตัวบุคคลเออเราเรามองมนุษย์เรามองแบบนี้ไหมถ้าเรามองอย่างนี้ได้เมืม่อไหร่มันจะเริ่มความไปยึดติดเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆหายไป ยากไหมเนี่ยถ้ามองแบบนี้มองสองส่วนนะอา้าวมองในส่วนของรู ป, ปรธรรมเออเขามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกไปเนี่ยสองมนมองไปที่ส่วนของนามธรรมาตอนเนี้ยสุขเวทนาเกิดขึ้นหรือทุกเวทนาเกิดขึ้นรูปเวขเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเป็นกุศลสัญญาหรืออกุศลสัญญาเนีสังขารคราปรุงแต่งจิตที่เป็นบุญหรือเป็นบาปวิญญาณตอนเนี้ เอ่อจากกุญญาณโส ต, ตวิญญาณคานวิญญาณเป็นต้นของเขากําลังดําเนินไปเนี่ยโดยเฉพาะว่าสภาพกลุ่มนามธรรมาและรูปธรรมของเขาจะเป็นนามธรรมาของเขาเป็นกุศลหรืออกุศลและคนคนนี้เขาเดินกุศลได้ดีหรือไม่ดีโอ้ถ้าแยกประเด็นนี้เราเริ่มเห็นชัดนะบางคนเนี่ยบางคนเป็นคนที่ดูแลหรือเดินกุศลและธรรมไม่ค่อยดีเลยเขาในชีวิตประจําวันของเขาเนี่ย เขามองเขาเห็นถ้าถามว่ามนุษย์เนี่ยสามารถออกจากตาหูจมูกเลนกายใจได้ไหมก็วนอยู่แค่นี้เองไม่เห็นมีอะไรมากไปกว่า น, นี้เลยออกไม่ได้ด้วยก็อยู่กับขันห้าอยู่กับอายตนะ6นี่แหละอันนี้คือชีวิตถ้าถามว่าชีวิตคืออะไรตอบชัดเลยชีวิตคือคือขันห้าคือรูปนามชีวิตคืออายตนะหกใช่ไหมก็มีอยู่แค่นี้เองอะ่ะชีวิตมีอยู่แค่นี้ เออถ้าบอกว่าชีวิตคือขันห้านี่โอโหชัดเลยตอนนี้แล้วก็จะมองเห็นได้ชัดเจนว่าอ๋อกระแสของชีวิตมีอยู่แค่นี้เองขันห้าอายตนะอันนี้เขาเรียกชีวิตคืออะไรตอบได้ยังตอนนี้ชีวิตคือขันห้าชีวิตคืออายตนะหก็คือจักขายตนะจักขู่โสตคานะชิวหากายะและกรใจมน า, นาายตนะมีแค่นี้เอง ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกมองไปที่สภาวะเลยชีวิตคือขันห้าคือชีวิตคืออายตนะหกอาต่อไปก็ชีวิตเป็นอย่างไรแเนี่ยอ่าชีวิตเป็นยังไงอ่าชีวิตเป็นยังไงมันมีสองส่วนนี่ชีวิตเป็นอย่างไ ร, ช, งไรชีวิตก็เป็นอันนี้จังใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหม เป็นทุกขังไหมทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้เป็นอัตตาเรื่องหน้าตาอันใดอนนี้จางทุกขังหน้าตานี่ก็เรียกชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งก็คือปฏิจจุบะฏเนี่ยหรือกร่มตอนนี้ชีวิตเป็นอย่างไรก็คือกําลังทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยกรรมนี่กําลังดําเนินไปอยู่ไหมอะตอนนี้เป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมกําลังนั่งแล้วคิดตามเนี่ยเป็นมโนกรรมนะเป็นมโนกรรมถ้าขยับ ร่างกายก็เป็นกายกรรมถ้าพูดออกมาก็เป็นวจีกรรมเนี่ยชีวิตเป็นอย่างไรก็คือชีวิตกําลังทํากรรมอยู่ถามว่าใครเป็นผู้ทํากรรมสัตว์บุคคลทํากรรมหรือขันห้าทํากรรมขันห้ากําลังทำถ้าออกมาทางกายเรียกกายกรรมพูดออกมาเรียกว่าจีกรรมคิดนึกเขาเรียกมโนกรรมเออเริ่มเข้าใจอะไรแต่เนี้ยบอกว่าชีวิตคืออะไรออกชีวิตคือขันห้าชีวิตเป็นอย่างไร เป็นไตรลักษณ์ไงไม่เที่ยงเลยไอ้ไม่เที่ยงมันจะมีทั้งขาขึ้นขาลงนะในด้านของนมามธรรมมีสองส่วนนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงไหมเป็นอนนี้จังขาขึ้นได้ไหมจากศรัทธาในน้อยแล้วเพิ่มขึ้นได้ไหมความเพียรในน้อยแล้วเพิ่มขึ้นได้ไหมสติจาก น, น้อยก็พัฒนาขึ้นสมาธิใ น, น้อยก็พัฒนาขึ้นปัญญา น, น้อยอันนี้ก็เป็นอันนี้จังเหมือนกันเนี่ย พ่ออนนี้จังนี่แหละมันจริงทนทุกข์ได้และในขณะเดียวกันเพราะอันนี้จังนี่แหล ะ, ล ะ, ะ, ะ, นนหละถึงตกนรกได้ไม <laughs> เมื่อสธาวิริยะสติสมาที่เป็นขาลงแล้วค่อยๆหมดไปก็ทําอากุศลกรรมกายกรรมก็ทุจริตวจีกรรมก็ทุจริตมโนกรรมทุจริตขันห้าก็ตกนรก <laughs> <laughs> พอขันห้ามาอยู่ในลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่ามนุษย์ใช่ไหมก็คือขันห้าถ้ามีสี่ขาวิ่งอยู่ตาม ตามอาคารต่างๆเป็นจิ้งจกบ้างเป็นตุ๊กแกบ้างเนี่ยหรือวิ่งอยู่ล่างก็เป็นสุนัขเป็นแมวอันนั้นใช่ใช้ชีวิตไหมเนี่ยก็ขันห้านี่ยเองขันห้าก็อายตนะเขาก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอ้ชีวิตเป็นอย่างไรก็คือไตลักเลยอันนี้จ้างทุกขั้งนะจ้าอีกอย่างหนึ่งก็ปฏิจจสมบาทมันก็เป็นมันหยุดเนี่ย อวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสรายยตนาะภาษาเวทนาะตัถาประธานพระว่าชาตชร า, ามรณนะอีกอย่างก็คือทํากรรมในกายกรรมวิญญากรรมโนกรรมทีนี้อันนี้ลักษณะที่นี้มองมองออกแล้นะว่าหนึ่งชีวิตคืออะไรสองชีวิตเป็นอย่างไรเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นกระแสของชีวิตชัดถ้ามองอย่างนี้เราจะไม่มองไปที่สัตว์บุคคลมองไว้ที่ขันธ์ พอมองไปที่ขันห้ามองไปที่อายตานะปุ๊บแล้วก็มองไปที่ตรรักมองไปที่ปฏิจจสุบาทมองไปที่กรรมโอชัดเลยนี่ชีวิตเป็นอย่างนี้ชีวิตคือขันห้าและชีวิตก็ตกอยู่ในกฎตรัยลักอย่างเนี้และชีวิตก็เป็นไปตามหลักของปฏิจจสุบาทแต่มันเป็นขาขึ้นหรือขาลงตอนนี้เป็นปฏิบาตขาสมุทยะหรือนีโรทวาระหรือสมุทยาวาระเออถ้าสมุทยาวาระก็เนี่ยก็เป็นไปในด้านของ เป็นทุกข์ เ, เป็นทุกข์ของชีวิตไปแล้วก็เป็นกรรมนะเป็นทั้งกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมถ้าชีวิตควรให้เป็นอย่างไรโอ้อยางอันนี้อริยามากมาแล้วแต่นี้ใช่ไหมควรให้เป็นอย่างไรนี่พูดถึงเรื่องวิชาแล้วพูดเรื่องมรรแล้วพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาพูดเรื่องสมาทิถิ่สมาสังปาสมาวาจาสมารกรรมตาสมาชีวะ สมมาวายามาสมาสติสมาสมาธินี่พูดเรื่องมาร์กแล้วนี่พูดเรืงเนี่ยพูดในเรื่องของเนี่ยถ้าเรามองลักษณะอย่างนี้แล้วก็ควรจะให้เป็นแบบเนี้ใช่ไหมควรให้เป็นอย่างนี้และอย่างหนึ่งชีวิตเนี่ยควรให้ควรจะให้บริสุทธิ์ไหมจากกิเลสหมดไหมควรจะดําเนินชีวิตให้บริสุทธิ์หมดจากกิเลสไหม และควรจะให้ถึงนิพพานไหม<อ>เนี่ยลักษณะเนี้ยควรให้เป็นอย่างไรใช่ไหมก็ควรจะดําเนินชีวิตเนี่ยเป็นไปตามมรรคาของพระชินเจ้ามันจะมีวันก่อนเนี่ยมันนั่งรถไปกไ็ได้ยินคําบอกว่าขนทางใหญ่อย่าให้จอนเขาบอกขนทางใหญ่นะ่ยอย่าอย่าไปจอนอคืออย่าดิเดินทางใหญ่ทางใหญ่มีสองทางท่านกละชีดูว่า กามาสุขขาลิกาเนยโยกักบอตัตตะกิรมัานโยเป็นทางใหญ่ที่เขาเดินกันอยู่เอากระแสชีวิตตอนเนี้หนหมกมุ่นในการมาสุขหมอบีว่าจริงเลยทุกวันนี้คนติดแน่นในกางกันเยอะไหมต้องการรูปที่สวยๆเสียงที่เพรา ะ, ราะกลิน่นหอมๆรสอร่อยสัำปะที่นิ่มๆใช่ไหมก็เพลิดเพลินกันอยู่างเงี้ยใช่ไหมใช่นี่หนทางใหญ่ไหมใครๆก็วิ่งหากันตรงนี้แหละ อยากบ้านเอ่ยทราบเอ่ยเกียติยศชื่อเสียงโอ้โหดิ้นรนกันใหญ่ใช่ไหมแล้วทางนี้เรากําลังวิ่งกันอยู่วันนี้่งยเพลงนี่ก็เรียกทางใหญ่ทางใหญ่อีกทางหนึ่งก็เรียกอัตตา ก, กิลมาฏฐโยคือทางที่เป็นไปกับความเครียดความกัดกรุมใช่ไหมที่เราว่าที่จริงพระเจ้าสอนว่า ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์เคยได้ยินคำนี้ไหมคือถ้ากลุ่มที่รุนแรงเลยนะเขาเรียกการทรมานตัวเองพวกที่เขาเรียกบำเพ็ญตะบะพวกมาจานั่นแหละพวกบาเพ็ญตะบะเนี่ยพวกเขาจะทรมานตัวเองมาก หน้าหนาวก็ไปแช่น้ําหน้าร้อนก็ไปยืนตากแดดเลยก็จะทํานอนบนหนามบางนอนบนตะปูบก็ถือว่าทําอย่างนี้เลยเป็นการย่างกิเลสทําให้กิเลสมันหมดแล้วจะได้หมดทุกข์อยอย่างเงี้ยเขเรียกอัตตะกิลามาธานิยอัตลองลงมาปุ๊บเอาบุหรี่เอาเหล้าเอาสิ่งเสพติดไปใส่ในร่างกายเออถือว่าทรม า, านตัวเองไหมเอาทุกข์ทับถมตนตนไหมเนี่ยเอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ใช่ไหม อันหนักไปอลองลงมาอีกหน่อยก็คือเอาความกัดกรุ้มเรื่องที่ผ่านมาแล้วเอามาคิดเอามาเบียดเบียนตัวเองเคยทำไหม <c oughs> <c oughs> คือเรื่องมันผ่านมาแล้วมันจบแล้วเนี่ยแต่ก็หมุนเอาเรื่องนั้นมาตอกย้ำตัวเองให้กุ้มให้ท้อให้ทุกข์ให้เครียดให้วิตกกังวลอันนี้เรียกว่าเอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ มันก็กลุ่มมาจากหนึ่งอัตกิลมรฐานิโยกอย่างรุนแรงสองเอาสิ่งเสพติดใส่ร่างกายตนเองสเรื่องเก็บช้าทั้งหลายเหล่านี้ชอบปรุงแต่งทุกเน่ยเราเอาความเอาใช้ความสามารถไปในทางที่ผิดคือเอาความใช้ความสามารถไปทางว่าชอบปรุงแต่งเรื่องราวทั้งหลายทําให้ตนเองกลุ้มบ้างทุกบ้างผิดหวังว้างง้อยเหงาเศร้าโศกบ้างเนี่ยลักษณะแบบนี้ อันนี้คือกลุ่มเขาถึงบอกว่าหนทางสองทางนี้อย่าอย่าเดินอยเดินแล้วให้เดินทางไห น, อนเอ อ, ขอเขเรียกมัชฌิมาปฏิปทาสมาธิทิได้ได้ได้ได้ได้เลยได้เลยยากไหมยากเลยอ้าวแต่ อันนี้พูดเรื่องหนักๆหน่อยเดี๋ยวพูดเรื่องที่มันไม่ค่อยหนักได้ไห ม, อมเอาเลยถามมาเลยดิเออ อ๋อที่เข้าใจอะไรที่ถามจริงๆวิธีการเป็นแบบนี้อืมไม่เอาทุกทับถมที่ไม่มีทุกเนี่ยถามว่าทําไมเรื่องบางเรื่องมันเรื่องเรื่องบางเรื่องที่มันกลุ้มมันคิดแล้วมันเครียดมันก้มทําไมเราต้องกลับไปคิดคนบางคนเนี่ยเล่าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีทําไมต้องการกินมันคนบางคนเนี่ยเราน่าจะลืมเขาแล้วทําไมเราไม่ลืมเขามันเรื่องเดียวกันหมดหลายเรื่องทั้งหมดเลยเนี่ย อะไรหนอมันเป็นปัจจัยทําไมเราเป็นคนดื้อขนาดนี้ทําไมใจของเรานี่ไม่ยอมเราน่าจะพอได้แล้วเลิกได้แล้วเราไปคิดถึงเขาทําไมเราไปหัวเระลึกเรื่องนี้ทําไมนั่นมันเรื่องเดียวกันในะที่พูดนะั้นทั้งหมดเนี่ยเอาวิธีการดีกว่าเนี่ยอะไรที่เป็นปัจจัยทําให้เป็นแบบนี้ทีนี้พระท่านคงนะังแต่ว่าทีนี้ เหตุผลที่เป็นอย่างนี้นะ อ, อ, อะไรล่ะที่มันมันเป็นไปในลกนักษณะนี้หนึ่งตัณหาไอ้ตัณห า, หานี่คือความทยานอยากใช่ถ้าพูดตามสัพพะเขาเรียกกามมุ ป, ปาทานนี่แหละไอ้ความยึดมั่นติดแน่นในกามในวัตถุกามเดิมนาคของกิเลสกามติดแน่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพาะนี่ ติดแน่นในในสมมุติไปยึดถือในสมมุตนนินั้นๆในบุคคลนั้นๆในทรัพในสิ่งต่างๆที่เราไปยึดถือไอความติดแน่นตรงเนี้ยมันมันเกิดทําให้เราเกิดความอยากความต้องการหรือเราไม่สามารถที่จะละมันได้ไปไปมาๆเราก็ยอมจำนนกับมันอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยแปรให้เห็นชัดก็คื อ, คอว่าแสดงให้เห็นว่าไอตรงเนี้ย เราไปคิดจนตกผลึกคิดไปคิดมาไอร่องความคิดตรงนี้มันลึกมันลึกจนไม่สามารถเราจะปีนป่ายออกจากมันได้โดยส่วนใหญ่ยังเป็นอย่างนั้นคิดเมื่อไหรเมื่อไหรก็ตกไปร่องเดิมเนี่ยคิดเมื่อไรเมื่อไรก็ตกไปร่องเดิมเนี่ ย, ลยแล้วก็บนเพเอเรามันมีอยู่เรื่องนึ่งนะเออฉันก็ถามคนเนี้ยไม่เอ่ยชื่อนะเว่าบันทึกได้ด้เจอเขาแต่ก็ดี ถ้าเขาไปเปิดฟังก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเนี่ยทีนี้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่านี่เขถามว่าเขาก็บอกว่าทําไมเนี่ยผมจึงต้องคิดถึงคนนี้อยู่ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่คิดถึงผมแล้วนี่เขาพูดกับกับกับร้า น, นผมก็ไม่ผมก็ไม่ชอบตัวเองเลยที่เป็นแบบนี้นี่นี่เขามาสารภาพ ผมก็พยายามจะห้ามใจตัวเองว่าจะไม่โทรหาเขาผมก็ต้องโทรหาเขาทุกครั้งเออเขาพูดดีนะฉันก็เลยบอกว่าฉันก็เลยถามว่าเออที่พูดถึงสองกระแสกระแสของความอยากกับกระแสของความเป็นจริงใช่ไหมมันมีสองกระแสในในโลกนี้ กระแสของความอยากคือเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนีน้ตามที่เราต้องการอย่างที่เคยบอกว่าถ้าเราอยากให้อากาศมัน30สองศาหรื อ, อ, อ, อขอใอยากให้2 5องศาแต่ความจริงมันคือ30สเวลาสองกระแสนี่ไปประท้ากันเนี่ยใครชนะ ความจริงชนะเวลาความจริงชนะแล้วใครทุกขันห้าไอ้ตันหานยมันทุกข์มันไม่ใช่เราเนียเนี่ยตันหามันทุกข์ตันหามันดิ้นรนกระเสือกกระสนมันวุ่นวายใจเพราะมันต้องการให้ส0มสิบเออขอไปัต้องการให้ยี่ห้าแต่จริงๆก็คือมันสามสิบใช่ไหเออเนี่ยมันก็ถือนกระแสกันอย่างเงี้ยเอาละสิแต่เนี่ย เวลามันสองกระแสสองกระแสมันไปปะท่ากันเมื่อไหร่กระแสของความอยากกับกระแสของความจริงฉันก็จะถามวอกเอา้าคุณอยากให้เขากลับมารักเราใช่ไหมบอกใช่มันจริงๆคือตัณหาความต้องการของเรานี่แหละของขันห้าของคุณนี่แหละที่ต้องการให้เขามารักเราเขามันคืนดีกับเราเขามาปฏิบัติดีกับเรามาดูแลเรามาเทคแคร์เราอย่าไปรักคนอื่นใช่ไหมบอกใช่แต่ความจริงอะ่ะ บอกความจริงเขารักคนอื hmm? ่นไปแล้วแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเขารักคนอื่นเขาไม่รักคุณแล้วเขาบอกเหม่ยพระอาจารย์พูดแรงอย่างนี้เขามันสะเทือนใจเขาเขาก็สะเทือนวับแว่วกันล้วอ่างั้นเน่ยนั่นแหละที่สะเทือนใจเนี่ยใครสะเทือนใจตัณหาตัณหามันมันบีบคั้นมันไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเอาประเด็นมันก็อยู่ว่า ตัณหามันฉลาดไหมไม่ฉลาดหรอกตัณหามันไปกับความมันมากับความโง่เนี่เพราะตัณหามันเกิดร่วมกันกับโมหะเกิดร่วมกับทิฏฐิเกิดร่วมกับโมหะตัณหามันมีแต่ว่าอยากได้แต่ไม่รู้วิธีการเวลาตัณหาเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้แต่ปัญญาเนี่ยมันคนละเรื่องกันเนีถ้ามันเป็นฉันทะถ้าปรารถนาใช่ไหม แต่คนที่มีความปรารถนาที่เป็นฉันทามีความรักที่เป็นฉันทะเช่นปรารถนาอยากจะได้ห้องนี้ยี่สิบองศาเนี่ยเ้าทำได้จริ ง, รงเพราะเขารู้เหตุปัจจัยว่าจะสร้างองค์ประกอบยังไงจะให้เหตุปัจจัยยังไงแล้วจะติดตั้งแอร์ยังไงเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็มีระบบไฟเดินยังไงแล้วพอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันเป็นสามารถปรับอากาศในที่นี้เป็นยี่สิบหองศาได้จริงๆ ร, งรงิใช่ไหมเออนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นความต้องการที่เป็นไปกับเหตุและผล มันสามารถที่จะสร้างเหตุปัจจัยเพื่อจะดําเนินไปสู่การให้เป็นไปอย่างที่ต้องการได้จริงเพราะมันรู้เหตุรู้ผลทีนี้เวลาฉันท่าเนี่ยเวลามันสร้างเหตุมีความสุขมันมีฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนฝ่ายศึกษาฝ่ายสร้างสรรค์ใช่ไหมมันจะมีความคิดวิเคราะห์ในขณะที่ทําก็เป็นไปกับปัญญานําด้วยในขณะที่ทําก็มีความสุขเออถ้าไม่ได้ก็ไม่หยุดทําฉลาดในการทําเป็นต้นด้วยเออมันผิดกับตัณหานี่ตัณหามาเรียกร้องนะ เมือนตัณหามันเรียกร้องฉะนั้นเวลาเราเกิดกระแสของความอยากขึ้นมาไปปะทะกระแสรกระแสของความเป็นจริงปุ๊บสองกระแสปะทะกันปุ๊บความจริงก็เป็นความจริงมันก็ตัณหาก็แพ้ทุกครั้งทุกครั้งที่ปะทะอ้าว เ, เขาถามว่าั้งนั้นทำไงถามบอกว่าหนึ่งก็ปุกตัวเองตื่นขึ้นมาอย่าหลับตื่นขึ้นมาอยู่ความเป็นจริง ว่าความจริงเป็นแบบนี้แล้วใครรู้ด้วยเหตุผละะ 1, 2, 3, 4, 5, นะที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรหนึ่งอต้องเข้าใจด้วยนะให้รู้อะเออเนี่ยที่เป็นอย่างงี้เพราะอะไรทีคนคนนี้ก็บอกว่านี่เขาไม่รับผิดชอบหน้าที่เขาต้องมาดูแลลูกนี่เขาไม่ดูแลลูกผมป่วยอยู่เขาก็ไม่มาดูแลเขากลับไปเที่ยวกับผู้ชายคนนึง่นก็บอกนั่นคือความจริงใช่ไหม แต่เขาน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะเาจารย์เขาไม่มีความรับผิดชอบเลยเนี่ยพระอาจารย์จะว่ายังไงเอา้าก็อันนี้ความจริงหรือเปล่าที่เขาไม่รับผิดชอบเนี่ยเออก็ความจริงใช่ไหมใจเราเนี่ยเราคิดอย่างนี้เราอยากให้เขามาดูแลลูกเราอยากให้เขามาดูแลสามีเราอยากให้เขามาทําหน้าที่ยังความเป็นภรรยาที่ดีอันคือความอยากของเราใช่ไหม แต่วความอยากความต้องการของเราแต่ความจริงเขาไม่อยากมาดูแลความจริงเขาอยากจะไปอยู่คนอื่นแล้วเขาก็ดําเนินการเพื่อจะไปอยู่คนอื่นอยู่อันนี้คือความจริงหรือเปล่าแต่มันผิดนี่ว่า <c oughs> มันผิดเนี่ยโดยข้อเท็จจริงเนี่ยคนเป็นภรรยาต้องดูแลลูกสิเอาอันนี้มันเป็นความต้องการของตันหาของเราแต่ความจริง เขาไม่ต้องเขาไม่อยากทำอย่างนั้ น, น, นก็ความจริงเขาเป็นอย่างนี้ก็บอกอย่าหลับให้ตื่นขึ้นมาให้ตื่นขึ้นมาดูความจริงเป็นแบบนี้เขาเป็นของเขาอย่างนี้อ่าแล้วผมควรทำยังไงก็วางใจเป็นกลางไงก็วางใจเป็นกลางว่าเออตอนนี้เขาเขาไม่ทำหน้าที่แล้วเราก็ไม่ไปบังคับเขาไม่ได้ไปคอนโทรลเขาไม่ได้อันนี้บ่งบอกถึง อะไรเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเนี่ยความว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่มันไม่ใช่เราเรายังไม่มีแล้วของของเรามันจะมีจากที่ไหนใช่ไหมขนดเรายังไม่มีแล้วแล้วมันจะไปมีของของเราแต่ที่ไหนเราขันห้านะ่ะมีสัตว์บุคคลนะ่ะไม่มีขันห้ามีใช่มตัวอัตตาตัวตนนะ่ะมันไม่มีแต่ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไม เราบอกว่าเอาทำไมเขาทำหน้าที่อย่างนี้เออทำไมเขาไม่ทำหน้าที่มันก็วกมาถามในเรื่องที่เรื่องเดิมอยู่นั่นแหละคือตั้นหามันจะต้องการมันต้องการให้เขามาดูแลเราตันหาต้องการให้เขามาดูแลลูกตันหาต้องการให้เขามาโทรมาหาเราแล้วก็บอกคิดถึงเราเราไม่ต้องการอย่างนั้นแต่โดยข้อเท็จจริง มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้บอกว่ะแล้วทำไมคู่อื่นเขาไม่เป็นแบบนี้ดูอัตนาโอาตนาไปทั่วอะไรเนี้ยบอกไอ้คอนอื่นทำไมเขารับผิดชอบใช่ไหมเช่นครอบครัวอื่นเนี่ยเามีความสุขกันเขาดูแลกันเ้าเทคแคร์กันเ้าทำอะไรทำไมก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมการที่เราไม่ไม่เข้าใจองค์ประกอบแล้วก็ไม่เข้าใจเหตุปัจจัย ถามว่ากระแสชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยที่เขาก็มีตัณหาของเขาแล้วเขาก็ทำตามตัณหาของเขาที่เขาไม่อยากมาอยู่กับเราเขาไม่อยากมาดูแลลูกแล้วเขาอยากไปอยู่กับคนอื่นเขาก็ทำตามตัณหาของเขาตัณหาบงการชีวิตเขาเขาก็เลยทำไปอย่างนั้นเข้าใจใช่ไหม ทีนี้ไอ้ตันหาของเราเนี่ยเราต้องการให้เขาเนี่ยมาทำอย่างที่ตันหาของเราเนต้องการแต่ตันหาของเขาเขาบอกเขาไม่ต้องการทำอย่างนี้เขาต้องการไปทำอีกอย่างหนึ่งนั่นคือใช่ความจริงไหมเออิดความจริงมันเป็นทังมันอย่างนั้นเอาวิธีแก้ทำยังไงแต่เนี้ยหนึ่งก็ตั้งสติให้ดีรละลึกถึงว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่เราบอกว่า สิ่งทั้งหลายเนี่ยสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันจริงๆถ้ามันได้เหตุปัจจัยก็เลยบอกว่าสามารถที่จะให้กลับมาอยู่อย่างนี้ก็ได้ถ้าเรามีความสามารถถึงสมมตินะก็เลยบอกว่าคุณโทรไปหาเขาคุณมาอยู่กับฉันเถอะฉันจะให้คุณเดือนละหนึ่งล้านสมมตินะี่นะ เออตั้หามันก็จเริ่มเลือกแล้วใช่ไหมทั้งทั้งฝ่ายนั้นเน่ยมันก็เริ่มรู้สึกเออจริงหรือเปล่าบอกจริงทําสัญญาเลยโหเดี๋ยวนี่ยถ้าถ้าเขาขาดแขนเรื่องนี้เนะี่ยถ้าตั้หาของเขาขาดแขนเขามีสิทธิ์จะมาได้แต่ไม่แน่เสมอไปนะบางคนก็อาจจะไม่มาก็ได้ถ้าเขาได้สิ่งตั้หาเขาได้สิ่งที่พอใจมากกว่าเพราะตั้หาเขาอาจจะไม่ชอบเงินแต่ตั้นหาเขาอาจจะชอบบุคคล ตันหาเขาอาจจะชอบเสื้อผ้าตันหาเขาชอบอิสระตันหาเขาจะชอบอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเาตันหาของเขาเนี่ยกำหนดหมายพร้อมกับทิฏฐิและความเห็นของเขาไว้สรุปตรงนี้จะเห็นก็คือว่ามนุษย์ที่ไม่ได้ใช้ปัญญานำพากระแสชีวิตเขาก็จะสูกตันหาเนี่ยชักล่าเข้าไปเมื่อถูกตันหาชักล่าเข้าไปเนี่ยเขาก็จะต้องบริการหรือยอมรับใช้ตันหา จริงๆเขาไม่ได้ไปรับใช้บุคคลคนนั้นนะเพราะตัณหาในใจของเขาเนี่ยบงการชีวิตเขาเขายอมเป็นธาตตัณหาคือความอยากคือความต้องการแบบนั้นเขาก็จะต้องยอมเจ็บตัวแล้วก็เจ็บปวดจากการที่ถูกตัณหาเนี่ยครอบงำแล้วก็บงการกองเขาไปตลอดชีวิตเนี่ยก็แปลว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงความเป็นพุทธะได้อย่างแท้จริงเขาจะยังและเราก็ไม่ต่างจากเขา เราก็ยังถูกตั้นหาตัวเนี้ยบงการชี้นำแล้วก็กดขี่ข่มเหงเราอยู่ไอความต้องการตัวเนี้ยแล้วเราก็ยอมซีโรล่ลาบลก็ยอมเป็นทาสเขาเช่นเขาบอกให้เราทุกเา้าเมื่อเราต้องการเราไม่ได้อย่างที่ต้องการตั้นหาก็บีบคั้นเราทุกเราใช่ไหมมันมีจักความว่าไอกามมาตั้นหาเนี่ยมันคืออยากได้กร ม, มาคุณมาบูรุมรมันเลยมาตอบสนอง มาต้องการบําเร็ญตาหูจมูกริ้นกายของเราใช่ไหมไอกามาตรฐาถ้าภาวะตัณหาก็คือต้องการให้สิ่งที่เราอยากได้และต้องการมันมั่นคงมันถาวรมันไม่เปลี่ยนแปลงให้มันสมบูรณ์แบบจริงๆถ้าวิภาวะตัณหาเนี่แปลว่ามันอยากพ้นมันอยากให้มันมันอยากให้เป็นไปแล้วอยากให้วิบัติไปไม่ต้องการไม่ต้องการให้เขาเป็นแบบนี้เคยเป็นไหม ไอ้ท <laughs> ี่พูดไม่รู kind of so ้เรื like ่องเนี่ยเราไม่ต้องการมันเป็นแบบนี้อยากให้เขาพูดรู้เรื่องอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการอันนี้เป็นวิภาวะนะไอ้สภาพที่มันไม่น่าต้องการไม่น่าปรารถนาไม่น่าชื่นใจเนี่ยอยากให้มันหมดหมดไปอยากให้มันพ้นไปอยากให้สภาพที่มันดีที่น่าปรารถนาที่น่าต้องการมันเกิดขึ้นอโยมพอพูดอย่างนี้โยมพอจะมองเห็นไหมอันนี้ฉันพารนามาทั้งหบทนี่พารณนาเรื่องตัญหา ให้รู้จักหน้าตาของมันตัณหาเป็นแบบนี้เอ้าทีนี้ตัณหาเนี่ยนะตัณหาทีนี้พอมันมีตัณหาปุ๊บมันเป็นอุปาทานระดับหนึ่งมันก็พัฒนาไปถึงทิฏฐิเรียกทิฏฐุปาทานยึดมั่นในความเห็นที่ยมเป็นอยู่เนี่ยทำไมมันถอนไม่ได้เนี่ยมันยึดมั่นความเห็น ยึดมั่นในทฤษฎียึดมั่นในหลักการยึดมั่นในความเห็นว่าจะต้องเป็นอย่างนี้และถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันก็จะเกิดปรับปากรุนแรงเลยตัเนี้ยเช่นถ้ามีใครเห็นไม่ตรงกับเรามันจะขัดแยง้งกับเราทันทีนะันี้ถ้าไม่เห็นไม่ตรงกับเราเนี่ยนะมันจะขัดแย้งมันรู้สึกว่าจะอย่างยกตัวอย่างถ้าเราเห็นว่า คุณควรมาอยู่กับฉันเท่านั้นฉันไม่ไปโอ้โหทั้งศักด์ศรีทั้งอัตตาตัวตนมันถูกทำลายไปหมดเลยตรงนี้นะมันจะปกป้องเต็มที่อ่ะมันเกิดแสดงอาการขึ้นมาทุกเรื่องปกป้องทำไมมันเพราะอะไรอะไรสารพัดหมดเลยเนี่ยอ้างเหตดผลเยอะแยะใช่ไหมคือทิฏฐิเนี่ยถ้าใครเห็นตามได้ แต่ถ้าใครเห็นต่างเขาโกรธไม่พอใจน้อยใจเสียใจทุกใจอะไรสารพัดหมดเลยเพราะไม่เห็นอย่างที่เราเห็นเพราะเราเห็นว่าต้องเป็นอย่างนี้ครอบครัวคือต้องเป็นครอบครัวทําไมคุณทําอย่างนั้นคุณไม่อายเขาหรือไงอะไรสารพัดหมดโอ้โหนสารพัดหมดเนี่ยและทิฏฐิแล้วมันยึดรูปแบบด้วยนะ จำได้ไหมแต่ก่อนเราเคยไปกินข้าวด้วยกันจำได้ไหมเราต้องไปมีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยวางรูปแบบวางแพทเทิร์นไว้เรียบร้อยหมดแล้วถ้าไม่ทําตามรูปแบบนั้นไม่ทําตามวิธีการหลักการตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นมันยึดออกมาเป็นรูปแบบอันนี้เขาเรียกศีลและปฏบัตทานนะมันยึดมันเป็นรูปแบบว่าเหตุผลที่เราต้องการมีครอบครัวเราก็ต้องการว่าได้ไปกินข้าวด้วยกันไปทำกิจกรรมร่วมกันได้มีชีวิตพ่อแม่ปู่ตายายายร่วมกันเนี่ย เราต้องการมีรูปแบบเป็นชีวิตที่มันสมบูรณ์แบบอย่างนี้แล้วก็วางระเบียบวัฒนธรรมหลักการของเราอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้มันมันทาลายหลักการโกรธนะไม่พอใจนะเช่นวันปีใหม่ก็ไปมีรูปแบบไปจัดกิจกรรมปีใหม่กันวันแต่งวันเกิดนะวันเกิดของลูกสาวลูกชายอะไรนก็แล้วแต่เถอ ครบรอบอะไรต่างมันก็จะมีรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีทําออกมาแล้วก็ยึดรูปแบบนั้นถ้าใครไม่ทําตามนั้นมันโกรธผู้หญิงก็โกรธเช่นเราจํามวันเกิดมันไม่ได้โอ้โหนโกรธโกรธมันโกรธแล้วเบิดสะเทองเลยตอนนี้นี่ยังไงยึดรูปแบบไหมนี่เรียกสีรับปตูปาทานแล้วก็มายึดถือตรงไอ้สักยะทิถีนี่ไอ้ตัวอัตวาทุปาทานติดสมมติทําไมฉันเป็นภรรยาของคุณ ฉันเป็นแฟนของคุณฉันเป็นลูกของคุณฉันเป็นแม่ของคุณฉันเป็นพ่อของคุณเนี่ยมันก็เป็นอัตวาทุปตานติดสมมุติอย่างหนานเหนีนยวแน่แยกแยกไม่ได้ทำไมคุณไปทํากับคนอื่นทําไมไม่ทำกั น, นกฮะถ้าเราถอนถ้าเราถอนความเห็นหรือถ้าทําลายจะลืมนะว่า ทิฏฐิเนี่ยมันเป็นปัญหาด้านสัจธรรมใช่ไหมมานะมันเป็นปัญหาด้านจริยธรรมจริงไม่จริง ไ, งไอ้ทิฏฐิเนี่ยมันไปเห็นผิดเพราะไม่ได้เห็นว่ามันเป <c oughs> <com> <Anton ia CDs> ็นทุกข์ใช่ไหมมันไม่ไปเห็นตามความเป็นจริงเนี่ย <c oughs> มันเป็นปัญหาด้านสัจธรรมถ้ามันเห็นความจริงเสียเนี่ยมันทำลายความเห็นผิดเสียมันไม่มีปัญหา ไอ้มานะเนี่ยมันจะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนมันจะมีมานะถดถอยกับมานะต่ําต้อยเออมานะไอมานะผิดหวังเนี่ยนั้นมันเป็นปัญหาด้านจริยธรรมในมานะเนี่ยคนที่มีมานะมากๆเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจนี่ก็คือต้องให้มีความอ่อนโยนยังไงมีความกระตันยูกรตะเวทีด้านเนี่ยไม่ใช่ปัญหาด้านจิตด้านจริยธรรมตรงเนี้ย ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าโอ้เวลากีเลสมันเกิดขึ้นมาเวลาเรามองสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาตัณหามันต้องการเราก็จะได้รู้มันนะจะได้รู้มันว่าเออเนี่ยเป็นความต้องการของตัณหาเราจะตอบสนองมันไหมเอาควรตอบสนองไหมตัณหาในความตอบสนองสนองไหมทีนี้มันตอบสนองแล้วมันเต็มได้ไหมเอ้ามันเติมเต็มได้ไหมตัณหาเนี่ย ตั้นหาจะไม่ไม่สามารถเติมเต็มมันได้เลยถึงจะเติมยังไงพบเนี่ยมันจะไม่เคยเต็มอยากมันไม่เคยเต็มอยากก็เคยเคยผ่านกันมาเลยทั้งนั้นใช่ไเราไม่เคยสามารถจะเติมสีมันใมอยากเสียงเอยกลิ่นรสเติมมันไปเหอะมันไม่เคยเต็มอยากหรือเต็มอิ่มได้เต็มที่และในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็พยายามหาวิธีการเพราะอะไรเพราะอัตราตัวตนมันไม่มีอยู่จริงแต่ต่อตั้นหาไปยึดถือว่ามีไง ที่ถีนไปยึดถือว่ามีไงเมื่อไม่มีอยู่จริงแล้วเนี่ยมันจะไปเติมเต็มได้ยังไงตันหามันอิ่มในลมที่ไหนก็วิ่งแล่นไปก็ตอนนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้ามนาตุลาใช่ไหมมีพระรูปหนึ่งท่นกระสันเรื่องตันหามากๆากเลยอยากจะศึกเนี่ยพระเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยเราเป็นพระเจ้ามนาตุลา เราเป็นคนที่มีบุญมากนะเธอจงฟังนะนี่เรื่องจริงเกิดขึ้นมาในกระแสชีวิตของพระตาลโคตนในอดีตเนี่ยพระเจ้าก็เลยเล่าว่าเราเนี่ยมีบุญขนาดว่าออกไปข้างนอกตกฝ่าพระหัดสามครั้งเนี่ยฝนเงินฝนทองเนี่ยเงินและทองตกลงมาจากฟ้าเนี่ยท่วมลงมาเนี่ยท่าทวมหุบเขาเดียร์ลองออกไปตบทีพบอกตอบให้เงินฝนคาหาปณะเงินเนไหลมาแล้วก็บอกว่าท่านมีบุญถึงขนาดว่า ปกครองชมพูทวีปด้วยอุตรากุลุทวีปด้วยปุภาวิเทหทวีปด้วยอัปรักษโคยานทวีปทวีปน้อยอีกสองพด้วยแล้วยังมีช้างแก้วม้าแก้วไหมมีจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมีแก้วมณีมีขลับดีแก้วมีนางแก้วแล้วก็มีคุนพลแก้วด้วยเอาทีพวกช้างแก้วม้าแก้วเนี่ยจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วเนี่ยมาจากอาโทสาคือความไม่โกรธนี่ขุมขุมทรัพย์ เนี่ยมาจากอโทสะคือความไม่โกรธให้ทานด้วยความไม่โกรดนี่แหละจะได้ได้จักแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีข้างวบดีแก้วนางแก้ววันม า, นาจากความไม่โลภเนี่ยทรัพทั้งหลายแก้วมณีทั้งหลายนางสนมกำนันที่เป็นพระมเหสีที่งดงามที่สุดเนี่ยนางแก้วเหล่านี้ได้มาจากอะโลภคือความไม่ไม่โลภ คุนพลแก้วก็คือลูกชายคนแรกที่เป็นข้าวบดีแก้วเนี่ยที่เป็นคุนพลเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถรู้ความคิดของพระราชากาจัดศัตรูได้นมองว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูของพระราชาภายใน16กิโลเนี่ยคนค น, คนนี้ชาญฉลาดขนาดนี้มันไดมาจากความไม่ไม่หลงนี่ก็บอกไปด้วยเนี่ยแล้วมีวันหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยมีรมณียสถานก็คือว่าเมืองที่ มีประเทศที่น่าลื่นลมกว่าที่เราปกครองอยู่นี้มีไหมข้าบอดีแก้วก็บอกว่าหนึ่งใจคุนผลแก้วก็บอกมีพระเจ้าค่ะในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเท้าเท้าจาตุมหาราชเนี่ยเป็นพระเยาวินินปกครองอยู่สี่เมืองบอกเง้นไปท้าลบเลยก็หมุนจักเลยหมุนจักแก้วไปปุ๊บโอ้เท้าจาตุมหาราชเห็นจักแค่นั้นไม่กล้าลบกับพระเจ้ามันดาตูราน เข้ามาก็ยอมซิโร ล, ลาบอกยกเมืองให้เลยท่านก็ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมอยู่นานแสนนานนะเขาก็เซง็งเห็นไหมตัณหามันเบื่อแล้วเดีย๋ยนี้เหมือนเราไปอยู่กับใครสักพักนะเขานะเขาก็เบื่อนะเขาก็ไปเห็นสิ่งที่มันงามกว่าก็อยากจะได้ต่อไปเรื่อยๆเฮ้ตัณหามันไม่อิ่มกงเรเนี้ยมันวิ่งไปเรื่อยๆๆเี้ยก็อยากจะได้ต่อก็ถามท้าวจาตุมหาราชบอกว่ามีประเทศที่เป็นรมณียสถาน คือคำว่ารมณียสถานประกอบด้วยองค์สีนะถ้าอย่างเชนว่าวัดเนี่ยวัดที่จะเป็นรามนียสถานสมัยก่อนก็จะเป็นวัดเวรุวันวัดเชตวันเป็นต้นเนี่ยหรือวัดชีวกะอัมพวันเนี่ยนะวัดที่พระเจ้าทรงประทับเนี่ยประกอบด้วยรัมนียสถานหนึ่งมีต้นไม้สองมีน้ํา3ก็มีความมีความสะอาด4ก็คือมีความเป็นระเบียบถ้าใครจัด ถ้าใครจัดได้สประการเนี่ยเขาเราียกรา ม, มณนยสถานมีน้ำ<อ>มีต้นไม้มีความเป็นระเบียบก็ ค, คือจัดโซนได้ถูกนะแล้วก็มีความสะอาดถ้าจัดได้อย่างนี้ที่ตรงนั้นเดี๋ยวจเจริญเดี๋ยวก็พกพาได้ได้ฝูงชนที่จะไปฟังทำไปบพืชรำอะไรก็ว่าไปนี่มันการท่านกถามว่ารา ม, มณนยสถานเนี่ยประเทศที่เป็นรามานิยสถานเนี่ยมีมีอีกไหม ท่านก็บอกมีที่ไหนสวรรค์ชั้นเดาวดึงท่านก็ส่งจักรลอยขึ้นไปปุ๊บปุ๊หมุนไปหมุนอยู่หลายรอบแล้วก็ลงมาปักไว้ที่พื้นแล้วท่านก็พร้อมด้วยบริษัทบริวารเหาะขึ้นไปเลยพอขึ้นไปก็ถามเท้าสกาวว่าจะลบกันไหมเท้าสกาวบอกว่าขอเจราจาเ <c oughs> ท้าสกาาเจร า, จาแบ่งเจราจากันไปเจราจากันมาแบ่งเมืองคนละครึ่ ง, งบอกได้ท่านก็เลยปุบจากมนุษย์ก็กลายเป็นเหมือนเทวดาอยู่บนนั้น อายุยืนมากเทา้ทาสเท้าในพระเจ้ามันทาทุราเนี่ยเทวดาเท้าสกัดตายไปหนึ่งสองตายไปอย่างเงี้ยองคนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นินก็ตายไปตายไปครบกำหนดอายุก็ตายตายตายไปสามสิบหกองนะแต่ตนเองยังไม่ตายเลยทีนี้พอเทวดาเท้าสกาัตายไปสามสิบหกองปุ๊บเกิ่มคิดนะเอ๊ะไมนเรื่องเลเนี่ยที่ฉันจะเอาครึ่งเดียวตัณหามันไม่พอแล้วเขาใจไหมเนี่ยมันอยากจะเอาต่อเฮ้ยปกครองทั้งประเทศเลยทำไมต้อ ง, งทอนละครึ่งด้วย ในครึ่งหนึ่งมันจะมีนางสนมเนี่ยสามโกดครึ่งโกดละสิบล้านสามโกดขึ้นก็คือสามสิบห้าล้านใช่มสามสิบห้าล้านคนสามสิบห้าล้านคนแบ่งหารสองคนละเท่าไหร่ฮะคนละเท่าไหร่สิบเจ็ดุดล้านเจ็ดคนละล้านเจ็ดกว่ากว่าเออสิบ็ดล้านคนละสิบเจ็ดล้านเนี่ยมีภรรยาคนละสิบเจ็ดล้าน พอไหมหมอมีภรรยาก็เลยสิเจ็ดล้านคนแล้วก็คือมีเตาผิงเนี่ยมีเตาเขาเรียกว่าถ้าพระพุทธเจ้าอุปมาเนียอุปมาว่าเท้าสกะเนี่ยตอนนั้นที่อุปมาตอนเท้าสกะายังไม่บรรลุเท้าสกะเนี่ยมีเขาบอกคนที่มีนางสนมกำนันเนี่ยเออนางสนมกำนันเนี่ยท่านอุปมานางสนมกำนัน 35ล้านคนก็เหมือนมีเตามีเตาที่ไว้ผิงไว้อังเนี่ยประมาณ 30, 35ล้านเตาเตาเผิงที่ลุกบุบบูบู บ, บ, บเ่หนึ่งคนก็หนึ่งเตาเผิงแล้วก็เท้าส ก, กะเนี่ยเป็นเป็นเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนไอ้โรคเรื้อนเนี่ยจะต้องเอาไปอังไฟผิงไฟเพราะว่ามันจะได้เผาไอ้เนื้อให้แห้ง เพราะมันมีหนองไหลอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมไอ้โรคประเภทนี้ฉะนั้นจะต้องไปไปอังไฟเข้าไว้ให้ให้หนองมันแห้งแล้วก็ให้ให้สะเก็ดให้มันตกสะเก็ดเพระตกสะเก็ดแล้วจะได้แกะสะเก็ดมันไอการแกะสะเก็ดนั้นคือความสุขจากการที่มีแผลฉะนั้นการเสพกามาคุณทั้งหลายเหล่าเนี้ยก็เหมือนกับคนเป็นโรคเรื้อนนั่นแหละทีนี้การที่จะทํามันคันมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่สุข มันก็จะต้องมีเตาคอยอังคอยผิงไว้ถ้าใครมีหนึ่งเตามาอังผิงกันไว้นี่เท้าสกาไม่พอท่านเลยต้องมี35ล้านเตานะเตาผเตาผิงเนี้ยเอาไว้อังพอก็แกะมันจะมีตัวหนอนไงพอมันถูกไฟพวกมันจะช้อนเข้าไปข้างในแล้วจะกินเนื้อข้างในแล้วก็หลบเข้าไปข้างในแล้วมันก็จะตะกุยหนองหนองก็บีบหนองมาแล้วตรงข้างขอบแผมันจะแห้งก็ใช้ พอแกะออกมาจะมีความสุขสุขจากการได้แกะสะเก็ดนั่นแหะเกิดสุขจากการได้เส้นสากามาคุณได้เกี่ยวข้องการมาคุณฉะนั้นคนที่หมกมุ่นกับกามาคุณมากเท่าไหร่ก็เลยอุปมาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเคยอุปมาว่าเท่าสก่านี่จะต้องอาศัยเตาขนาดเนี้ยแล้วท่านก็ยกตัวอย่างว่าตอนไหนท่านเป็นคารวะยังไม่ได้ออกบวชเป็นพระบริสัตถ์เนี่ยท่านก็มีเตาอยู่4ี่หมื่นเตา มีนางสนมอยู่สี่หมื่นนางเลยดูร้อนเ ด, ดูหนาวเลยดูฝนในบริษัทเนีน่ยท่านก็เคยผิงมาแล้วเคยอังมาแล้วแต่ตอนนี้ท่านหายจากโรคเรื้อนแล้วพระเจ้าจะอุบ ม, มาว่าท่านหายแล้วท่านไม่ต้องไปอังไปผิงอีกแล้วนายมีกี่เตา <c oughs> แนด่ดีแน่ดีเนี่ยก็ไปผิงว่ามันมีความสุขเนะี่ยพิงถ้าไม่มีทีนี้ถ้าคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยถ้าไม่มีเตาคอยอังผิงอยู่ไม่ได้ ใช่ไหมตอนนี้มีหรือยังหาเต่าได้ยังวิธ <laughs> ีการรักษาเขาไม่ า, า ร, รักษาให้มันหาทําอย่างนั้นมันไม่หายไม่มีทีกาไม่ไม่ใช่วิธีการรักษาโรคเรือ้อนแต่เป็นการคล้ายๆว่า อ, อทําให้มันทําให้มันคล้ายๆว่าพอมันอยากก็ทําให้มันสมอยากแต่ที่ไหนได้ก็คือไปเกาพอมันเป็นสะเก็ดก็เกาที เป็นสเกตก็เกาทีอย่างนั้นแหละมันไม่ได้หายเขาเลยแก้ปัญหาที่ปลายเหตุถ้าจะทําการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือรักษาโรคนี้ให้หายแล้วต่อไปก็ไม่ต้องอาศัยเตาอีกต่อไปเลยทําได้ไหมหมอทําได้ไหมตอนตอนนี้มันที่ใจมันโหยหาเนี่ยมันโหยหาอะไรโหยหาเตาแล้วอยากจะได้เกาเตาอันเดิมอะ ตอนนี้มันก็เลยคันมันคันเพราะว่ามันไม่ได้เกาใช่ไหมมันไม่มีเตาผิงพดผิงเบสเซ็จมันมันคันพอมันมีเตามาย่างให้แห้งแล้วเพราะสเก็ดแห้งเพราะเกาแล้วมีความสุขมันสุกตอนได้เกานิดเดียวแค่นี้แหละแต่มันยอมมีแผลเลอะขนาดนั้นน้อคิดดูมันก็ยิ่งเลอะไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แก้ปัญหาในขณะที่แก้ปัญหานี่แหละมันก็ทําให้ปัญหามันซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เหมือนฉันเคยเล่าเรื่อง เ, อเล่าเรื่องที่เขาแก้ปัญหาผิดเนี่ยฉันเล่าเรื่องก็เล่าเรื่องอดีตไอ้นักจิตวิทยามันแก้ปัญหาที่บอกว่ามีคนคนหนึ่งมันเป็นบ้าสำคัญตัวเองว่าเป็นเจียงไคเชคเกมันเจียงไคเชกเป็นผู้นำของไต้หวันนี่นั่นแหละในยุคดังมากใช่เขาก็บ้าว่าตัวเขาที่เป็นเจียงไคเชก หมอก็ไปทํายังไงก็ไม่หายแล้วอยู่ต่อมามีไอ้เจ้าหนึ่งมันบ้าเหมือนกันแล้วก็สำคัญตอนนี้ก็เป็นเกียงไคเชกเอมพวกหมอก็ไปชุมกันเออได้เรื่องแล้วเราคงจะแก้ปัญหาได้งานนี้แหละก็คือเอาไอ้เจ้าบ้าต่อบ้าไปอยู่ด้วยกันเลยทำ ไ, ไมไปอยู่ห้องเดียวกันให้คนที่สําคัญตอนนี้ว่าเป็นเกียงไคเชกเนี่ยให้ไปอยู่ห้องเดียวกันเลย <c oughs> โอ้มันยุ่งมันทะเลาะกันทั้งคืนมันทะเลาะกันตั้งแต่หัวค่ำยันเที่ยงคืน แล้วก็เงียบไปเพราะตอนเช้าเนี่ย เ, เขานึกว่านี่เห็นไหมเขาบอกว่ามันได้ผลแล้วมันทะเลาะกันอยู่พักหนึ่งมันคงตกลงกันได้แล้วไปไปมาโอ้ตอนเช้ามันก็ออกมายิ้มแย้มแจ่มใสก็ถามว่าเฮอเนีเ่ยถามว่ารู้หรือยังว่าตนเองเป็นใครบอกรู้แล้วอีกคนนึงเป็นเจียงไคเช็กอีกคนนึงเป็นมาดามเจียงเนี่ย อ, อันนี้มันปัญหามันซับซ้อนไหมมันกลายเป็นการ มันไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหามันแก้ปัญหาผิดนัเข้านะ่งเข้ามันก็กลายเป็นปัญหาก็ซับซ้อนเหมือนที่เราไปแก้ปัญหาด้วยการว่ามันคันจากไอ้จากไอ้เป็นโรคเลือนมันควรจะไปแก้ที่สมูทฐานก็คือเอาตัวหนอนที่มันเป็นบ่อลชัยที่ทําให้โรคเลือนมันเกิดขึ้นเอาออกแต่ที่ไหนได้นี่ไปย่างใช่ไหมย่างก็ไปเกามันก็เลอะใหญ่ใช่ไหมมันเหมือนจะดีตอนที่ไปย่างแล้วได้ได้มีความสุขจากการแกะสะเก็ด แต่แผลที่มันเลือ้อเลื้อเลือัองแล้วไปเต็มตัวเลยตัวเนี้ยต้องต้องเผาอยู่เรื่อยเลยต้องอังต้องผิงไงเตาเผาอยู่เรื่อยเยืยเนี่ยประชชนที่มืดบอดไม่มีปัญญาก็แก้ปัญหากันแบบเนี้ยเขาให้ละตัณหาเขาให้ชักสะพานให้ถอนตัณหาใช้ปัญญาไปจัดการถอนตัณหาทิ้งอันนี้ไปเพิ่มเขาแล้วก็ไปหาตัวอารมณ์ทั้งหลายมาตอบสนองตัณหา เพื่อให้ตัณหาเนี่ยมันมันมันอิ่มตัวมันอิ่มที่ไหนพระเจ้านัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ําเสมอโดยตัณหามันไม่มีใช่ไหมเราไปเอาอารมณ์มาให้ตัณหามันกินว่างั้นจะให้มันออกกําลังกายตัณหาก็โตใหญ่เลยอย่นี้เหมือนเหมือนการที่ว่าเราจะละความโกรธด้วยการให้ความโกรธมันออกมันมันเกิดเรื่อยเรื่อย จะละความโลภด้วยการให้ความโลภมันได้อาหารกินเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆมันจะอย่างนี้เขาเรียกว่าเพิ่มหรือลดเพิ่มมันแก้ปัญหาผิดวิธีการเขาเรียกถอนใช้ปัญญาไปจัดการมันเสียใช่ไหมครับบอกเออมันไม่ ม, ม, มันมันมันมีมันมีคุณนิดเดียวเขาที่อุปมาบอกว่าเออเวลาเราต้องการอยากจะกินน้ําผึ้งบนคมมิดโกนคือเอามิดโกนใบมิดโกนจุ่มน้ําผึ้งมาเนี่ยแต่เราหิว ก็ใช้ลิ้นเนี่ยไปเลียแพบที่มีกวนเน่ยใบมีกนเนี่ยเลียแปบแต่ละครั้งลิ้นมันขาดเลียทุกครั้งลิ้นมันขาดแต่มันหวานไหมมันหวานนีนิดเดียวแต่มันเจ็บปวดเยอะเขาเรียกอุปมาว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันยิ่งเจ็บปวด <c oughs> จะพูดอย่างนี้น้าบวชไหมเนี่ย <c oughs> สรุปแล้วก็คือเป็นการแก้ปัญหาที่ผิด นี่ไงนี่ไงเนี่ยเนีเนีนนเาแล้ว ไ, ไปให้อาหารไปให้อาหารของโทสะวิธีการแบบนี้ก็เหมือนที่เอาคนที่มันสําคัญว่าเป็นเจียงไคเชกไปอยู่ด้วยกันเนี่ยปุ๊บมากลายเป็นเลยวิปริตไปใหญ่เลยแต่นี้อีกคนหนึ่งแทนที่มันจะแก้ปัญหาให้หายมันกลายเป็นเพิ่มเป็นอีกคนหนึ่งเป็นเจียงไคเชกคนหนึ่งเป็นมาดามเจียงไป ล, <laughs> ละลโลกนี้วุ่นวายเลยแต่ยังงานนี้ไปใหญ่แล้ะมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย าทางข้าวทางข้าก็เพิ่มบ้าเพี้ยนเข้าไปอีกเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะตรงเนี้ยพระเจ้ามันทาตุลาศก็เลยเครียดพอเครียดขึ้นมาโกรธฆ่าดีกว่าฆ่าเท้าสกะทิ้งแล้วก็ปกครองคนเดียวเลยเนี่ยเพิ่มเลยเหไหมตัญหาพอคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยกําลังตองโทสะจะต้องทําให้ตนเองตายแต่ว่ามนุษย์ไปตายบนนั้นไม่ได้ก็ต้องร่วงเลยหมดบุญเลย ล่วงปกลงมาอยู่ในในโลกมนุษย์ยใกล้จะตายท่านก็เลยให้ิรวงศีราจา ร, รย์ลึกพระเจ้าก็เลยยกตัวอย่างเนี่ยขนาดเราเนี่ยยังไม่สามารถถมตันหาให้เต็มได้เลยเอาขนาดนั้นเนยลยชี้ดูแล้วบุญของเราเนี่ยจะสแสวงหาวัตถุกรรมได้แค่ไหนเนี่ยที่จะมาตอบสนองตันหาเนี่ยเรามิตายก่อนเลยใช่ไหม เอาที่เราจะใช้ความสามารถของเราเนี่ยกำลังบุญของเราเนี่ยเราจะหาเอาอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านอยากจะได้ทรพัพอยากจะได้บุตรอยากจะได้พันระยะเนี่ยมันจะเต็มไหมเนี่ยนสนองอยังไงก็ไม่เต็มหรอกแล้วไม่ใช้วิธีการแก้ต้นแกแ ก, แก้นหาตันหามันแก้ได้โดยการตัดแมวพ่ออย่างนี้มันก็โหดร้ายสําหรับเราอยากจะค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหม <laughs> <laughs> มันเป็นเรื่องการถอนเลยเการละด้วยด้วยปัญญานี่ก็ปัญญาไปพิจารณาเหตุผล เพ่อพอจะตอบปัญหาได้ไดชัดเจนั้ยแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะมีใครถามปัญหาไหมไม่มีเลยแต่จริงๆอ่ะลองมีประเด็นอะไรก็ลองสนทา น, านาดู อย่างในในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองเรามองถึงในเรื่องของการที่เราจะฝึกปัญญาให้มันเกิดขึ้นอย่างปัญญาที่เรารับฟังกันเนี่ยเป็นสุตตะเนี่ยสุตตะมยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการการฟังทีนี้ปัญญาในสามระดับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุตตะมยาปัญญาจินตามยาปัญญาแล้วก็ภาวนามยาปัญญาเคยได้ยินไหปัญญาสามระดับ ในปัญญาสามระดับเนี่ยมีความต่างกันอย่างนี้คือปัญญาที่การเรียงการเรียงลำดับในบางทีท่านก็เรียงกินตะขึ้นก่อนสุดตะขึ้นก่อนนี่ต่างกันเนาะเอาสุดตะขึ้นก่อนไอ้สุดตะมยาปัญญาในปัญญาที่เกิดจากสุดตะก็คือปัญญาที่ ค, คนทั่วไปพัฒนาขึ้นได้ นี่ต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยสุดตะก็คือเมื่อยังคิดเองไม่ได้คิดเองไม่เป็นมองอะไรไม่ออกไม่เข้าใจก็ต้องมีพูดแนะนำสั่งสอนแล้วบอกให้เช่นนี้ท่านเรียกว่าต้องอาศัยกัลยาณมิตรก็คืออาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยผู้รู้อาศัยครูอาจารย์มาแนะนําชี้แจงอธิบายก็จึงรู้และเข้าใจอย่างถึงความจริงได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะอันนี้เขาเรียกสุดตะมยาปัญญา ส่วนจินตามยปัญญาเนี่ยปัญญาที่เกิดจากจินตะจินต์เนี่ยก็ได้แก่การรู้จักคิดทําให้เกิดความรู้ความรู้ความเข้าใจในสุดตะก็เกิดมีเกิดมีสุดตมยปัญญาเกิดการเล่าเรียนสระประฟังแล้วก็ฝึกฝึกใช้อะไรฝึกใช้โยนิโสความเป็นผู้ฉลาดคิดนี่แหละคิดให้ถูกทางคิดให้ถูกวิธีคิดให้ถูกอุบายสามารถคิดปลุกเล้ากุศลเป็นต้นเหล่านี้ได้ พอคิดอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรู้และเข้าใจกว้างไกลลึกแล้วก็สามารถยแยกแยะได้ท้าไห่ก้าวต่อไปในการที่เข้าถึงความจริงและใช้ความรู้อย่างได้ผลอันนี้เรียกจินตามยะปัญญาส่วนภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากภาวนาก็คือการปฏิบัติการบาเพ็ญในการปฏิบัติการบาเพ็ญก็คือทำให้เป็น ทำให้เป็นให้มีขึ้นได้จริงโดยลงมือกํากับและวก็ทําตามประสบการณ์นั่นแหละก็หมายถึงว่าปัญญาที่พัฒนาต่อจากสุตตะมยาปัญญาและต่อจากจินตามยาปัญญาสองอย่างแรกก็คืออาศัยปัญญาสองอย่างแรกนั่นแหละพัฒนาต่อไปด้วยการมนสิการก็คือด้วยโยนิโสเป็นตัวนําเป็นตัวสภาวะตัวนํำกันเพื่อเข้าถึงสภาวะจนเกิดปัญญาที่รู้จริงสําเร็จเป็นมรุบรรลุมรุบรรุผลได้อันนี้เป็นภาวนามยาปัญญา ข้อสังเกตตรงนี้ก็คือว่าภาวนามยปัญญาต้องอาศัยอะไรอาศัยสุตตะและอาศัยจินตะน <Yeah. S 1> ไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เรียนและก็ยังไม่ได้เรียนปุ๊บก็ไปนั่งสมาธิพอไปนั่งสมาธิแล้วมันจะรู้เองเกิดขึ้นเองอันนี้ได้ไหมได้ไม่ได้อันนี้มันต้องเรียนก่อนว่า ง, งั้นเถอ๋ต้องเรียนก่อน เพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีจินตามยาปัญญาทําให้เกิดหมายความบอกว่าจะต้องมีสุตตะจินตามายาปัญญาเนี่ยคนทั่วไปมีไม่ได้คนที่จะมีจินตามยาปัญญาได้เองโดยไม่ต้องอาศัยสุตตะมีจําพวกสองจำพวกหนึ่งสมมาสัมพุทธะสองปัจเจกพุทธะสองจำพวกนี้เท่านั้นฉะนั้นคนบอกไม่ได้ฟังหรอกฉนันเป็นนั่งกรรมฐาน มานั่งกรรมาฐานปุ๊บแล้วได้ฌานแล้วคิดได้เองไอ้ น, นี้ไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่แต่แปลว่าคนคนนี้เป็นคนพิเศษต้องเป็นระดับสัมมาักพุธะหรือปเจเกพุธะถ้าหากระดับคนทั่ ว, วไปอันนี้ต้องอาศัยสุตตะนีต้องอาศัยสุตตะจุดที่สำคัญก็คือว่าไอ้ตัวโย น, นิโสมนสิการตัวนี้สำคัญเป็นตัวทางาน เป็นตัวแกนในการพัฒนาและก็สร้างปัญญาทั้งสามไม่ว่าจะเป็นสุตตามยาปัญญาจินตามายาโดยเฉพาะภาวนามยปัญญาต้องอาศัยโยนิโสมนัสกาเนี่ยเป็นแก่นและเป็นแกนในการที่จะทำให้ปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ อธิบายตรงนี้คําว่าโยนิโสเนี่ยคำว่าโยนิโสมณสิการเนี่เขาแปลว่ามันจะมีคิดมันจะมีสอย่างนะหนึ่งอุปายามณิสิกาละอย่างหนึ่งก็คือคิดคิดอย่างมีอุบายคิดให้ถูกอุบายก็คือสามารถคิดให้สอดคล้องกับความจริงตามแนวของสัจจะได้ หรือถ้าเจาะลงไปก็คือคิดเข้าหาสภาวะลักษณะหรือสามาัญลักษณะได้คิดจนสามารถรู้ลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมนั้นได้เลยเช่นคิดก็ถึงว่าลักษณะของศรัทธาที่มีความเชื่อมีความเลื่อมใสเป็นลักษณะนี้สามารถเจาะเข้าถึงตัวศรัทธาได้ด้วยแล้วรู้ด้วยว่าศรัทธาเวลามันเกิดไอ้ลักษณะของศรัทธาแล้วเนี่ยมีการแล่นไป รัศรีเกิดขึ้นมาแล้วนอกจากผ่องใสแล้วเนี่ยไม่พอมีการแล่นไปแล่นไปข้างหน้าเป็นลักษณะคําว่าแล่นไปก็คือแล่นไปสู่ความเพียรแล่นไปสู่สติแล่นไปสู่สมาธิและปัญญาเนี่ยลักษณะศรนะีนั่นจะต้องมีการลราแล่นไปข้างหน้าแล้วก็มีอาการที่มีความเชื่ออย่างมั่นคงทั้งหลายเป็นอาการปรากฏยังไงเป็นต้นแล้วเนี่ยคือสามารถที่เข้าไปรู้ลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมนั้นแล้วก็เจาะไปถึง เป็นปัจจัยใ ห, e ให้สามารถเข้าไปรู้สามัญลักษณะคือลักษณะความไม่เที่ยงเป็นทุกรักเว็นอนัตตาไอ้กรณีอย่างนี้เขาเรียกเป็นตัวอุปายมา น, นัสการเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทําให้ปัญญาที่เข้าไปรู้สัจจะความจริงได้เข้าไปรู้ตัวทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกขและปฏิบปท้าให้เข้าถึงความดับทุกได้เนี่ยไอ้ตัวโยโนิโสมานัิการเนี่ยเป็นเหตุทําให้ปัญญาประเทศนี้ประเภทนี้เกิดขึ้นมานี่ยก็เรียกว่าอุปายมา น, นัสการหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียก ปัฏฐามนมณสิการะเคยได้ยินไหมปัฏฐานนี้ก็เรียกคิดตามทางมณสิการประเภทที่เวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะคิดสามารถไปเป็นแถวเป็นแนวได้ไม่วกวนไม่สับสนไม่จะคิดกระโดดไปกระโดดมาซึ่งคนบางคนคิดวกวนย้ำคิดย้ำทำเคยเป็นไหมความคิดนั้นก็ย้ำคิดย้ำทำวนอยู่นั่นแหละแต่ถ้าปัฏฐามณสิการานี่จะสามารถคิดเป็นแถวเป็นแนวได้ คิดเรื่องเหตุเร่งผลยกตัวอย่า ง, างเช่นศีลกุศลศีลเนี่ยเมื่อพัฒนาแล้วกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดอาชีพที่บริสุทธิ์เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมทั้งพฤติกรรมทางกายทางวาจาและจิตใจตนเองแล้วเนี่ยปลาโมดเกิดปลาโมดเกิดเป็นปัจจัยพัฒนาไปเรื่อยเป็นปัจสถานะเป็นปีติเป็นปัจสถานะเป็นสุขเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่รู้เห็นตามความจริง สามารถดําเนินคิดอะไรเป็นแถวเป็นแนวได้อย่างเงี้ยสามารถรู้เหตุรู้ผลที่เป็นไปตามลำดับหรือเหมือนเราจะคิดทวนทางที่จะกลับไปกรุงเทพเนี่ยก็สามารถคิดได้ว่าออกจากสุพรรณไปที่ไหนดําเนินไปที่ไหนออกไปที่ไหนเห็นไปตามเป็นแถวเป็นแนวได้ลักษณะอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกปฐะใช่ไหมถ้าการณามาสิกาเนี่ยเขาเรียกว่าคิดสาเหตุหาเหตุ ป, ปัจจัยของสิ่งนั้นได้อีกเช่นยังไง เออถ้ามองถึงว่าตัวกรณีแห่งการที่ว่าถ้าสาวให้เหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่าเนี้ยถ้ามองถึงว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยชาติชรามรณนาไอฉลามลณนมีเพราะมีชาติอ๋อเหตุก็ก็คือมีความแก่และมีความตายเป็นต้นได้เพราะว่ามีชาติคือความเกิดนี่เลยชาติที่ความเกิดก็มาจะพบเนี่ยคือสามารถจะสาวเข้าไปจนถึงต้นตอของของสิ่งต่้งหลายเหล่านั้นได้ หรือยกตัวอย่างเช่นว่าการฟังธรรมใช่ไหมการฟังธรรมที่มาได้อ๋อที่มีการฟังธรรมแล้วสามารถเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมาได้เนี่ยเพราะอะไรน้อเนี่ยอ๋อเพราะเราการการที่เราได้ฟังธรรมเพราะเราอยู่ได้ครบสัจบุรุษการครบสัจบุตรเพราะอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเพราะทําเหตุปัจจัยมาดีเนี่ยการคิดสาวเป็นไปตามลําดับได้สามารถเห็นเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายได้หรืออย่างนี้พราะคิดถึงทุก แล้วก็สาวหาเหตุของทุกของเหตุของปัญหาเป็นต้นเหล่านั้นได้เนี่ยการคิดสาวเหตุเป็นกรณ์ะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดให้เกิดได้คิดปลุกเร้าได้เขาเรียกเขาเรียกอุปาทะเวลาเกิดความไม่มีศรัทธาคิดให้เกิดศรัทธาได้เกลียดค้านคิดให้เกิดความเพียรได้แล้วก็ต้นความเพียรเกิดได้เลยว่างั้นดีแล้วก็ ฟันเฟือเลือนหลงคิดให้มีสติเกิดขึ้นมาได้เงี้ยคิดให้มีสมาธิแล้คิดให้มีปัญญาีไอ้กรณีแห่งการที่สามารถที่จะกระตุ้นคุณธรรมที่มันตรงกันข้ามกับใจเราเนี่ยไอย้สภาพจิตใจเราแย่ๆอย่างบางทีเราเกิดโดถูท้อถอยใช่ไหมแล้วเราก็จมกับมันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคิดทำมาที่ตรงกันข้ามและให้มาเกิดได้คือไม่สามารถจะพลิกสถานการณ์ต่างๆเพื่อเอาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจเราได้เคยเป็นไหมอย่างเช่นเรา ท้อมากช่วงนี้เครียดละท้อแต่เราไม่สามารถที่จะคิดให้เกิดความเชื่อมั่นตัวเองขึ้นมาได้เลยอันนี้ไม่มีอุปาท각มนสิการ์นั้อุปาท각มนสิการคิดให้เกิดผลได้ไอ้ตรงเนี้ยเมื่อคิดให้เกิดผลจากไม่รู้คิดให้เกิดปัญญาจากเกียรติค้านคิดให้เกิดความเพียรได้ไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอุปาท각อุปาท각มนสิการแล้วพอมองเห็นไหมพอพอจะมองเห็นเรื่อง เรื่องมนศษยการัหยสำคัญัห ย, ค, ยคือมีหลักการมีหละ คือคือถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าไอตัวกําลังของโยนิโมสมสําคัญที่สุดก็คือถ้าไม่มีตัวนี้ปัญญาจะเกิดไม่ได้เลยก็คือเป็นอาหารของปัญญาเป็นเหตุของปัญญาล้วนๆตัวสมาธิฐิเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วเกิดเองสมาธิถิต้องมาจากโยนิโสทีนี้โยนิโสในาการต้องมาจากการฟังธรรมอย่างเราเราเนี่ยนี่เราจะฟังธรรมเนี่ยงั้นถ้าเราฟังธรรมปุ๊บ ธรรมะที่เราฟังอย่างติดต่อและต่อเนื่องก็จะเป็นปัจจัยเกิดความเป็นผู้ฉลาดคิดไอฉลาดคิดตัวเนี้ยเป็นโยนิสโมนสมณิสการอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเกิดความท้อถอยเอ่เออ่ยกตัวอย่างนี้นะรถสวดมนต์หมอสวดมนต์อยู่ไหมบอกว่าอิติพิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทธวิชาเจารณาสัมปันโนเนี่ยอย่างเงี้ยสวดอย่างเงี้ยเขาเรียกไม่มีโยนิสโส ถ้ามีโยนิโสเนี่ยอิติปิโสพักวะอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยอรหังเนี่ยความเป็นพระุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เออถ้ามีโยนิโสคิดเรืพระพุทธเจ้าไกลจากกิเลสเนี่ยเข้าใจคํานี้เลยไกลจากราคะความกําหนัดไกลจากความโกรธไกลจากความหลงนี่เข้าใจอย่างงี้นะพอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บอแล้วเราอะ่ะเราเป็นผู้ใกล้จากกิเลสคือราคะโทสะโมหะแล้วบอกว่าเอาลนะเราจะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลต้นแบบ พระเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสนับตั้งแต่ที่เราได้สาธยานี้ข้าพเจ้าจะฝึกตนเองฝึกพฤติกรรมด้วยศีลฝึกจิต ด, ด้วยสมาธิฝึกทัศนคความเห็นด้วยปัญญาจะฝึกผลพัฒนาปัญญาตนเองให้สามารถกำจัดกิเลสและกองทุกขเป็นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าให้ได้เออนี้เ้าเรียกมีโยนิสง น, นสิการเขาเรียกฉุกคิดแล้วคิดเป็นแล้ว สัมมาสัมพุทธโธพุทธเจ้าตัสรู้ชอบได้โดยตนเองสอนบุคคลอื่นให้รู้ด้วยข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองเนี่ยจากมนุษย์ธรรมดาให้เป็นพุทธะตามพุทธเจ้าตัสรู้อริยสี่ตามพุทธเจ้าให้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าสวดแล้วมีโยนิโสในการคิดวิชาจารณสัมปันโนพุทธเจ้ามีวิชา8จารณ15ตอนนี้เรายังไม่มีวิชาอะไรเลยแล้วยังมีมีจารณคือศีลและสมาธิเลยั้นเราจะฝึกทั้งศีลสมาธิซึ่งเป็นจารณะ วิชาคือปัญญามีวิปัสนาปัญญาเป็นต้นสามารถกําจัดกิเลสและกองทุกมีวิชามีจารณะตามพระพุทธเจ้าให้ได้เออเวลา ส, สวดพุทธคุณปุ๊บแล้วก็ย้อนมาดูตนเองเราจะเอาพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้ามาให้ใครมาอยู่ในตนเองให้ได้ถ้าในกรณีอย่างเนี้เขาเรียกว่าเป็นมีโยนิโสใช่ไหมเนี่ยมีโยนิโสจะมีกําลังใจจะมีจะมีกระบวนการความคิดแบบนี้ถ้าแหมะ อรหังสัมมาสัมพุทธโววิชาจนะสัมบูรณ์อยู่นอกตัวหมดเลยแล้วเราก็ห่างจากพระพุทธเจ้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยยิ่งยิ่งสวดมนต์ก็ยิ่งห่างทำไมพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แบบทั้งหมดเลยเราแย่ลงทุกวันทุกวันเลยเนี่ยมันกลายเป็นขาดเป็นอโยนิสโสไปหมดเลยหรืออย่างเราบอกว่าสุขโตเนี่ยพระเจ้าเสด็จไปดีแล้วเสด็จไปไหนเสด็จไปตามมัชิมาปฏิบัติพระเจ้าไม่ดําเนินไปตามการมาสุขลริการุโยคและอตติกิรามัานุโยค พระเจาดำเนินกระแสะชีวิตไปตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวจาสัมมากามตาสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเอาละสิเนี้ยข้าพเจ้าก็จะดำเนินสุขตาเนี่ยตามพระเจ้านี่แหละดำเนินไปตามมาชิมาปฏิปทาที่พระเจ้าเดินทางนี้แหละเห็นไหมเอกายโนยัง e พิกเวมโคโอ้โหชัดเลยแต่เนี้ยพระเจ้าบอกทางนี้เป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่พระศาสดาดำเนินไป โอเอกายนามกเนี่ยมชิมาปฏิฎพทาเนี่ยเป็นทางสายเดียวที่เป็นทางที่ไม่เอียงเข้าไปหาการผสมกานิการุโยคและอัตตกิลมัณานุโยกแล้วก็โอโชัดเลยข้าพเจ้าก็จะดําเนินไปตามเอกายนามคเนี่ยทางสายเอกทางสายเดียวนี่แหละเอกายโนยังพิกเวมาโคสัตตานังวิสุทธิยาบอกดําเนินไปตามทางสายนี้แล้วเราจะเป็นผู้ที่สะอาดหมดจดจากกิเลสเราเป็นสัตว์ที่สกปก ออราคาเนี่เป็นเหตุทห้งโสกรกโทสะก็โสกรกโมหะก็โสกรกใช่ไหมกายทุจริตก็สกระกวจีทุจริตก็สกระกมโนทุจริตก็สกรกออบอกบาปกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายเลยนี้เป็นความสกรบกของเหล่าสัตว์แต่เมื่อดําเนินไปตามทางสายนี้แล้วคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะชะําระล้างกระแสชีวิตสัตว์ทั้งหลายที่โสกรกให้สะอาดผ่องออแผ้วและเราก็จะดําเนินไปตามมรริมารีประธานนี่แหละเพื่อจะทําเข้าถึงความสะอาดและหมดจดตามพระเจ้านี่ เอกายโนยังพิกเ ว, วสตานังวิสุทธิยโยโสกะปริเทวนงังสมมติกามายะก็บอกทางสายนี้ถ้าดำเนินไปแล้วจะสามารถดับทุกข์และโทมณัสได้โหเราเนี่ประสบชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์เกิดความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายเป็ น, น, นทุกข์ทั้งหมดเลยความโศกความล่ำไรลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจนีน่ทุกข์อ๋อเพราะเราเดินทางผิดที่เอง ถ้าเราเดินตามมาัชิมาปฏิปทาเนี่ยเราจะไม่โศกเราจะไม่ทุกข์อีกแล้วใช่ไหมเอาละมั่นใจเราจะเดินทางสายนี้แหละแล้วก็ญายาสะอธิคมายะเราตัเนินตามทางสายนี้แล้วจะบรรลุอริยมรรคอริยผลบรรลุโสดาปฏิมาคือทางนี้แหละจะเป็นพระโสดาบันก็ทางนี้สากาทาคาก็ทางนี้อนาคาละหันก็ทางนี้แหละโอ้นี่ชัดเลยทีเนี้ยแล้วก็นิพานะสัจจิกริยายะบอกว่าดําเนินทางสายนี้แล้วจะเข้าถึงอนุ ป, ปาธาปฏินิพาน โอสุขโตนี่เราจะดําเนินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าดําเนินแล้วเมื่อไปถึงพานิพานแล้วก็ไม่กลับมาเกิดกล้ว ก, เกิเลสอีกโอ้โหเป็นทางที่เราเนี่ยพอสวดสวดแล้วรู้ความหมายแล้วชัดเจนอย่างนี้ปุ๊บนี่เขาเรียกโยนิโสเป็นปัจัยเกิดปัญญาทีนี้ก็เกิดความมั่นใจไม่ใช่สวดอย่างเลื่อนลอยแล้วไม่ได้สวดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแต่เนี้ยสวดแบบเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงพอมองออกไหม <c oughs> ท่านนี้ก็จะมีกำลังใจในการสวดว่าอ๋อเป็นการสวดมนต์ที่เรารู้ความหมายทุกเรื่องเลยสุขโตโล ก, กะวิทูโล ก, กะวิทูที่เราเรียนกันมาไงรู้จักขันห้าโลกคือขันห้าตามความเป็นจริงรู้แจ้งโลกอ่ะรู้จักขันห้านี่แหละขันถ้าโลกนี่แหละมันเกิดดับแตกดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโอ้พระเจ้าเนี่ยทรงรู้แจ้งโลกรู้แจ้งขันห้า แล้วรู้แจ้งเหตุให้เกิดของโล K, เกโล K, <Tammy. S 2> เหตุให้เกิดขันห้าเนี่ยรู้แจ้งความดับของโลกก็คือความดับของขันห้าที่ไม่ต้องไปเกิดอีกทือนิพพานรู้แจ้งปฏิปทาให้เข้าถึงความดับของโลกด้วยก็คือมรรคปฏิปทาทางดําเนินที่ไปถึงความดับทุกเนี่ยเห็นไหมแล้วโอเราไอตัวชีวิตเนี่ยรู้จักชีวิตก็คือครู้จักโลกรู้จักเหตุของชีวิตก็คือครู้จักตัณหาทั้งหลายเปนน็นต้นเหล่านี้ที่เป็นเหตุให้ชีวิตดาเนินไปอยู่รู้จักความดับของโลกก็คือ ดับแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องกลับมาทุกมาทรมานอีกคือนิพพานรู้จักวิธีการปฏิบทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของชีวิตอ๋อก็รู้จักมากก็ทางดําเนินไปสู่ความพ้นทุกนี่แหละนี่ก็เรื่อโลกรวิถูเออถ้าสวดอย่างนี้เราอยากสวดไห ม, ไ ม, มเออแน่นแหละอย่างนี้มันก็มีกําลังใจในการสวดมนต์ดังไปสวดไม่รู้เรื่องอะยุ่งเลยนี่ยิ่งสวดก็ยิ่งแย่เตัวไม่เห็นจะ คลายทุกในใจได้เลยเงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเอ้าวมวีถามเออเออเนี่ยกรณีอย่างนี้ก็คือว่าถามเรื่องว่าจัดทำยังไงใช่ไหมเออเมื่อกี้เลยตอบเป็นอืมอืม ที่จริงตรงนี้หลักการเบื้องต้นจริงๆเนี่ย่างที่เล็กก็คือว่าคนที่กายไม่สะอาดวาจาไม่สะอาดใจไม่สะอาดเนี่ยไม่สามารถที่จะออไปเจริญสติปัฏฐานที่จะไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้เลยเนยไม่ใช่ฐานนะทีนี้คนที่จะกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดได้ก็มาจากละอียดสีสังวรนะคมับ ใช่ไหมคนที่ปิดบาปทางทวารตาหูจมูกเล่นกายใจได้ถึงจะได้สุดจริตสามที่ถูกต้องทีนี้คนที่จะมีอินทรีย์สังวรได้ก็มาจากปฏิโมกสังวรศีลก็คือคนที่ตั้งมั่นในการที่จะฝึกในด้านของศีล5ศีล8ปดศีลสิ 5, ส 8, สว่าไปคนที่เจริญกุศลศีลได้ดีทีนี้คนที่จะเจริญกุศลศีลเห็นคุณของการเจริญกุศลศีลก็มาจากศรัทธาในคุณของพระรันนตรัยใช่ไหมฉะนั้นพระศรัทธาจึงเป็นประธานของปฏิโมกสังวรศีลสติก็เป็นประธานของอินเดียสังวรศีล ทีนี้พอได้อนรซม์สังวรศีลอาชีวประลิษตที่ศีลปัจิยสนาสนิสศีลเป็ต้ศีลที่เป็นไปนในภูมิศีเนี่ยจะปรทธิ์บริบูรณ์ได้เกิดจากการเกิดความรู้ความเข้าใจไอ้ตรงเนี้ยเป็นเหตุทําให้ได้สุดจริต3ามกายสุจริตวาจาสุดจริตเท่าใจาสุจริตทีนี้ตัวสุดจริตสมเนี่ยเมื่อดําเนินได้ดีให้สังเกตดูนะโดยเฉพาะกายสะอาดวาจาสะอาดโดยเฉพาะจิตที่สะอาดจิตที่สะอาดทั้งหลายเหล่านี้แหละเนี่ย คุณภาพจิตที่สะอาดทั้งหลายไอตัวจิตจิตที่สะอาดเวลาจิตสะอาดเกิดขึ้นปุ๊บอะไรตามมามันจะเป็นเหตุทำให้กลุ่มนิวร์ทั้งหลายไม่ก้มลวมพรไอตัวนิวรณ์ละธรรมทั้งหลายไม่ก้มลวมตรงนี้สภาพจิตเขาค่อนข้างดีแล้วจะสามารถฝึกสมาธิฝึกจิตค่อนข้างได้ดี พอพิจารณาถึงกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์แล้วก็พิจารณาถึงบาปทั้งหลายที่เข้ามาดูทางทวารตาหูจมูกเล่นกายใจก็ถูกสกัดกันพฤติกรรมที่ออกมาทางกายกรรมปีกรรมมโนโกรรมก็กลายเป็นสะอาดบุคคลเหล่านี้เวลาฝึกจิตก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยจะฝึกจิตเพื่อให้ตั้งมั่นจิตที่ควรต่อการงานจิตที่ไม่วันไหวไม่วอกแวกทั้งหลายจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องบ่องแผ้วไม่มีบนทินก็เกิดขึ้น เมื่อสภาพจิตอย่างนี้ท่านก็เลยอุปมาเหมือนกับตัวตัวไอ้ที่คนเข้าไปสกัดทองคํายู่ไหมไอ้ตัวไปเวลาไอ้เวลาที่เขาทําเหมืองทองเนี่ยมันจะมีได้ทั้งดีได้ทั้งเหล็ก ท, ทองแดงมีเหล็กมีทองแดงมีตะกัว่วมีดีบุกแล้วก็มีเงินแล้วก็มีทองหกชนิดเนี่ยรวมกันอยู่ทีนี้ถ้าเขาต้องการจะสกัดไอ้ตัวเหล็กออก ทองแดงออกดีบุกออกตะกวัวออกเอาเงินออกเพื่อให้เหลือแต่ทองล้วนๆเข <c oughs> าก็จะต้องส่งไปที่สิงคโปร์เนี่ยที่ประเทศสิงคโปร์เขาจะมีน้ำยาเนี่ยสกัดไปสกัดเอาพวกเหล็กออกทองแดงออกดีบุกออกตะกวัวออกแล้วเอาเงินออกให้เหลือแต่ทองคำล้วนๆเนี่ยนี่เหมือนกันสภาพที่เราได้กายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราต้องไปสกัดอะไรสกัดนี่วาระท วิธีการสกัดนิวรลธรรมก็กลุ่ม ก, มกามไปฉันทะความติดใจไปกระสันความโกรธความเรครียดแล้วก็ความหดหู่ท้อถอยความฟุ้งซ่านลำคาญใจความลังเลสงสยัยไอ้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าสนิมของจิตจะต้องถูกสกัดได้ด้วยการจิตให้เป็นสมาธิงั้นจะต้องมาฝึกจากที่ได้สุจริตสนี่แหละเป็นฐานแล้วก็มาฝึกจากการที่มีอาณาปณสติเป็นต้นนะนะ หรือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือกายคตากรรมฐานใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นรูปของสมถพะพอไปฝึกเนี่ยสกัดไอ้ตัวการมฐันท้พยาบาทีนมิธาอุทธจักกูกุจาวิจิกิจฉาให้ออกจากใจพอสกัดปุ๊บนี่จิตถึงความสะอาดเยิ่ม อ, อ่องฟองแผ้วไอ้จิตอย่างนี้แหละจะเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาแล้วใช่ไหมถ้าเราดูในการที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพุทธเจ้าแสดงไงานนฐานนกถาพูดเรื่องฐาน ศีละกะถาพูดเรื่องศีลสักกกถาพูดเรื่องอานิสง์ของฐานและศีลกามาธีนวะกถาพูดเรืร่องโทษของกาามเนี่ยโทษเรื่องการหมกมุ่นในกาามแล้วก็เนคขัมมาในสังสักกถาอานิสงเรื่การน้อมจิตออกจากกาามไอ้คําว่าออกจากกาามในที่เนี้ยไอ้เนคขัมมะตัวเนี้ยเป็นชื่อของปฐมฌานก็ได้เป็นชื่อของพระนิพพานก็ได้เป็นชื่อของวิปัสสนาญาณก็ได้เป็นชื่อของกุศลที่น้อมออกจากกาามก็ได้แปลว่าเนี่ยจิตท่านสะอาดเอี่ยมออกผ่องแผ้ว จิต ท, ที่ควรต่อการงานเนี่ยท่านก็แสดงอริยสัจ ต, ตรงนี้ไงว่ากรณีที่จะทําปัญญาให้ไปรู้อริยสัจ ต, ต้องจิตให้ได้เป็นเนคขมะเมื่อจิตเนคขมะนี่แหละพระพุทธเจ้าก็แสดงสามุกังสิกะเทศนาก็แสดงอริยสัจคือทุกขสัจทุกขสัจก็แสดงขันห้าไอ้พอแสดงขันห้าก็คือนี้ไงจิตประเภทนี้เท่านั้นที่จะควรต่อการไปรู้ขันหน้า ออจิตต้องสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตต้องไม่มีมวลทินคือกิเลสจิตต้องตั้งมั่นจิตต้องผ่องใสสภาพจิตอย่างนี้เมื่อเป็นจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นควรต่อการงานอย่างนี้แล้วเอาจิตประเภทนี้แหละไปเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาก็ฝึกปัญญาเกิดขึ้นก็ไปรู้สภาวะลักษณะอะไรตัวเนี้ยพวกรูปธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เข้าไปรู้ไอปัทวีธาธาดินอาโปธาธาดน้ําเตโชธาธาต วายวายเ ย, ย, ยท่าทัดลมเนี่ยเข้าไปรู้สภาวะธาตุเหล่านี้ตามความเป็นจริงเลยไหมไปรู้สภาวะธรรมเหล่านี้แล้วก็ไปรู้นามธรรมนั้นการที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ก็ต้องจะอาศัยจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิเป็นฐานปฏิบัติการให้ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะก็จะสามารถเข้าไปเห็นความจริงของเขาก่อนเห็นตัวเนื้อจริงๆที่ว่าอ๋อเราเคยยึดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงก็ไปเห็นสภาวะธรรมล้วนเห็นโลกประสนติ เห็นนามปสันตติเลยทีนี้เห็นร like ูปประทรบและนามธระทับเห็นเวทนาตามความเป็นจริงส uh ัญญาตามความเป็นจริงสังขารวิญญาณตามกวาเห็นรูปนามกายกระใจทําความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ก่อนเออเมื่อเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้ก็ความเห็นอย่างนี้เขาเรียกเป็นทิฏฐิวิสุทธินี่เห็นตามความเป็นจริงแล้วทีนี้พอไปเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ปุ๊บรู้แล้วว่านี่คือขันห้าตัวกฎตัวสภาวะตามความเป็นจริง นก็ไปรู้เหตุของขันห้าเลยแต่เนี้ยอะไรหนอเป็นเหตุของขันห้าแต่ก่อนเนียมันมีความเข้าใจว่าเราทำเมเราทำกรรมเราเป็นผู้รับผลของกรรมเราสุขเราทุกข์เราเป็นผู้สวยเราเป็นผู้ไม่สวยทั้งหลายเลยเนี่ยเห็นไมมันมีคำว่าเราหมดแต่พอไปเห็นตามความเป็นจริงปุ๊บมันเห็นขันห้าเป็นผู้ทำกรรมขันห้าเป็นผู้รับผลของกรรมเห็นธรรมะล้วนๆเป็นไปอยู่ความเห็นอย่างนี้เขาเรียกสัมมาทัศนะ เป็นความเห็นที่ถูกต้องใช่ไหมทีนี้พอเห็นขันห้าเป็นผู้ทำกรรมเห็นขันห้าเป็นผู้รับผลของกรรมไม่พอเียงแค่นั้นและไปรู้เหตุของขันห้าด้วยไปรู้เหตุของขันห้าด้วยรู้อะไรรู้อวิชชาตัณหาอุปาทานทั้งหลายอะไรเนี้ยจึงเป็นเหตุของขันห้าพอมองเห็นแบเนี้ อ, อาวิชาดับเดก็ย อ, อย่างนี้คือคืออย่างนี้ว่าต้องเห็นบริสุทธิ์แบบนี้ก่อนเรื่องเกิดดับทีหลังถ้ายังไม่เห็นขันห้าให้บริสุทธิ์หมดจดพลากจากสัตว์บุคคลก่อน ไปไปมันจะไปเห็นสัตว์บุคคลเกิดดับมันก็จะผิดเพียๆๆ้ยนหมดเลยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไหมเข้าใจกฎสภาวะตามความเป็นจริงต้องไปเห็นขันห้าที่บริสุทธิ์จริงๆก่อนว่าเป็นขันห้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอัตตาชายและหญิงเร า, ลาและเขาอันนี้การเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมการเห็นตามความเป็นจริงแบบนี้เขาเรียกสัมมาทัศนะคือเห็นเป็นความเป็นรูปนามขันห้าแล้วก็ถอนอัตตาตัวตนออกแล้ว นี้พอถอนอัตราตัวตนเบ็ดเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงต่อไปวิจัยสืบค้นว่าอะไรเป็นเหตุของขันห้าก็จะไปเห็นตัวอวิชาตัวตันหาตัวอุบาทานตัวสังขารละกรรมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเหตุของขันห้าเห็นไหมก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นเหตุก็กลุ่มกิเลสเหล่าเนี้กลุ่มสมุทรทะยานี่ยคุ่สมุทรไทยนี่แหละเป็นเหตุจริงๆเป็นเหตุของขันห้าเมื่อไปเห็นอย่างนี้ก็จะไป าจัดด้วยตัดความลังเลสงสัยว่าเราใช่ไหมว่าออชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรเราเป็นใครเราทําอะไรมาทั้งหลายเหล่านี้ไอความสําคัญว่าสัตว์บุคคลมันถูกถ่ายถอนไปด้วยใช่ไหมเพราะญาณปัญญาเนี่ยเข้าไปเห็นความจริงแล้วมันไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นผู้ทํากรรมอีกต่อไปแต่ก่อนเนี่ยหมอก็ไม่เข้าใจว่าเนี่ยหมอทํากรรมหมอรับผลของกรรม ทั้งั้นจะเข้าใจผิดเยอะเลยยกตัวอย่างโยมโจ้ปัจจุบันสมมุติยอมโจ้กินล่ามียาทํากรรมต่อมาสมมุติกรรมนี้ให้ผลตายแล้วไปตกนรกเมันเพี้ยนยังไงเชนนะี่ยวกรน่ะมนุษย์ทํากรรมทําไมสัตว์นรกได้รับผลใช่ไหมก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเอ่ไอ้มนุษย์ทํากรรมนี่แต่ตัวรับผลของกรรมคือสัตว์นรกนี่เอ๊มนุษย์ทํารรดีถ้าตายเทวดาไปรับผลโอ้โหไม่ไม่คุ้มเลย หรือไปเข้าใจผิดว่าไอ้อย่างนี้เป็นความเห็นว่าเหมือนเหมือนจะขัดขา้าศ์สูสีเห็นว่าเที่ยงแล้วได้เช่นเป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์มนุษย์ทํากรรมมนุษย์ต้องรับผลของกรรมเราเป็นผู้ทําเราเป็นผู้เสวยไอความเข้าใจอย่างนี้มันจะถูกถ่ายถอนเหมือนปลูกมะม่วงทิ้มลงไปในดินต่อมามันออกมาเป็นดอกออกมาเป็นลําต้นออกมาเป็นกิ่งก้านสาขาใบแล้วก็ออกมาเป็นผลเอ๊ะมะม่วงที่ทิ้มไปในดินกับมะม่วงที่ออกมาใหม่ไม่ลูกเดียวกันไหม เออมันคนละโลกแต่มันจะไปบอกว่ามันไม่มาจากโลกเดิมได้ไหมไม่ได้อย่างนี้ชั้นใดกระแสของชีวิตมันเป็นอย่างนี้มันสืบต่อเป็นไปอย่างนี้แหละเออมันเห็นมันเข้าใจกระบวนการของเหตุและผลอลไรแต่นี้อันนี้ปัญญานี่ไปเข้าเห็นตรงนี้ก่อนไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างนี้ก่อนถ้าไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างเงี้ยว่าทีนี้ต่อมามันมาเห็นผลนะ ของรูปนาเห็นรูปเห็นโปนปู ป, ป, โปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่อันนี้เขาเรียกก็ไตรลักษ์อวิชาเกิดโลภะขันยังเกิดมันเห็นทั้งสองส่วนแล้วเนี่ยเห็นโลภเห็นอวิชาคือความไม่รู้เนี่ยเกิดในดีด และอวิชาสังขารกรรมและในดีดเนี่ยเป็นตัวเกิดมันมาแต่งโลกปรขันให้เกิดอ๋อในปฏิสนธิเนี่ยเกิดขึ้นมาจริงๆไม่ได้เห็นความจริงอย่างนี้ด้วยนะอวิชาเกิดโลกปรขันเกิดอ๋ออวิชามันดับโลกปขันนี่จึงดับอวิชาเกิดดับเนี่ยมันเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงใช่ไหมโรกปรขันเกิดดับเป็นอนิจจไม่เที่ยงเนี่ยอวิชาเกิดโลกปรขันเกิดอวิชาดับโลกปขันดับ อวิชชาเกิดดับนี่เป็นทุกข์เบียดเบียนบีบคั้นรูปประคันเกิดดับนี่เป็นทุกข์เบียดเบียน บ, บีบคั้นยังไงอวิชชาเกิดรูปประคันเกิดอวิชชาดับรูปประคันดับทั้งเกิดทั้งดับทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ไม่สามารถจะบังคับคอนโทรได้เนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นอนัตตาอาวิชชาก็เป็นอนัตตาแม้รูปธรรมที่กําลังเกิดดับสืบต่อกันก็เป็นอนัตตามันเห็นอย่างนี้นะมันต้องเข้าไปเห็นทั้งทั้งเหตุทั้งผลทั้งเหตุทั้งผลอย่างนี้เป็นไปตามลําดัับนนี่เเกห็ไตลำ พอมองออกไวเนี่ยมันก็ต้องไปไอ้ตรงนี้มันก็ต้องมันก็ต้องดูด้วยว่ามันก็ต้องว่าปัญญาเนี่ยระดับไหนเพราะจริงๆต้องมองความจริงว่า กระแสของรูปธรรมและนามธรรมาเนี่ยเขาสืบต่อกันเร็วมากจริงๆเป็นอย่างนั้นถ้าสามารถพัฒนาปัญญาเข้าไปเห็นความจริงตรงนี้มันก็เห็นจริงๆนะมันอยู่ที่ว่าปัญญาเนี่ยถ้าปัญญาไม่ดีพอมันก็เห็นเพียงไม่ชัดแต่เมื่อพัฒนาปัญญาจนคมกล้าขึ้นมาปริมาณของการเห็นมันก็ชัดขึ้นเหมือนกรณีที่เราจะใช้กล้องจุลทรรศไปมองเนี่ยมอง เกี่ยวกัเรื่องของสสารพลังงานทั้งหลายหรือว่าเกี่ยวกับเซลล์ในร่างกายทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะเห็นจริงๆว่ามันแตกตัวดับแต่เห็นไหมนั่นแปลว่าเขามีเครื่องมือในการที่สามารถทําให้ตาเราเนี่ยมองเห็นและขยายสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นี่เหมือนการตาคือปัญญาเราเราเกิดขึ้นจริงๆไหมถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็เห็นความจริงตรงนั้นถ้าการถ้าไม่เห็นความจริงอย่างนั้นการถ่ายถอนไม่มีอยู่จริงใช่ในแหละพัฒนาตรงนั้นได้เกิดขึ้น ยังเจามีอะไรอา เออถามงี้ดีวกว่าว่าและตอนนี้ในชีวิตจริงๆเจริญกุศลในชีวิตจริงยังไงมก็ว่าคุณคุณไม่เข้าใจว่าอะไรคือกุศละกนคือคือโดย สิ่งที่ควรควรทำความเข้าใจนะคืออย่างนี้มันจะมีมันจะมีอย่างนี้นะว่าไอกิจกรรมของชีวิตเนี่ยนะที่เราดำเนินกันอยู่เนี่ยเราต้องชื่อชีวิตของพวกเราเนะี่ยไม่เคยหยุดกันหรอกโดยข้อเท็จจริงมันดำเนินกันตลอดใช่ไหม เออเดี๋ยวออกจากนี้ไปก็ต้องทำกิจกรรมต่างๆไม่หยุดหย่อนเลยไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนถ้าพูดตามหลักของในสถิตฐานก็มียืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งใช่ไหมก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการตื่นหลับตื่นและพูดนิ่งใช่ไหมอันนี้ใช่กิจกรรมของชีวิตแล้วก็ดำเนินไปอย่างนี้ตลอดเลยทีนี้ในการดำเนินกิจกรรมของชีวิตที่เราดำเนินไปเนี่ยถามว่าเรามีจุดหมายอะไรถามหมอบีก็ได้ถามยอมก็ได้ว่าเราทำงา น, นจุดหมายอยู่ที่ไหน ตั้งให้ก็ได้เงินงานอาสองจุดเนี่ยจุดหมายอยู่ที่เงินหรือจุดหมายอยู่ที่งานเอาใ ห, ให้สองสองหลักนี่ก่อนเพิ่มให้อีกอันนึงคือธรรมะเออจะเข้าหลักในชีวิตเราบ้างถอย่างจะชัดทำงานเนี่ยจุดหมายอยู่ที่เงินหรือจุดหมายอยู่ที่งานหรือจุดหมายอยู่ที่ธรรมธรรมะนะทอทงรอเรือมามา จริงๆที่เราทำยไม่ใชุ่วนี้ทุั้หม้วชื่อมหมออะไรหมอหมูอ่ะทางานเนี่ยจุดหมายอยู่ที่ไหนที่เงินใช่ไ รวมๆกันอ่า อืมอืมอืมเรื่อยๆต่อไปอ่ะมอบีอืมอืมอืมดังไง เออตรงนี้ที่ถามอย่างนี้ขึ้นมาคืออย่างนี้ว่าเวลาทํางานมีจุดหมายกิจกรรมของชีวิตที่เราดําเนินไปนถ้าจุดหมายที่เพื่องเงินเนี่ยมันก็จะได้เงินมาได้ซื้อบ้านบ้างซื้อรถบ้างซื้อผ้าอาหารการกินทั้งหลายอะไรเนี้ยมันก็รวมเบ็ดเสร็จก็เลยตั้งไว้ว่าจุดหมายที่เงินรายละเอียดมันก็เยอะในตรงนี้เนะี่ยบางคนก็ตั้งไว้ตรงนี้บางคนก็คือจุดหมายอยู่ที่งานก็หมายความว่าทํางานต้องให้สําเร็จถ้ายังไม่สําเร็จก่อนมันรู้สึกมันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความสุข งั้นก็เคยไปตั้งอยู่ที่งานเลยมันก็ทําไปก็คือจุดหมายจะต้องให้เสร็จไม่เสร็จไม่ได้มันก็รู้สึกเวริวิตตกกังวลอยู่กับมาเนี่ย อ, อยู่ที่ไอจุดหมายของงานนั่นแหละให้สังเกตุไหมว่าถ้าทํางานจุดหมายอยู่ที่เงินเนี่ยแปลว่ายังไม่ค่อยพัฒนายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่เพราะมันโดยทั่วไปเราก็ถูกสอนกันมาอย่างนี้แหละมันจะต้องได้ทรัพได้สิ่งของตอบแทนมาอะไรก็ว่ากันไปถึงไม่คิดมันก็ได้อยู่เลยตรงเนี้ยใช่ไหมครับ แต่บางคนถ้าพัฒนาขึ้นหน่อยจุดหมายอยู่ที่งานตัวนี้ความรับผิดชอบเริ่มสูงขึ้นมันค่อนข้างจะต้องทําให้ดีแต่มันก็อดไม่ได้ที่ต้องเครียดต้องกุมใช่ไหมเพราะเราเอาจุดหมายไปตั้งว่ามันจะต้องทำให้ดีจะต้องทําให้เลิศจะต้องทําให้ให้มันประสบความสําเร็จใช่ไหมใช่เนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะไปเครียดจะไปวิตกกังวลกับไอ้จุดหมายนี่แหละประการที่สมก็คือว่าถ้าพัฒนาขึ้นอีกหน่อยให้สูงสุดในกายจุดหมายเพื่อธรรมะเออจุดหมายเพื่อธรรมะคืออะไร เวล wow. าทํางานมันได้อะไรอฮ like ้ยความเชื่อมั่นมันเพิ่มขึ้นมันได้ความเชื่อมั่นตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันได้ความสุขได้ฉันทะได้ความสุขได้ทักษะได้ความสามารถมันได้ฝึกตัวเองตรงเนี้ยมันได้ธรรมะตรงคือฉันท้ามันเพิ่มขึ้นศรัทธาความเชื่อมั่นมันเพิ่มขึ้ น, นได้ความกล้าได้ความอาจหานก้าวไปใจสู้ได้ไดสติกํ darling, าลังของสติมันกลับคืนมาจากการได้ฝึกฝนพัฒนาได้สมาธิคือจิตจดจ่ออยู่กับงานนั้นๆ แล้วก็ได้ปัญญาเกิดความรอบรู้เกิดความเข้าใจไอจุดหมายของงานกลายเป็นผลลองเงินก็เป็นผลที่ลองลองไอธรรมะกลายเป็นจุดหมายหลักเออถ้ามันตั้งไว้อย่างนี้มันชัดนะเนี่ยก็ฝากให้เราตั้งตรงนี้บางทีทั้งนั้นเราจะไม่รู้กระบวนการของชีวิตมันควรดำเนินไปอย่างไร ช, ไชีวิตคืออะไรนะ ช, ชีวิตเป็นอย่างไรเ เอกวชีวิตเป็นอย่างไรจุดเอกกรณีคะจิตก็มันทํากรรมไงเนี่ยกรรมตัวนี้มันเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ถ้าเรามีจุดหมายว่าเออเนี่ยเพื่อธรรมะตัวนี้มันกลายเป็นกุศลกรรมและจุดหมายชัดตรงนี้ก็คือเอาและเราต้องการทําประโยชน์เนี่ยประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นอย่างที่หมอบีพูดมาสักครู่เนี่ยว่าเออเนี่ยไม่ได้คุณภาพชีวิตของเขาให้ความสุขแก่เขาให้กําลังกายให้กําลังใจแก่เขา ให้คุณภาพชีวิตเขาดีเมื่อเขาได้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยเขาจะไปดูแลบุตรหลานญาติมิตรของเขาอย่างไงเขาจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติสังคมสิ่งแวดล้อมว่าไปเหอะมันมีอีกเยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือความสุขได้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นได้ศรัทธาเพิ่มขึ้นได้ความเพียรความก ล, กล้ากล้าทําลายความเกียดค้านทําลายความหลงลืมสติทําลายความฟาุ้งซ่านทําลายความไม่รู้ไม่เข้าใจโอ้ได้ฝึกใหญ่เลยเลเนะี่ยงานยิ่งยากมันยิ่งได้ เมื่อเรียนรู้สู้สิ่งยากไปเลยตัวเนี้ยมันกลายเป็นได้ธรรมะตัวเนี้ยไอสิ่งที่ควรจะเป็นมันคือตัวนี้แหละไอะจุดหมายของงานก็ดีเงินก็ดีทราบก็ดีบ้านก็ดีเป็นผลพลอยได้เป็นจุดหมายรองไอจุดหมายหลักท่านเป็นไปเพื่อธรรมะตรงนี้มันก็ชัดเลยอันนี้คือ ก, กิจกรรมของชีวิตแล้เหมือนปฏิบัติถามว่าอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมไหมย้อนยิ่ยอมทวีอยู่ที่บ้านปุ๊บเอาอะรสิตัวเนี้ยเออศึกษาวิจัยแยกแยะ นะสวดมนต์ก็ดําเนินชีวิตถามว่าชีวิตไม่ต่างกันนะเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานของเราก็ยืนเดินนั่งใช่ไหมกินถ่ายก้าวไปถอยกลับแลตรงแล่เหลียวคูเข้าเหยียดออกกินดื่มเขี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการยืนในการในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนี่มันมันกิจกรรมนี้ทั้งหมดแหละจริงๆมันไม่ต่างแต่มันต่างตรงที่ว่าเราตั้งตั้งจิตไว้อย่างไร จุดหมายของเราเนี่ยเพื่ออะไรเห็นไหมถ้าทํางานปุ๊บจุดหมายมันไปอยู่ที่ธรรมะปุ๊บอย่างอื่นมันผลปรอยได้หมดเลยมันเป็นการฝึกตัวเองทันทีเลยนเนี่ยโอ้โหศรัทธามันเพิ่มขึ้นจริงๆความเพียรมันเพิ่มขึ้นจริงๆทักษะความรู้ความสามารถฉันทะมันเดิ น, ด น, ดนกุศลตลอดจากการที่เราทำใช่ไหมเราจะไปสอนหนังสือก็ได้ก็ให้ทั้งธรรมทานให้ทั้งความรู้ที่เป็นประโยชน์โอ้มันก็ได้หมดเลยเนี่ย ก็ได้เงินก็เป็นผลตอบแทนจุดหมายของงานก็คือเป็นผลลองหมดเลยพวกนี้นะแต่จุดหมายหลักจริงๆเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มทุกวันมันได้ทั้งศีลก็ได้ใช่ไหมสมาธิมันก็ได้ระดับปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจมันก็ได้อีกด้วยจะบอกว่าศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญามันก็ได้สัมมาทิฏฐิมันก็ได้สัมมาสังกัปปะมันก็ได้ ส, สัมสม า, าวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวิมารสัมมาสติสัมมาสมาธิ อาสมาที่ถี่ยังไงเห็นถูกต้องตอนนี้เราทํากุศลกรรมเรื่อกุศลกรรมถ้าทํากุศลเออในขณะที่เราทําสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลกรรมนนเนี่ยแล้วเราให้อะไรเนี่ยให้ความปลอดภัยในชีวิตใช่ไหมเขาชีวิตเขาจะยืนยาวเนี่ยถ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่ไปกินไม่ไปไม่เข้าสู่กระแสชีวิต เ, เราให้ความสุขเขาเราให้กําลังเขาเราให้เราให้ใ ห, ให้ผิวพรรณงามให้สติปัญญาเขา ให้คุณภาพชีวิตเมื่อเขาได้คุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเขาไปดูแลบุตรหลานญาติมิตรโอ้เป็นกุศลกรรมเนี่นี่เป็นกรรมสกตาสมาธิถี่นะเออแล้วเราดำหลี่เนี่ยในขณะที่เราดำหลีล่เราดำหลี่ไปที่ที่เงินที่จะค่าตอบแทนมันไม่ดำหลี่ขอให้เขามีอายุยืนเน่ยดําริดำหลีลล่เบียดเบียนเขาไม่ไม่ดำหลี่ดำหลี่โกรธเขาไม่ไม่ดำหลี่เมตตาเขาในการทำเราเมตตารักปรารถนาดีเขาแล้วเราคิดเบียดเบียนเขาไม่กรุณาเขาจากให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามาหาเรา เห็นไอ้ดำริในลักษณะนี้เขาเรียกสัมมาสังกปะและพูดนะเป็นยังไงครับพูดเป็นสัมมาวาจาพูดด้วยความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนกับเขาใช่ไหมกระทากับเขาไม่ฆ่าเขาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปขโมยลักทรัพย์เขาเนี่ยไม่ไปไปประพฤติในกรรมกับเขาเป็นต้นเหล่านี้มันก็เป็นสัมมารกรรมตา่างอาชีพที่เราทําด้วยความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่ได้โกหกเขาเลี้ยงชีพไม่ได้เบียดเบียนเขาเลี้ยงชีพเป็นสัมมาชีวะ เพียรในขณะที่เราทําอย่างเกร้ยวกล้าอาหารเป็นสมมาวิยมะสติที่ระลึกจดจ่อไว้อย่างมั่นคงเป็นสมาสติสมาธิที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นสมาสมาธิเอาอันนี้เป็นโลคยามากไหมยังไงเป็นกุศลลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเพื่อธรรมะจุดหมายเพื่อธรรมะตัวนี้เพื่อสมาธิที่สมมาสังกปะสมาวจารสมากรรมตตาสมาชีวะสมมาวิยมะสมาสติสมมาสมาธิในชั้นของโลคยะที่เป็นศาสวะอันนี้เป็นสาสวะนะ มันเป็นไปเพื่อผลแห่งขันก็คือผลนี่บริบูรณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแห่งการได้รูปขันเวทนาขันที่ดีเป็นต้นเห่านี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นสมาธิที่ที่เป็นโลกียะถ้าเป็นโลกุตระล่ะตั้งอัธยาศัยเลยที่ทําทั้งหมดเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยเกี่ความพ้นทุกข์เออทานที่เราให้ให้ชีวิตเป็นทานทั้งหลายเหล่านี้ให้ความปลอดภัยในชีวิตเขาเป็นต้นเให้มหาทานเป็นต้นเหล่านี้ขอให้เป็นปัจจัยความพ้นจากวัฏทุกข์เถอะตั้งอัธยาศัยเนี่ยเราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เราจะทํากิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้เพื่อธรรมะเหล่านี้เราจะฝึกผลพัฒนาตนเองเนี่ยเพื่อเป็นปัจจัยต่อการพ้นจากวัฏจทุกข์ใครเดือดร้อนมาเราจะช่วยเหลือเราจะขวนขวายให้เขาได้พ้นจากทุกข์พ้นจากภายัยพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นเขามีปัญหาชีวิตมาเราจะบอกปัญหาชีวิตเขามีปัญหาทางด้านร่างกายมาเราจะช่วยเขาทางด้านร่างกายโอ้โหได้2 ส, ส่วนเลยให้ทั้งให้ทั้งวัตถุให้ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตไม่พอให้ปัญญาให้ความรู้ให้ทักษะให้ความสามารถของเขากลับไปด้ว ย, ยนี่เป็นต้น อย่างเงี้ยจุดหมายาเพื่อทำมาเนี่ยจุดหมายก็ ง, งานก็เป็นผลปล่อยได้รัพย์ทั้งหลายเกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นผลพลอยได้ถ้าอย่างเนี้เยเ ข, ย า, ขาเรียกว่า ก, กากิจกรรมของชีวิตอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่แปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตถ้าหมอทํางานปุ๊บไปเนี่ยจิตก็เศร้าหมองเศร้าซ้อยเครียดเงินก็ไม่ค่อยได้โดนบน่นโดนคิดยังไงมันแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตนี่มันเป็นอกุศลด้วย เป็นบาปด้วยในขณะดนั้นทำก็เซ็งก็เบื่อก็อกท้อแท้ในขณะเดียวกันก็เงินก็ได้น้อยเหลือเกินไอ้เจ้านี้ก็พูดมากอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเนี่ยมันก็เกิดกระบวนการขัดแยง้งไอ้อย่างนี้ไม่ใช่แต่ถ้าหากเราเจอเคสหนักเคส ด, ดีไม่ดีทั้งหลายนี้จุดหมายแล้วเพื่อฝึกเพื่อธรรมะตัวนี้อย่างอื่นก็ลองหมดเลยว่าจะมองเห็นไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมในชีวิตจริง เอางี้ว่าในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ ย, ข เ, ยเขามีการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมไหมไม่มี ไ, มมไมมอ้พวกมามีในย้ยกเราเนี่แหล ะ, ะใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาไม่มีกิจกรรมจัดคอร์สปฏิบัติธรรมไม่ไม่จัดสํานักไว้แล้วก็เอาคารวาสไปรวมกันเขาไม่ได้มีมอย่างนั้นก็ไม่มีหรอกเขาเขาปฏิบัติในชีวิตจริงอย่างนี้จริงๆเลย ก็เป็นสังคมมารียชนที่เขาสร้างกันได้จริงๆเพราะเขาเข้าใจว่าเนี่ยกระบวนการกิจกรรมของชีวิตที่ดําเนินไปเนี่ยพระเนี่ยไปบิณฑบาตแล้วปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนชั้นอาหารปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนเข้าห้องน้ําปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนกิจกรรมของพระนั่งสนทนาธรรมะกันทํากิจกรรมต่างๆปัดกวาดเช็ดถูพระก็ทําเหมือนโยมทำนั่นแหละแต่มาทำํำในวัด แล้วปฏิบัติธรรมมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่เขาดําเนินกิจกรรมชีวิตเนี่ยเพื่อธรรมะ อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นว่ายอมโจ้ดูแลยอมแม่เถ้าหากว่าปฏิบัติเนี่ยดูแลเพื่อแม่จุดหมายอยู่เพื่อแม่อันนี้มันเพื่อบุคคลไม่ใช่เพื่อธรรมะแต่ถ้าหากว่าท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบจุดหมายเนี่ยนะทำกิจของท่านดำรงวงตระกูลทําตอนที้เหมาะสมเมื่ท่านร่วงรับทมบุญอทิศไม่ใช่แค่นั้นนะที่ทํากับท่านเนี่ย ฝึกเมตตาให้เกิดขึ้นในยามท่านปกติทำกรุณาให้เกิดขึ้นในยามที่ท่านประสบความทุกข์เมื่อท่านประสบความเุกข์เลยมุทิตายให้เกิดขึ้นมีความอดทนให้เกิดขึ้นทั้งเชื่อมั่นในคุณความดีที่ตนเองทํามีความแกล้ากล้าอาถารมีสติระลึกมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญารู้เหตุรู้ผลทํากรรมในขณะที่เนี่ยเพื่ อ, เ พ, อเพื่อธรรมะตัวนี้เพื่อเข้าถึงธรรมะเข้าถึงคุณธรรมความเป็นลูก เพื่อเอาเข้าเพื่อปฏิบัติเนี่ยเพื่อเข้าถึงคุณธรรมความเป็นลูกการเมื่อเราปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นลูกแล้วแม่เป็นผลพลอยได้แม่ปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นแม่ลูกก็เป็นผลพลอยได้สิทธิ์ปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นสิทธิ์อาจารย์เป็นผลพลอยได้อาจารย์ปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นอาจารย์สิทธิ์จะเป็นผลพลอยได้ สามีปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นสามีภรรยาเป็นผลพไยได้ภรรยาปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นภรรยาสามีก็เป็นผลพไยได้นายจ้างปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นนายจ้างไอ้นายจ้างเป็นผลไอ้ลูกจ้างเป็นผลพไยได้ลูกจ้างปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นลูกจ้างนายจ้างก็เป็นผลพอยได้อันนี้ธรรมะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้กันจริงๆมันจะเข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาหลักการตรงนี้ถ้ามันชัดอย่างเงี้ยโอ้โหโลกมันจะไปอีกมุมหนึ่งของอะไเนี้ยเนี่ยอันนี้มันจะบดกลื่อน กองล้อแห่งธรรมะเนี่ยมันจะหมุนเข้าจริงๆกงล้อแห่งศีลสมาธิปัญญามันจะหมุนการปฏิบัติธรรมมันจะเกิดขึ้นได้จริงมันไม่ใช่เป็นรูปแบบต้องเข้าใจว่าเราจะปฏิบัติตามความเข้าถึงธรรมะจริงๆที่เป็นเนื้อเป็นตัวหรือจะปฏิบัติตามรูปแบบถ้าตามรูปแบบมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเช่นไปจัดคอร์สกัน7วัน15วันไปฟังธรรมกันเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยอันนี้มันตามรูปแบบแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเข้าใจธรรมะแล้วมันเอามาเดินได้จริงเดินในชีวิตจริงๆนี่นะ พระก็เดินในชีวิตของพระเนี่ยแหละโยมก็เดินในชีวิตของโยมถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆว่งางั้นเถอะพอมองออกไหมเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนได้จริงนะธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่พูดมันไม่ใช่แค่รูปแบบมันไม่ใช่แค่ประเพณีไม่ใช่แค่วัฒนธรรมแต่มันสามารถหมุนกระแสะชีวิตของตนเองเนี่ยเข้าถึงศรรีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาได้จริงๆในเหตุการณ์นั้นๆสถานการณ์นั้นๆ เออมันจะสามารถเข้าถึงธรรมะรรอย่างนี้ได้จริงๆถ้าอย่างเนี้โอ้โหมันจะมันจะเห็นแล้วโอ้โรธรรมพัฒนาตะลายมีค่ากับเราจริงๆเห็นทุกทุกิยาบททุกกิจกรรมทั้งหลายก็เดินธรรมะได้อันนี้มันก็ชัดเลยใช่ไหมเหมือนที่บอกว่าที่เคยบอกว่าเออเนี่ยกิจกรรมของชีวิตเนี่ยมันดําเนินตลอดแต่ศีลสมาธิปัญญามันไม่เคยหมุนในชีวิตเราเลยถ้าอย่างนี้กองล้อแห่งธรรมะธรรมจักรมันจะหมุนได้ยังไง ทำรรมจากจะหมุนกันในกระแสะชีวิตเราได้ไงแต่กระแสะชีวิตเราหมุนตลอดหมุนจากนั่งไปยืนยืนไปเดินเดินไปนอนใช่ไหมก้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดออกแลตรงแลเหลียวกระพริบตาอาปากกินดื่มเขี้ยวลิ้มท่ายอุจจาระปัสสาวะใช่ไหมในการยืนในการเดินในการนั่งนอนตื่นดับพูดนิ่ง้ชีวิตมันดําเนินไปตลอดแต่ธรรมะมันไม่ยอมเดินตามแต่โลภะโทวส า, ามโมหาเดินตามตลอดอย่างนี้ที่เรียกปฏิบัติทำได้ยังไง มันไม่จุดหมายเพื่อธรรมะแล้วจุดหมายเพื่ออาธรรมเลยใช่ไหอย่างเงี้ยถ้ามันเดินได้อย่างงี้ตลอดโอ้โหชีวิตมันดาเนินไปแล้วตอนเนี้ยพอมองเห็นใช่ไหมยากไหมเนี <laughs> ่ยยากไหมแล้ว ม, มันเป็นไปได้ไห ม, ม เ, ไไเช่นยังไงอ่ะ คือคืออย่างนี้เข้าใจนะว่าถ้าเราตั้งบอกว่ายิ่งยากยิ่งได้เรียนรู้สู้สิ่งยากอาถ้ายิ่งยากยิ่งได้อะไรหนึ่งเจอเรื่องยากๆเจอปัญหายากๆเจออุปสรรคยากๆเราจะต้องมีความเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นได้ไหมเนี่ยได้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นไหมเอาแล้วเราจะต้องกล้ากล้าอาถรรพ์มากขึ้นได้ไหเนี่ยเราจะต้อง สติเราต้องกำกับอยู่กับตัวไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหลงมากขึ้นสมาธิความจดจอ่อความตั้งมั่นต้องมากกว่าเดิมปัญญาความฉลาดความรอบรู้ทั้งหลายต้องวิจัยแยกแยะให้รอบคอบเอาได้ไหมเนี่ยก็ได้เนี่ยยิ่งยากยิ่งได้เอาเเราจะเอาอุปสรรคยากๆเลยนะเป็นเป็นบททดสอบเป็นแบบฝึกหัดเป็นเวทีทดสอบความสามารถ นี่อเราจะเจองานแบบนี้กอขอให้เจองานแบบนี้เยอะๆเยมันจะได้ฝึกตัวเองให้เต็มที่แล้วเครียดได้อะไรก็ได้บาปนี่ทําไมไม่ได้มันได้จริงๆถ้าเข้าใจนะเพราะเห็นปั๊บขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเอาละงานเนี้ยเราจะได้ฝึกตนเองเต็มที่ซะที <c oughs> ใช่ไหมล่ะโอถ้าอย่างนี้มันก็ได้เลยที่จริงเนี่ยถ้าเราไปมองว่ายากเนี่ย ถามว่ากว่าเราจะเรียนจบหมอหลายคนคนในโลกใบนี้เรียนจบหมอกันกี่คนเขาบอกว่ายากไนยแล้วทําไมเราเรียนได้อ่ะเพราะเราเราเชื่อว่าเราทําได้งไงมันมาจากอะไรเนี่ยมาจากเกจตจํานงจงใจตั้งใจที่จะทําให้ได้ใช่ไหมเออทั้งหมดเหล่านี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยก็อยู่ที่เจตจํานงเรานี่แหละ เมื่อสักครู่บอกว่ามันทํายากถ้ามันทํายากมันเป็นตัวเขื่อนกั้นเบลอเลยนะเป็นภูเขากั้นด้วยเป็นกระแพงกั้นด้วยอ่าแล้วยากทําไมคนก็ทําได้อ่ะเออเยอะหมดเลยนะคนที่เขาทําได้เนะี่ยในสาวัตถีเนี่ยประชากรเจ็ดสิบล้านเนี่ยเป็นภาริยาห้าสิบล้านห้าแสนอะทําไมเขาได้อ่ะ ยังไงเขกิจกรรมเป็นคารวะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขามีกิจกรรมชีวิตแบบเนี้แต่เขาดาเนินไปตามธรรมะแบบเนี้ก็ทําทสิใช่ไหมแล้วแล้วทําไมเราต้องไปตามคนที่มีโลภะโทสะโมหะก็ตาม ท, ทางของภาริยาที่ท่านทําแล้วก็ทําให้เป็นแบบอย่างสิใช่ไหมก็ฝึกให้แก้วกลายเข้มแข็งขึ้นมาเลยเอาละก็สมาทานตัวเองไว้ทุกวันเลยว่าเอาละเรานี่ยแหละจะเป็นต้นแบบ เรานี่แหละจะเดินตามทางนี้เรานี่แหละจะฝึกตนเองจนให้ทุกคนรู้สึกให้พอเราได้สัมผัสและเข้าถึงตรงนี้จริงๆปุ๊บคนก็จะถามเลยเ้ยอาจารย์ทำได้ยังไงเอเนี่ยเราฟังธรรมะแบบนี้เราศึกษาธรรมะอย่างนี้เราเลยเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราได้เออแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยเอาคนทดลองสิมันได้จริงๆนะแล้วมีความสุขเลยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละไอ้โลคเพอ้อฝัน โลกเพิรเจอโลกอยู่กับความเห็นเออเราอยู่ความเป็นจริงอ่ะอยู่กับความรู้ให้เราปัญญาเป็นตัวนําโอ้มีความสุขมากขึ้นไม่ต้องไปฟุดจินตนาการไม่ต้องไปเฟิรเจอไม่ต้องไปฟั่นเฟือนเลือนหลงอย่างเก่าแล้วนี่อยู่กับโลกความเป็นจริงฉลาดใ น, นความเป็นจริงพอรู้ความจริงแล้วมีความสุขเออย่างนี้ดีไหมโอ้ก็เข้าใจชีวิตกันเลยแต่เนี้ยใช่ไหมแต่ก่อนโอ้โหอะไรก็ต้องจินตนาการปร่งแต่ง เชนอาหารเนี่ยต้องจินตนาการก่อนถึงจะอร่อยโอยไม่เกี่ยวมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือเปล่านี่มีอะไรถามก็ก็อย่างที่บอกแต่แรกเลยว่าจริงๆบางทีเราปัญญาระดับสุตตะใช่ไหมกับปัญญาระดับจินตะนี่คือมาคิดแต่ที่พูดมาสักครู่คือปัญญาระดับโพเนา ปัญญาระดับที่เขาไปแยกรูปนะทีนี้บางคนเนี่ยมีมีมีได้แค่สุตตะแต่ไม่ได้ปัญญาเลยแม้แต่สุตตะมยาปัญญาก็ไม่ได้บางคนเนี่ยรู้จักมณสิการไตรตองพิจารณาสุตตะแล้วสามารถทําสุตตะไปมยาปัญญาให้เกิดขึ้นบางคน ใช้สุดตามยปัญญาแล้วรู้จักมนาสการคิดให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพัฒนาปัญญาเป็นจินตามย่ปัญญาให้เกิดขึ้นพอมองเห็นไหมบางคนใช้สุดตาเมย่ปัญญาและจินตามยปัญญาที่เกิดแล้วนั้นเป็นฐานพัฒนาปัญญาโดยโยนิโสมนาสการยิ่งขึ้นไปก็อาจเกิดภาวนามย่ปัญญาขึ้นได้พอมองพอเข้าใจประเด็นนี้ไหมประเด็นแรก บางคนเนี่ยได้แค่สุตตะแบบผิวๆด้วยโดยไม่ได้ปัญญาเลยอย่างนี้เขาได้ไม่ได้สุตตะมยาปัญญาได้แค่สุตตะเข้าใจคำนี้ไหม <S <s คือฟังมาอย่างนั้นแหละ <S <s เป็นอุปกรณ์เก็บเก็บเก็บก็บก็บว่าก็แค่อุปกรณ์เก็บได้จำได้แค่นั้นแหละแล้วแล้วไม่ได้เข้าใจไม่เข้าใจนะมันเหมือนอยังไงดีวะเขาให้เอา ผักไปใส่ตู้เย็นก็ไปใส่เอาเอามะขามไปใส่ตู้เย็นเอาส้มไปใส่ตู้เย็นก็ไปใส่ไว้กันไม่มีปัญญาเลยอะ่ะนะไม่มีปัญญาที่เพราะปัญญามันสามารถเข้าไปได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นแล้วอย่างนี้มันได้ไหมที่เอามาเก็บไว้เฉยๆได้ไหมเนี่ยก็ได้ได้ประโยชน์เป็นการใส่ตู้เย็นไว้เต็มนั่นนะมีไหมแบบเนี้ย ได้สุตตาแต่ไม่ได้สุตตามยาปัญญาไม่รู้คนบางคนเขาได้สุตตามายะปัญญาเขาแยกได้อันไหนเป็นอะไรแยกได้หมดเลยเออมีพริกเท่าไหร่มีมีส้มเท่าไหร่มีมะนาวเท่าไหร่แยกรายละเอียดได้หมดแล้วรู้ด้วยว่าจะใช้เป็นไงไงรู้ด้วยบางคนเนี่ยรู้จักมณสิการไตรตามพิจารณาสุตตาแล้วสามารถทําสุตตามยาปัญญาให้เกิดขึ้นเห็นไหม ทำสุตตามยบัญญาทำปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังแล้วตัวนี้ได้ประโยชน์จากการเข้าใจและฟังจนเข้าใจแล้วบางคนใช้สุตตามยบัญญาแล้วก็รู้จักมนาสิการคิดพิจารณายิ่งย่งขึ้นไปก็ปพัฒนาจินตามยบัญญาให้เกิดขึ้นมาบางคนได้แค่สุตะแต่ไม่ได้สุตตามยบัญญาบางคนได้สุตตะด้วยได้สุตตามยบัญญาตามมา บางคนพัฒนาไม่ใช่อยู่แค่สุตตามยปัญญาด้วยเอามาพัฒนาต่อจนได้จินตามยะปยัญญาวิจัยจนละเอียดยิบเราอยู่ขั้นไหนก่อนเอาตอ น, นแค่สองขั้นนี้ก่อนอยู่ขั้นไหนที่ผ่านมาเนี่ยได้สุตตามยปัญญาไหมนี่มันปัญหาอยู่ตรงเนี้ย เป็นเป็นสุตตามยาปัญญาหรือเป็นจินตามายาปัญญาคือบางคนเนี่ยได้แค่สุตตะโดยไม่ได้ปัญญาเลยอันนี้เป็นประเภทที่ฟังอย่างเดียวนะแม้สุตตามยาปัญญาก็ไม่ได้ก็คือไม่สมไม่คือเขาให้ฟังเรื่องศีลก็ฟังเรื่องศีล ใครฟังเรื่องสมาธิก็ฟังเรื่องสมาธิเขาฟังเรื่องศรัท ธ, ธาเรื่องปัญญาเรื่องขันเรื่องจุละขันตกะมหาขันตกะเรื่องฟังเรื่องขันเรื่องท่าเรื่องอญญายตนะพู ด, พดฟังฟังฟังมาอย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้สุตตามิยปัญญาเลยสุตตามิยปัญญามันเกิดเข้าใจมันเข้าใจมันไปเข้าใจหมดเลยเนี่ยที่เอาอะไรใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วจะเป็นประโยชน์ยังไง ร, รู้หมด แล้วเราฟังเรื่องขันห้าพูงเรื่องอายตนาฟังเรื่องธาตุฟังเรื่องสัจจะฟังเรื่องอินทรีย์ฟังเรื่องปฏิจจสุบาทมันเข้าใจนะว่าเราจะไปใช่ยังไงมันคือระดับนั้นหรือยงังเออแบบนี้เป็นสุตตาวิญญาณนะแล้วต่อมาเนี่ยบางคนรู้จักมนุนิการไต่ตรองพิจารณาสุตตาะแล้วสามารถทําสุตตาวิญญาณเกิดขึ้นนระดับ2องนะระดับที่3บางคนใช้สุตตาวิญญาแล้วได้แล้วเข้าใจหมดเสร็จแล้ว ทีนี้ไปวิจัยต่อรู้จักมณิสการพิจารณายิ่งยิ่งขึ้นไปจนพัฒนาจินตามยะปัญญาให้เกิดขึ้นมาโอ้โหแต่นี้เจาะลึกเขียนจากความคิดหมดแล้ยเห็นแล้วเข้าใจแล้วคือสามารถเอามาเอามาวิจัยจนละเอียดเลยแต่ละเรื่องศีลก็ละเอียดทานก็ละเอียดศีลก็ละเอียดสมาธิก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดไม่เรื่องขันก็ละเอียดโอ้โหวิจัยหมดละขึ้นลงวนล ง, ลงวิจัยอยู่นั่นแหละ รูปขันเป็นอย่างงี era, shimmer, na, ้เวทนาขันเป็นอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณขันเป็นอย่างนี้แยกแยะละเอียดถี่ถ้วนเลยว่าอายตนะจากขาอายตนะโสตายตนะขานะไรหลวปายตนะไล่ไปโอ้โหได้หมดธาตุปฏิจจ์ไล่ละเอียดละอจนเข้าใจเลยว่าอันนี้ก็จินตะตพัฒนาจากสุตตาวิญญาณวญาพัฒนาขึ้นสุ่จินตาวิญญาณญาเลยก็พูดปุ๊บเข้าใจเลยมันเป็นอย่างนี้เข้าใจเลยทีนี้ บางคนใช้สุดตามยปัญญาและจินตามย์ปัญญาที่ได้มีแล้วเป็นฐานพัฒนาสู่ด้วยดวยโยนิสโสมนัสิการจนสามารถทําภาวนามยปัญญาคือภาคปฏิบัติการภาคบํำเพ็ญเกิดขึ้นเลยเนี่ภาวนาไอ้ตรงเนี้ยให้เข้าใจตรงนี้ก่อนกรณีเมื่อเมื่อเข้าใจสุดตะจินตะเบ็ดเสร็จปุ๊บภาวนาภาคปฏิบัติการเนี่ยมันจะใช้ภาวนามยปัญญา แต่คนอยู่ๆเนี่ยจะเอาภาวนามั่บัญญาไปให้เกิดยังไม่ได้ใช่ั้ยต้องเข้าใจสุดตามัญญัญญาให้ชัดจินตามัญญัญญาให้ชัดแล้วไปฝึกแยกแย ะ, แยะรูปประธรรมนามธรรมเราแยกได้กี่รอบ คำว่าการว่าคือการการปฏิบัติบำเพ็ญเนี่ ย, เ, ยเกิดจากภาวนาเนี่ยคือทำให้เกิดให้มีขึ้นได้จริงอันนี้มันทาลงมือทำประสบการณ์โดยตรงเลยเป็นประสบการณ์โดยตรงนะภาวนาวิญญาณถ้าเดินกรรมฐานก็เดินเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นฝึกเมตตาให้เกิดจริงๆเลยนะเนี่ยฝึกฝึกให้เมตตาเกิดขึ้นจริงๆ ให้เกิดขึ้นจนสภาพใจเมตตาเกิดจริงๆเลยนี่ภาวนาเกิดเลยนี่พอเมตตาเกิดจริงๆแล้วมองมองไปถึงบุคคลอื่นเมตตาก็แล่นไปเลยเออรักปรารถนาดีเอื้อทอนรักปรารถนาดีเอื้อทอนรักปรารถนาดีเอื้อทอนรักเราอย่างไรก็รักพ่อเท่ากันรักเราอย่างไรก็รักแม่อย่างนั้นรักเราอย่างไรก็รักครัวจารอย่างนั้นรักเราอย่างไรก็รักเพื่อนอย่างนั้นรักเราอย่างไรก็รักคนเฉยๆอย่างนั้นรักเราอย่างไรก็รักศัตรูอย่างนั้น โอ้นี่เนี้ยเขาเราียกภาวนามันเป็นนั่งบนเพนไหมแบบนี้คุณจะนั่งหรือนอนอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะเดินทาแต่มันเห็นอย่างเงี้ยมันเข้าใจอย่างเงี้ยมันแผ่ไปได้อย่างเงี้ยน้อมมไหร่เกิดได้เมื่อนั้นคิดมไหร่มันเป็นไปอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยเขาเราียกว่าภาวนาเขาจยังอ๋อคือมันอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าในยุคพระพุทธเจ้า หรือจากพระพุทธเจ้ามาประมาณพันปีเนี่ยอุคติตันยูวิปจิตันยูหลังพันปีไปแล้วหมดเหลือเนยยะกับธาตุพละมจนถึงปัจจุบันต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะยุบฟังทำบรรลุพันปีตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนถึงพันปีอุคติกับวิปจิตเนยยะนี่ต้องปฏิบัติบำเพ็ญอ่า แล้วแต่แล้วแต่คนที่จะทําเราจะเข้าฟังจนเข้าใจแล้วมาทําอย่างที่บอกว่าก็นเลให้เข้าใจนะฟังจนเกิดสุดตาไม่แยปัญญาจนเกิดจินตามิยะปัญญาอย่างลึกซึ้งแล้วต่อมาก็มาภาวนาม่แยปัญญาก็คือการประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญทําให้เกิดเลยตัวนี้ทําให้มันเกิดทําอย่างที่บอกเพิ่มเลื่อนสักครู่มันจะเกิดขึ้นได้จริงอย่างนี้จะทํายังไงก็ทําแต่ขอให้ทำถูกถูกตามระบบที่ที่ศึกษามาทำแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีก แล้วเกิดขึ้นได้จริงอันนี้คือน nyak ทำยังไงก็ไม่เกิดฝึกยังไงก็ไม่เกิดฝึกยังไงก็ไม่เกิดทํายังไงก็ไม่ได้เรื่องในราวอันนี้เป็นปทัทอะปรามะมัน <c oughs> <c oughs> เหลือสองบุคคลในยุคนี้ไ n y ย k ก็ปทัทอะปรามะอต้องเข้าใจอย่าหลงโลกว่าตอนนี้สองพันกว่าปีอุคติตันยูกับวิปจิตันยูหมดแล้วต้องเข้าใจก่อนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะหลงเดี๋ยวจะจับประเด็นไม่ถูก ก็ใครได้ปัฏิยาบริหายานก็เป็นจุรสดาบัตใช่จุใช่อังขาวิตรณาวิสุทธิปิดอบายภูมิในหนึ่งชาติถ้าไม่เสือ่อมสมควรแก่เวลาหรือยัง